ยาลานพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งเพื่อมาสนทนาถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานสีงภาวนาท่านที่สนใจอยากจะมีคำถามก็เชิญเข้ามาร่วมสนทนาได้เราก็ไปที่เด็กชายนคุณก่อนเลยนะักุณ นอนนี่ยังมวงนอนนี่ยังการค่ะดูทีวีดูทีวีอยู่เหรอทีวีอยู่คะ่ะเออเดูทีวีเรื่องดูทีวีเรื่องสาร์บอวูครับเอวันนี้ไปตรงนี้นหรือเปล่าครับไปครับได้เหรียญทองมาด้วยครับได้เรียนทองเห ร, เรียญทําอะไรมาไปแข่งวิ่งเออได้เรียนทองเลย เ, เก่งเลยนะ แข่งวิ่งกี่กี่กี่ระยทะทางเท่าไรกี่เมตรนะอยางเท่าไหร่ครับพิ่งแค่ไห้อืมวิ่งเยอเดี๋ปุ๊บไกลไหมไกลไหมครับเอะอืดีเก่งมากออแล้วทำควานดีทำาอทุกวันเลยครับเพราะกอดจะกว่ดก็ดูว่าไม่ขััตัวเล็ก ช่วยหอยท่าเพรตกอยู่บนพื้นไม่ตกยุงไม่ตกมดไม่ฆ่าสัตวอะไรอ่ดีมากเก่งมากอ่าเป็นคนดีต้องไม่ฆ่าสัตว์นะไม่ทำร้ายผู้อื่นโอเ ค, อเคมี <ใน S 2> อะไรยังไงไม่มีเลยคะแล้วไหว้พระสวดมนต์หรือเปล่าที่วันวันทุกวันเลยคะ่ะทุกวันเลยเหรอ สวยอะไรมากเลยฟัง่วยให้ฟังนิดหน่อยได้เนื้อภาษาแล้วก็อิปิจิโอจะใส่สอีกแล้วก็นัโมบอดิชาโตโอ้โหเก่งมากานั่งสมาธิเปล่านั่งบางวันครับนั่งบางวันครับนั่งพุโทโธพุโทโธนะนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเวลาทาพิเป็นนั่งที่ไหนหน้าหลงปู่ นั่งถึงปู่บัวเกตค่ ะ, ะมีมีรูปหลวงปู่เป็นพระหลวงปู่บัวเกตตั้งอยู่เขาเวลาเขาทำผีเขาก็จะไปนั่งสมาธินั่ ห, หลวงปู่ค่ะอเอโอเคมีอะไรไห ม, มีอะไรไหมครับจะมีุ่งมีเดี๋ยวคิดดูว่าจะมีไหมผู้มีก็ม่รู้กาพะจะดีดีสวยสวยกับอืมอืมไม่มี ถามค่ะพระอาจารย์มากรับรับพลังดีๆค่ะโอ <Okay. S 2> เคยังไงอยู่เมืองไทยกับอยู่ญี่ปุ่นต่างกันไหมโองานมาแบบงานเยอะกว่าที่ญี่ปุ่นเยอะเลยค่ะเ อ, อี่ยค่ะเราคนน้อยใช่ไหมที่นี่คนทางานน้อยเลยที่นี่คนน้อยค่ะอืมก็สบายใจค่ะแต่ก็ทําทําทํา ทำไปเรื่อยๆอะค่ะก็คือไม่ได้มีความเครียดหรือว่าไม่ได้มีความกดดันอะไรวันที่โรงงานด้วยเป็นคนไทยแล้วเป็นญี่ปุ่นมีทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ไทยค่ะแล้วอังกฤษมีอังกฤษแล้วพูดภาษาอะไรกันพูดภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษแล้วภาษาญี่ปุ่นทั้ภาษาเลยค่ะพรอาจารย์ค่ะกับคนไทยก็ภาษาไทยแล้วเวลาประชุมนี้ต้องพูดภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ พูดภาษาญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษกับ เ, เวลาประชุมกับทุกคนค่ะแล้วก็อธิบายภาษาไทยเวลาไม่เข้าใจเองค่ ะ, ะประชุมไม่ใช่ภาษาสามภาษาสามภามษาค่ะก็คือถ้าญี่ปุ่นไม่เข้าใจก็อธิบายญี่ปุ่นถ้าไทยไม่เข้าใจก็อธิบายไทยค่ะสนุกดีนะสนุกดีค่ะก็ยังยังไหวอยู่มันก็เลยทำอะไรมันก็มีแต่ความสนุกแล้วก็ยังตื่นเต้นกันอยู่ค่ะ โอเคค่ะพระอาจารย์มากาบขอพลังทุกอาทีอย่างนี้มีกำลังใจทำงานค่ะมีสติแล้วสติแล้วจะทำให้เรามีความสุขในการกระทำต่างๆค่ะพระอาจารย์อย่าทำด้วยอารมณ์ทำด้วยสติค่ะโอเคนะมาไทยก็ดีค่ะได้ได้มีเวลาทำสวดมนต์เช้าเย็นแล้วก็นั่งสมาธิวันละนิดหน่อยทั้งเช้าทั้งเย็นดีมากเลยค่ะอืมโอเคการยังรากาค่ะ อไปที่ยามาดกับแจทที่กล่าวนมัสการครัาอาจารย์ครับน้องพีอย่าสวดตามก็ได้นะเดี๋ยวพามาสวดเราสวดตามไปนะอ่าววันนี้จะมาส่งกันบ้านใช่ไหมส่งกันบ้านแล้วก็รายงานการ น, นั่งสมาธิครับอรายงานก่อนคนระัตอนนี้ก็นั่งสามสิบนาทีทุกวันเลยครับซึ่งรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวครับก็เลยคิดว่าจะเพิ่มเวลา ไปนั่งนั่งหลผู้บอกที่มันแป๊บเดียวมันไม่นั่งหลับพับอันนี้รู้สึกตัวสลอดเวลานะใช่ครับเราไม่ได้นั่งเฉยๆนะครับต้องนั่งกับพุทโธพุทโธไปนะใช่ดูดูลมไปปล่ยกบกุมความคิดหยุดคิดนะครับโอเคแอตตี้ด้วยเปล่าด้วยครับโอเคมาจะส่งการบ้านก็ส่งมาตอนนี้แดดดีก็เริ่ม นั่งตามด้วยครับนั่งสินาทีคนเดียวค่ะพ่อค่ะพอเลยพ่อเรา ม, มานั่งตามด้วยแหละนั่งได้แค่สินาทีใช่ไหมซูร<อ>ูไม่ได้นะอโอเอเดี๋ยวต่อไปกัพ่อควรจะนั่งได้นะค<อ>ดีของดีดีพยายามทําเถิดวิเศษที่สุดความสุขที่เหนือกว่าความสุขชั่วปวงอยู่ที่ความสงบของใจนะ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 เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแนงเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาิคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆเสียไปเราทั้งหลายควรพิจะะารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดอ่าจำไหมนะ นี่คือข้อสอบของเราที่ให้ทาไว้เพื่อให้เราทำเตรียมตัวทากันบ้านไว้เตรียมเ ต, ตรยมตัวได้ใจยอมรับความจริงว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายไม่ต้องมีความตื่นเต้นตกใจร่างกายเป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งเราใช้ตุ๊กตาตัวนี้มาเล่ น, พ า, านพาเราไปนู่นพาเราไปนี่พาเราไปกินบ้าอะไรไปดื่มเดีเ๋ยววันหนึ่งมันก็ต้องหมดอายุขไข ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปทุกข์กับมันเดี๋ยวดูแลมันไปเอาที่จะดูแลได้ครับอ่าพันในร่างกายนี้มีอะไรบ้างเลยมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับ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 น้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำเสลตน้ำดีเยื่อในสมองศีรัะอาหารเก่าอาหารใหม่ไ้น้อยไ้ใหญ่ปอดไตผังถืดตับหัวใจน้ำ Ue, ang, ang, ang, ang, f, เช่ในกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเล็บส่วนร่างกายก็มีแค่นี้ลเหมือนตุ๊กตาตุ๊กตามันเขากใช้วัตถุมามาผลิตเป็นตุ๊กตาร่างกายก็เอาดินน้ำลมไฟมาผลิตครับโอเคมีอะไรอีกไหม S <S> ไม่มีแล้วครับโ okay. อเคเียไปที่น้องพีต่อน้องพีกล่าวพระคุณพระอาจารย์ครับเมื่อกี้ท่องพีท่องตามได้เปล่าเมื่อกี้ต้องท่องตามครับแต่ว่าบางบางคําก็เออติดติดขั ด, ข, ดขัดนิดนึงครับอา่าหัดท่องไปเรื่อยๆนะ เ, เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จําได้ค่ะมีอะไรไหมวันนี้คุณแม่อยู่เปล่าอยู่ครับคุณแม่ไม่เข้ามาเลย เหมือนม่ยังไม่มาเาขเากำลังเดินเข้ามาครับอน้องพี่มีอะไรจะถามไหมวันนี้เอจำคำนหนูมีอะไรจะถามแต่หนูก็ลืมแล้วครับขณะ <c oughs> เป็นเด็กแค่นี้ยังลืมได้นะความจําเสียอมอ <c oughs> ไม่มีสติอยากถามอะไรหนูไม่จดไว้ก่อน เล่นจนเพลินตลอดเลยที่นี่อะคุณแม่มีอะไรไหมไม่มีค่ะหลวงพ่อเมื่อคืนนี้อลิซเขาก็เข้ามาฟังไหมเราฟังตลอดเลยอ๋อค่ะคเห็นเขาเล่าพูดมาพูดให้หนูฟังเหมือนกันว่าเมื่อคืนอให้เข้ามาหาหนวงพ่อแล้วเขาก็ถามสองสามคำถามด้วยกันก็ดีค่ะรบกวรหนูงพ่ออ่านหน่อยก ได้เป็นใหญ่จะเข้ามานี่เป็นห้องเรียนก็ใหญ่เรียนก็เข้ามาเรียนได้คุณหลวงพ่อฝากสอนสอนสอนเขาด้วยค่ะเขาจะได้เข้าใจ อ, อะไรหลายๆอย่างค่ะใช่เขายังไม่รู้จักพบกุบมารลมเขาบอกเพาะฉะนั้เขาถามว่าจะทําไงเวลามีอารมณ์แล้วเราต้องไปพึ่งชุลายาเมาืองยาเสพติดเราบอกว่าก็มาลองมาออกกําลังกายมนาะมาวิ่งอ่า เลยมาทำความดีทำกุ๊กทำมเป็นจิตอาส า, าทางานสาธารณะกุศลรือถ้าทำได้นั่งนั่งสมาธิฝึกสตินั่งสมาธิเป็นการกระทำที่จควบคุมอารมณ์ทำให้ใจเราสบายแล้วของพวกนี้ไม่ไม่มีโทษมีภัยเหมือนกับพวกสุรายาเมายาเสพติดทั้งหลายแล้ ก็ไม่มีใครสอนในพวกนี้นะคนเขาเจริญทางด้านวัตถุแต่เรื่องการควบคุมอารมณ์นี่ยเขาไม่มีใครรู้วิธีสอนนะเพราะฉะนั้นจะให้กินเหล้าเท่านั้นสามชาตินี้กินเหล้ากันเป็นเป็นปกติแต่เขาก็หยุดทานนะคะมาเจอลูกชายหนุ<ม>่เพราะว่าเขาก็ก็ก็บอกเขาว่าอยู่ตรงนี้คือเลิกหยุดไม่ยาเม็ด ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาใช่ค่ะก็มีบอกบอกหนูก็มีบอกสอนเข้าไปเหมือนกันคาะแฟนหนูเขาก็สอนด้วยแฟนหนูเขาก็<ม>แล้วก็ปฏิบัติอยู่ตออยู่กัแฟนหนูแล้วก็<ม>เวลาคุยกันก็จะให้ลูกชายเป็นคนแปลใหยอย้อะไรเงี้ยก็จะสอนธรรมะเขาให้เขาเข้าใจเขาเขาก็มีพูดให้หนูฟังเขารู้สึกว่าเขาเขารู้สึกว่าเขามาทางศาสนาพูดเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเขาไปทาง ทางที่ฝรั่งเศสที่บ้านเขาเวลาเขาเข้าบสถ์เขารู้สึกแต่ก็ไม่อยากพูดแต่แต่เขาในใจของเขานะคะที่เขาเห็นแบบข้างในของเขาอค่ะเขารู้สึกว่าเขาเข้าไปแล้วหดหูเพราะว่ามีแบบเป็นสัญลักษณ์ของเขาแบบนั้นนะคะที่เป็นอย่างนี้ค่ะเขาก็รู้สึกหดหูแต่พอแบบพอมาทางศาสนาพุทเห็นรูปพระพุทธเจ้าอ่ะเขาก็มีความสุขมากเพราะว่าพระพุทธเจ้ายิ้มแล้วก็เมตตาอย่างี้ค่ะ เขาเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบมีความสุขแล้วก็ต้องฝากขอบคุณแม่ชีอะค่ะแม่แม่ชีแกให้นังสือภาษาอังกฤษที่หลวงพ่อสอนนะคะอืมแกแกให้มาสองเล่มอดีค่ะเขาเขาก็ไปอ่านเขาก็ถามว่าอยากได้หรือเปล่าเลยนะคะแม่ชีแกก็ให้มาอ่าโอเคค่ะอ ย, อ, อยู่บ้านอยูกันหรือเปล่าหออยู่คนละบ้าน อ๋อตอนนี้เขาอยู่คอนโดค่ะแต่เดี๋ยววันเสาร์นี้เขาจะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแลนะค่ะอืมแล้วเดี๋ยวก็ค่อยรอดูงานใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยถ้าแบบงานตรงไหนที่แบบอยู่ได้นานก็จะย้ายไปตอนนี้ก็คือให้กลับมาอยู่บ้านก่อนจะได้ไม่ต้องไปเสียงเงินเช่าคอนโดที่ก็ อ, อ่าแพงมากอื่าแพงมากค่ะแล้วก็บอกเขาว่าชีวิตเราไม่แน่นอนงานการบางทีก็มีบางก็บางทีก็ไม่มี เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจคือคือลูกสาวหนูก็เขาก็แบบประมาณลูกคุณหนู่ะหนูก็บ้านเขาค่อนข้างมีฐานะก็เลยแบบว่ายังคือเขาก็พูดว่าเขาก็อยากทำงานให้ประสบความสำเร็จนะคะในเมืองไทยแต่ว่าคือแต่ว่าอาจจะเป็นแบบด้วยจริตข้างในเขาที่เหมือนว่ายังเหมือน ยังแบบยังอยากจะเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงหนูก็ก็สอนเขาไปว่าถ้ออยู่จะทำงานกับคนอื่นอยู่ต้องทำงานตามที่บริษัทเขาบอกเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่แบบว่าจะทำตามใจตัวเองแบบนี้ไม่ได้อ่าถ้าเขาทำงานแต่ชั่วโมงเธอก็ต้องทำงานแต่ชั่วโมงเหมือนกันกันกบเขาใช่่ยก็ต้องทำตามกฎระเบียบของเขาใช่กฎระเบียบค่ะไงนองค์ ก, กรก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าต่างคนต่างทำตามอาเภอใจ แต่เขาก็พยายามตั้งใจทําให้ดีที่สุดก็ก็จบปริญญาโทมาก็ได้ปริญญาโทสองใบนะคะ ก, ก็ชอบอ่านหนังสือชอบเรียนชอบอะไรแต่ว่าเรื่องทํางานอาจจะแบบว่ายังสู้ไม่พอยังไม่มีประส บ, บการณ์ต้กงเรียนรู้ไปใช่ค่ะลูกชายหนูก็ก็เหนื่อยสอนแบบสอนจนแบบเมินหัวบ่งทีก็เอามาที่บ้านเอามาป้ามามาช่วยสอนอืมค่ะโอเคค่ะมีอะไรไหม ได้ไหเจ้าค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะที่เมตตาลูกๆหนูห น, นะคะหลวก็เมตตาทุกคนอ่ะถ้าใครเข้ามาก็เมตตาทุกคนตามงจะคำถามโอเคได้ยังคำถามได้แล้วหรืออ่ามาแล้วถ้าถ้าเกิดว่าเราถ้าถ้าเกิดว่าเราเห็นสัตว์สองตัวเนี่ยมันกำลังโซ้กันแล้วเรา แล้วเราเข้าไปห้ามแล้วมันก็มาทำทาเราแล้วถ้าเกิดเราทำกลับเราก็จะแบบหรือเปล่าครับเราทาทาทำร้ำายผู้อื่นไม่ได้ทางที่ดีก็ปล่อยโอกาสกันไปเราไม่ต้องไปยุ่งเราก็อยู่ห่างไปนอกจากว่าถ้าเราไปห้ามแล้วเราเขาไม่มาทำร้ายเราช่วยให้ยุติได้เราก็เข้าไปช่วย ถ้าเป็นผลดีก็เข้าไปทําถ้าเป็นผลไม่ดีก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมของเราก็เหมือนกับคนน่านะ่กอเขาทะเลาะ ก, กันบางทีเข้าไป <คน S 2> ก็เหมือนกันนะบองทีเราไปยุ่งเดี๋ยวกลายเป็นเราก็กลายเป็นคนเสียไปเองเดี๋ยวเขาดีกันนะเขามาว่าเราเป็นคนไปทำให้เขาใช่ใช่ค่ะใช่คนสมัยนี้ก็จะอย่างนี้อ ถ้าต้องดูก่อนว่าทําแล้วมันดีไหมถ้าทำแล้วไม่ดีก็อย่าทําดีกว่าเปลืองตัวแล้วถ้าทําแล้วเปลืองตัวก็อย่าทำเข้าใจไหมคือจะช่วยคนอื่นก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วยไม่อย่ไปช่วยแล้วตัวเราเสียหายเดือดร้อนอย่งชอบช่วยคนอื่นคนนี้ยช่วยหมดทุกคนทั้งน้องทั้งพี่ทั้งเพื่อนก <laughs> ็องดูว่า ถ้าช่วยแล้วเป็นประโยชน์นก็เถทษช่วยไปแล้วเกิดโทษกับเราเราก็อย่าช่วยเพราะว่าเพราะว่าน้องน้องที่น้องปอสามอะครับเขาคือคือวันนะั้นเป็นวันที่สอบสอบด้วยเนีไยครับคือในกระเป๋าของเด็กทุกคนนี่แหละครับก็จะต้องมีหนังสือเต็มเต็มกระเป๋าดวงตาดวงตารู้ใช่ไหมคะว่าก็จะมีหนังสือเต็มกระเป๋าอะคับ อ่าแล้ทำไมคะเพราะว่าโนเห็นวน้องว่า น, น้องเขาเคือแบบหนักมากหนูก็เลยช่วยถือแล้วแล้วโนถือแขนตะเกียบหนูไม่ไหวหนูก็เลยแบกซะเลยแขนตะเกียบอ๋อแขนเล็กอ่าสาวยังด้วยอ่าหนูก็เลยแบกซะเลยแล้วหลกก็ปวดหลังอา่าพอทำไม่ไหวก็อย่าทำนะอ่ เพว่าน้องเขาก็ตัวตัวตัวเล็กด้วยนะค่ะก็เรื่องของเขาเขาเาก็ต้องหาวิธีทำลงเขาไปได้เราทำแล้วเราไม่สบายทำไปทำไมพี่สงสารนะวันนี้สงสารได้แต่ต้องมีประมาณมีขอบมีเขตมีความพอดีนะค่ะโอเคมีอะไรไหมไม่มีค่ะ โอเคนะก่อนนอนไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินะครับครับครับดันสัญญากับหลวงตาแล้วนะไม่ใช่สัญญาเป็นการยังแต่รับฟังครับสัญญาเราต้องทํานะสัญญาเราไม่ทำไม่ได้นะบาปกรรมนะยังไม่ถือเป็นสัญญาเป็นแต่รับทราบไว้ก็แล้วกันไม่มั่งคับกันให้พร้อมเมื่อไหร่ก็ให้ทำทำก็ โอเคนะค่ะขอหลวงพอ่อทาดแข่งแข็งแรงนะเจ้าค่ะการแข่งอ่าตะวันต่อตะวันจากเนเธอร์แลนด์ขอบคุณแม่กลับมาสัมพระจัครับวันนี้มีอะไรไหมครับเป็นหนึ่งคถามครับอ่าถามเลยเล่เนเอเล่นกีฬาได้ไหมครับไม่ได้หรอกค่ะเนรไม่ได้มาบวชเพื่อมาเล่นกีฬามาบวชเพื่อมาเรียนมาปฏิบัติธรรมศีลสมาธิปัญญา เดินจงกองได้อยู่มันจะต้องสำรวมต้องเดินแบบเรียบร้อยให้คนเขาเห็นแล้วเขาเขาร้นับถือไม่เช่นเดินเหมือนเล่ง <c oughs> นี่เนพระในนิรันเซตไม่ไม่สามารถที่จะไปทําำกิกริยาการเหมือนญาติโยมได้ญาติโยมกระโดดโลดเต้นได้ไเป็นไรแต่พระมันเต้นแนวโรบิกนี้ไม่ไม่สวยงามพระเนินมันเต้นแนวโรบิกไม่สวยงามมันนั่นกีฬาไม่สวยงาม ไม่ใช่ไม่ใช่งานของพระงานของพระคือสํารวมอยู่ในความสงบกายวาจาใจเข้าใจไหมก็ใช่ okay, ครับอถ้ายังไม่พร้อมอย่ามาบวชถ้ายังเป็นเลี้ยงอยู่ยังอยากจะเล่นกีฬายังอยากเล่นเกงอยู่ก็อย่าเพิ่งว่าบวชถ้ mm. ามาบวชต้องมาตั้งใจเรียนเรียนเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแล้วก็ปฏิบัติ ในงานของแม่มีอะไรไหมค่ะพระอาจารย์คือว่าหายไปสองสัปดาห์เลยค่ะพระอาจารย์ก็ติดธุระก็เลยไม่ได้เข้ามานะคะพระอาจารย์ไม่เป็นไรไม่ไม่ไม่ตัดคะแนนทีนี้ไม่มีไม่มีคือไม่มีการให้คะแนนตัวใครตัวเราเราต้องเป็นคนให้คะแนนตัวเราเองค่ะค่ะพระอาจารย์คือ Uh, ตอนนี้ที่ฝึกอยู่ใช่ไหมคะก็อาสุภะยังฝึกอยู่เหมือนเดิมนะคะพระอาจารย์ uh, ฝึกกับคุณมากโก้ก็ก็ฝึกฝึกด้วยการดูดูพวกคลิปวิดีโออะไรต่างๆแบบนี้นะคะพระอาจารย์แล้วก็แต่ตอนนี้รู้สึกจะเน้นสำหรับตัวโยม่จะเนนเรื่องเรื่องการเจริญเมตตาให้มากนะคะพระอาจารย์เพราะรู้สึกว่าบางเรื่องที่เคยปล่อยผ่านเนี่ยรู้สึกว่ามันมัน มันมันสร้างความทุกข์ให้กับใจนะคะพระอาจารย์แล้วก็โยมได้มีโอกาสคุยกับย่าธรรมย่ธรรมท่านหนึ่งนะคะเขาเป็นคนโทส์จริตเหมือนกันเขาก็เล่าให้โยมฟังว่าอันนี้โยมโยมเล่าได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์เป็นเป็นเกี่ยวกับธรรมะนะคะพระอาจารย์พูดไปเถยดถ้าไม่ไมีไงก็จะเร็กไว้แล้วกัน กาพย์อาจารย์ก็เขาเขาเป็นคนโทรศัท์จริตเหมือนกันทีนี้เขาเล่าว่าคือตัวเขาเนี่ยทำงานราชการนะคะแล้วก็มีตําแหน่งสูงนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยลูกน้องทํางานไม่ได้ดังใจนะคะจนผิดผิดพลาดหลายครั้งเนี่ยแล้วตัวเขาเองก็เลยเกิดความโมโหโมโหจนชนิดที่ว่าอยากจะไปร้องเรียนให้คนเนี้ยคือให้ออกจากงานแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็คือด้วยความที่แบบโทรศัพ์แบบนี้ค่ะทีนี้ มันเป็นช่วงวันหยุดเขาก็เลยคือกะเขากะจะทําแน่นะคะพระอาจารย์แต่ว่าเป็นเป็นวันศุกร์แล้วทีนี้ก็เลยไม่ทันและแล้วก็ก็ถือว่าเป็นเดชบุญของเขาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่ามันติดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะเขาก็เลยยังไม่ได้ร้องเรียนเขาก็เลยเอได้ไปคิดคิดทบทวนนะคะพระอาจารย์ว่าที่เขาทําเนี่ยมันอมันเขาก็คือตอนแรกเขากะว่าจะทําจะเอาให้ออกแน่นอนเลยทีนี้ว่ามันติดเสาร์นี่เขาก็เลย ไปคิดทบทวนแล้วก็เหมือนได้สติขึ้นมานะค่ะพระอาจารย์ว่าถ้าเขาทําเนี่ยมันมันน่าจะเป็นบาปเหมือนกับไปทําลายชีวิตลูกน้องคนนี้นะคะพระอาจารย์เขาก็บอกว่าเออแล้วถ้าเอ่อถ้าคนเนี้ยเขาเป็นลุงของเราแบบนี้คะ่ะถ้าเป็นญาติเราแบบนี้คะ่ะพระอาจารย์เขาก็คงจะให้อภยัยโดยง่ายนะครับแต่คือเหมือนเขาใช้อุบายว่าถ้าเปรียบคนเนี้ยเป็นญาติของเขาเขาก็คงจะไม่เอ่อคงไม่ไป เอทําอะไรที่จะเหมือนไปไปล้างแค้นเขาแบบนี้ค่ะพระอาจารย์เขาก็คิดอยู่นานเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าโชคดีมากเลยที่เขาติดเสาร์อาทิตย์ไม่งั้นเขาว่าคงได้ทําบาปมหันนะคะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วก็พอถึงวันจันทร์ปุ๊บเขาไปเจอลูกน้องคนนี้อีกคนหนึ่งอะค่ะพระอาจารย์เขาบอกว่าเขาก็สามารถคุยได้ปกตินะคะพระอาจารย์แล้วก็ความรู้สึกที่แบบอยากจะล้างแค้นเขาเนี่ยจะให้ออกจากงานคือมันหายไปหมดเลยะค่ะพระอาจารย์เขาก็คุยได้ปกติแล้วก็คือ แค่ไปตักเตือนลูกน้องคนเนี้ว่าอย่าทำอีกแค่เนี้ยค่ะพระอาจารย์ถูกต้องควาเมตตาก็ อ, อ, อย่าว่าเตือนเมื่อก่อนอเตือนหลายครั้งแล้วถ้ามันทําให้องค์กรเสียหายจะต้องคุยกับเขาดีๆว่าก็เขาบอกว่าเป็นเดชชบุญที่ว่ามันติดวันศุกร์นะครับพระอาจารย์ถ้าสมมติว่าเป็นวันพฤหัสหรือวันอื่นเนี่ยวันรุ่งขึ้นที่ว่าเขาเอาแน่นอนเลยครับพระอาจารย์คิดว่าควา ม, มโกรธมันยังจะจะฝังอยู่ในใจแบบนี้ค่ะพระอาจารย์อืม ใช่ค่ะโยมก็้าวิธีนี้มาใช้นะคะพระอาจารย์เรื่องการมองก็เป็นยากหรืออะไรแต่สําหรับโยมมันใช้ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์โยมลองทําแล้วอะค่ะอุบายนี้โยมเอามาคิดแล้วมันไม่ได้ค่ะพระอาจารย์อาจจะเป็นเกี่ยวกับจริตคนด้วยหรือเปล่าคะเป็นอุปนิสัยของคนว่ามันมันเหมาะกับเขาวิธีวิธีนี้อุบายนนนนนี้มมมอออุบาาาาายยไ่เหหหืกกกัััทงปญญลล โยมก็พยายามค้นเรื่อยๆะค่ะพระอาจารย์อย่างอย่างล่าสุดเนี่ยอโยมไปลองคิดดูนะค ะ, ะคือโยมนั่งสมาธิคือมันพอมันได้ที่แล้วแล้วก็โยมมาคิดดูว่าเอ๊ะเราคือพโยมพยายามที่จะเอาเอาใจเขามาใส่ใจเราะคะพระอาจารย์คืออย่าให้เออเาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะคะพระอาจารย์ก็คิดว่าถ้าทําไมสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันทําไมเขาถึงทา หาเหตุผลอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์โยมว่าคิดว่าเอ๊ะทุกคนมันก็ต้องการความสุขคือสิ่งที่เขาทําเนี่ยมันก็คือการการคือเขาอยากได้ความสุขนะคะพระอาจารย์โยมคิดแบบนี้แล้วก็แล้วก็พอคนที่มันต้องการความสุขเขาก็มีทางเลือกหลายทางแต่เขาอาจจะไม่รู้อะคะ่ะพระอาจารย์เขาก็เลยเลือกทางที่อาจจะผิดที่อาจจะเป็นเบียดเบียนตัวเขาเองหรือว่าเบียดเบียนผู้อื่นแบบเนี้ยคะ่ะพระอาจารย์โยมผลิคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปอย่างตัว ตัวโยมเองหรือทุกคนก็ต้องการความสุขทั้งนั้นนะคะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าเขาอาจจะปัญญาเขามีเท่านั้นนะคะพระอาจารย์หรือเขาอาจจะอไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้ฟังอะไรมาที่ทําให้เขาเอเกิดความรู้เกิดสติปัญญาที่เลือกสิ่งที่ที่ถูกต้องให้กับตัวเองในการวิธีหาความสุขนะคะพระอาจารย์โยมคุยแบบนี้ค่ะถูกต้องแล้วเราจะเข้าใจเขาแล้วว่าจะเห็นใจเขา รู้สงสารเขาสงสายเอะเลยทําไปใช่ค่ะคือตอนคิดแบบเนี้ยตอนนั้นโยมก็เอ๊ะทำไมพอคิดไปพวกรู้สึกว่าอุ้ยมันมันมันลงใจค่ะพระอาจารย์มันมันลงใจแล้วก็ตอนนั้นน่ะมันรู้สึกมันมีความสุขมากเลยค่ะพระอาจารย์มันความรู้สึกนั้นคือมันมันสุขมากแล้วก็มันไม่รู้ว่ามันมันความรู้สึกนั้นคือมันมันมีความสุขมากค่ะพระอาจารย์ว่าว่าพอรู้สึกเนี่ยทําไมมันไม่เกิดกับเราแต่ว่า แต่ยมก็ไม่ได้นิ่งนองใจนะคะยมคิดว่าเดี๋ยวมันอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวหรือเปล่ามันต้องไปพิสูจน์อะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ mm hmm. แต่คือความรู้สึกตรงนั้นคือมันอธิบายไม่ถูกค่ะอาจารย์มันมันสุขมากมก็คาดมั น, <ก>มนออกมา มันมันขอให้สัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขได้อาจารย์มันคิดแบบนี้แล้วก็ยกข้อคิดว่าโอ๊ยถ้าตอนนั้นถ้าเจ้าตะวันมาขอตังค์หมื่นดึงสงศ์จะให้เพมครับอาจาตย์ดีไว้ว่าขอทางตอนนั้นถ้ามาขอตังค์จังหวะนั้นแบบดู้ทานอย่างยี้มาขอสงศ์ใส่คว้าให้ทันทีเลยดีไหมเข้ามาขอตังค์อาจจะได้รับกอนใหญ่ครับอาจารย์มันมันมันก็นี้ มันก็ต้องมีปัญญามีข้อมีเข็มด้วยบางทีเด็เวลาก็ต้องวิเมีขอม้ขอก่อนมันมีความสุขมันมีความสุขมากพระอาจารย์แล้วก็ลองเอาไปใช้ดูก็ก็มีบางเรื่องก็เอาไปใช้ได้นะคะพอคิดแบบเนี้ค่ะพระอาจารย์ทีนี้ที่คําถามของโยมก็คือว่าอย่างการที่เราคิดว่าเ อ, อการที่เขาตัดสินใจแบบนั้นแสดงออกแบบนั้นพูดแบบนั้นอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าปัญญาเขามีเท่านั้นนะคะพระอาจารย์หมายความว่าตั้งระดับปัญญาแบบนี้มันเป็นมันเป็นอะ เป็นมานะแล้วบอกเขาอาจารย์เพราะว่าเมือก็ว่าความเป็นจริงทุนรับผู้คนมีมีภูมิปัญญาไม่เท่ากันไงยังบางคนเรียนเก่งเนืไม่เก่งเนืออือ๋อมันไม่ใช่แต่บางทีโยมไปเทียบกับตัวเออเขาเขาไม่รู้แต่เรารู้ปัญญาเกิดจากบารมีบารมีไม่เท่ากันไงอ๋อปัแต่มันไม่ใช่มานะเหี๋ยวถาอาจารย์โยงกูว่ามันจะเป็นมานะว่าไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับมานะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องวิเคราะห์เรื่องของ ภูมิปัญญาของแต่ละคนอ <Yeah. S 1> แต่แต่เราไม่เอาเรื่องภูมิปัญญาสูงต่ำมาอันนี้ถึงจะเป็นถึงจะเป็นมานะถ้าว่าอยเขาต่ำกว่าเราเขามีความรู้น้อยกว่าเราเราจบโทรเขาจบตีเราเราเหนือยเราเข้าอย่างเงี้ยถึงจะเป็นมานะอ <Yeah. S 1> แต่ถ้าเราวิเครา <Okay. S 1> ตามหลักวิทยาศาสตร์หนะว่าคน ตามหักธรรมหักวิทยาศาสตร์คนเรามคาตตาีความแตกต่างกันก็อยู่ที่เนี้ยภูมิจิตภูมิธรรมอยู่ที่บุญกุศลที่ได้สร้างมาก็าคือกรรมนี่เองอ่ะเรามีคาวามมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นห้วยกําเนิดแต่ละคนมีกรรมไม่ไม่มากน้อยไม่เท่ากันมีบุญมามากน้อยไม่เท่ากันก็เลยทําให้ตัวทําตัวไม่เท่ากันอันนี้เป็นการวิเคราะห์ตามกฎแห่งกรรม แต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบว่าอ้ยฉันมีปัญญามากกว่าฉันเป็นโสดาเธอเป็นเธอยังเป็นปุถุชนอยู่อย่างเงี้ยท่านคิดอย่างเงี้ยฉันเหนียวกว่าเธออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นมารณะและ้แต่ถ้ารู้เฉยๆถ้ารู้ว่าฉันเป็นโซดาก็เป็นปุถุชนนี้ไม่ไม่เป็นมานณะมันเป็นความจรงิง อันนี้มันละเอียดมากเลยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าบางทีโยมเอ๊ะไม่แน่ใจโยมต้องมาถามพระอาจารย์ว่ามันเป็นมานณ์หรือเปล่าอะไรแบบนี้คาารับพระอาจารย์เราตัวเราเไปไปเปรียบเทียบกับเขาแล้วว่าเราดีกว่าเขาเราเรวกว่าเขาอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นมานณขึ้นมาแต่ถ้าเปรียบเทียบเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจแบบนี้ใช้ได้ใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เป็นการศึกษาไงศึกษาความเป็นจรงิงคนเราทําไมถึงมีความแตกต่างกันนะอย่างนี้นก็เป็นนายกได้ทุกคนเป็นรัฐมนตรีได้ทุกคนใช่ไหม เป็นหมอเลยทุกคนทำไมคนบางคนเรียนหมอไม่ได้มันความเพียรพยายามมันต่างกันภูมิปัญญาต่างกันใช่ไหมสติต่างกันสติเนี่ยมันตัวสำคัญที่สุดถ้ามีสติแล้วมันจะทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ถ้าไม่มีสติแล้วมันหมดกำลังทำมันทำแล้วก็ทาไม่ไหวทำไปแล้วก็ไม่รู้เรื่องค่ะท้าวซาร์ เราไปก็น่าสงสารกันเราย่ า, ยาไปเปรียบเทียบว่าคนคนั้นคนนี้ดีกับเราสูงกว่าเร า, เราต่ำกว่าเราก็แล้วกันให้รู้ว่าเขาสูงกว่าเราต่ำกว่าเราแต่เราไม่ได้เราไม่ได้เอามาเป็นประเด็นต่ำต่ำกันเพราะปัญญาเขาจบโทรเราจบตีเราก็ยอมรับเว่าเขาเขาเรียนสูงกว่าเราเขาเป็ความรู้มากกว่าเราแต่ก็ไม่ได้ว่าเ ข, า, ขาดีกับเราวิเศษกับเราเริ่เลยกว่าเราเป็นเจ้าคนนายคนก็ไม่ไปอิจฉาเขาหรอกค่ะพระอาจารมีเด็ก S <S <S อาจจะเป็นอะไรมันก็เป็นเรื่องของกรรมของเขาไปเไปจะทํากรรมอันใดไว้ก็เป็นพูดรับผลของกรรมนั้นไปไน่แล้วมีความแตกต่างกันที่กรรมเนี่ย<ม>แล้วก็มีคำถามอีกอีกเรื่องหนึ่งค่ะอาจารย์อย่างอย่างเจ้าตะวันหนึ่งเนี้ยเขาจะเป็นคนเข้มแข็งอบุคลิกลักษณะเขาเนี่ยจะไม่ค่อยถูกเพื่อนแกลแบบนี้ค่ะอาจารย์หรือว่าบางทีถ้าเพื่อนมาแกลหรือมาล้อเนี้ยเขาจะจัดการปัญหาได้อย่าง อย่างโยมกับคุณมาโกจะสอนเขาว่าค่ะว่า อ, อที่เพื่อนมาแกล่ะหรือว่าเพื่อนพยายามพูดให้หนูไปด้อยค่าหนูอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปร่างหน้าตาหรือหรือว่าว่าตะวันโง่หรืออะไรแบบนี้ค่ะโยมก็บอกเข้าไปว่า เ, เพื่อนเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีเขาอาจจะรู้สึกไม่ดีเขาอาจะแบบไม่มั่นใจตัวเองก็เลยพยายามกดให้คนอื่นด้อยค่าคนอื่นอะไรแบบเนี้ค่ะแต่ว่าเป็นเพราะตะวันรู้สึกดีใช่ไหม แต่วันถึงไม่แกล้งคนอื่นไม่พูดว่าคนอื่นแบบเนี้ยค่ะอ อ, อันนี้มันก็ไม่ใช่มานะใช่ไหมครับพระอาจารย์เหมือนประมาณว่าสอนให้ลูกเนี่ยว่าว่าเธอะรู้สึกดีเพื่อนรู้สึกไม่ดี เ, เธอก็เลยไม่แกล้งเพื่อนส่วนเพื่อนรู้สึกไม่ดีเขาก็เลยมาแกล้งเธออะไรแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เป็นเหตุผลเนี่ยเรื่องของเหตุผลเรื่องของความเป็นจริงวันบางคนนี้มันไม่มีความสุขต้องทําให้ผู้อื่นเขาเขาเดือนร้อนก่อนแ้วจึงจะมีความชอบรังแกคนอื่นเขา นี่ก็เป็นวิธีระบายอารมณ์ของเขาเขาไม่เขาไม่มีความสุขเก็เลยหาวิธีระบายความความความรู้สึกไม่มีความสุขนี้ออกไปเพื่อจะได้มีความสุขจากการไปรังแกคนนั้นคนนี้แต่ยังไงก็เรื่องของเขาเขาจะทำไงกับเราอยู่ที่เราเราเราจะเราจะทําไงกับเขาี่สําคัญกว่า สำคัญถราเราอุเบกขาได้อย่างดีสุดนิ่งเฉยได้ดีดสุดหรือใช้เมตตาได้ก็ใช้เมตตาไปใช้เมตตาไม่ได้ก็ใช้อุเบกขาไปแตเราจะไม่คิดทำดํำลายเขาไม่ตอบโต้เขาใช่ไหมเพื่อนที่เขามาคนนั้นน่ะหนูไม่ตอบโต้เขาเขาก็เลิกไปเอีกเขาเขาไอ้นี่ไม่ได้ออแผนเขาไม่สำเร็จไงใช่ไหมเพราะว่าหนูไม่ไปแสดงอารมณ์โกรธหรืออะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์เขาบอกว้ามันไม่ได้บ่นก็เลิกแกล้งไปอะค่ะอาจารย์ โอเคมีอะไรไหมว่ามีมีไหมคะสำหรับโยมไม่มีแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าเดี๋ยวโยมต้องไปส่งเจ้าตะวันไปไปกีฬาด้วยค่ะอาจารย์บ่ายสี่มงเย็นเห็นแฟนบว่าจะมาบางไทยนะจะมาบวชนี่อาจารย์จำได้ไม่เมื่อคืนนี้เขาพูดนะอ๋ออาจารย์จำได้มาค่ะพระอาจารย์มามาค่ะพระอาจารย์ก็ก็จะไปเยี่ยมไป ไปเยี่ยมคุณแม่โยมเพราะว่าคุณพ่อโยมเสียแล้วก็เหลือคุณแม่ก็อยากจะไปให้บ่อยเท่าที่สุดเท่าเท่าที่มากจะมากได้อ่ะเพราะว่าตอนนี้ท่านก็อายุมากแล้วก็เราก็คิดถึงคิดถึงโยมมากดยเช่นบันค่ะคุณแม่มีพระคุณกับเรามากทาให้ท่านมีความสุขได้เท่าไหร่ยิ่งดีใช่ค่ะก็ก็ผลจากการเจริญเมตตาค่ะพระอาจารย์เมื่อก่อนในเวลาคุณแม่โยมจะจะจะจ ะ, จะพูดเตือนด้วยความเป็นห่วง ว่าอย่าเดินขึ้นมาไหนมากนะจับด้วยนะจับนู่นจับนี่นะอย่าไปนู้นนี่นะอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเวลาฟังก็ฟังเฉยๆแต่ในใจมันขานว่าอแม่ไม่รู้เหรอว่าว่าหนูว่ารู้แล้วอะไรแบบนี้ไม่เป็นมานะของโยมแบบนี้ค่ะพระอาจารย์แต่พอมาจเจริญตรงนี้ปุ๊บคือเราก็มองกลับไปเอ๊ะคุณแม่เขาก็คงเขามีความสุขที่ได้บอกลูกเขามีความสุขที่ว่าได้แสดงความห่วงใยมาถึงเราแบบนี้ค่ะพระอาจารย์มันก็เลยพอเราฟังแล้วเราก็ยิ่ง แทนที่เราจะต่อต้านว่าแม่ไม่รู้หรือไงว่าเรื่องเรื่องเท่าเนี้หนูรู้แล้วอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่ต่อต้านในใจแล้วอะค่ะอาจารย์มันก็คือทราบซึ้งว่าท่านเป็นห่วงแล้วก็ท่านอยากจะจะตือนเราด้วยความหวังดีแล้วก็มีความสุขที่ได้ห่วงเราอ่ะแต่ว่าบางทีบางครั้งมันจะมองเหมือนว่ามันพูดบ่อยๆย้ำๆแบบนี้ค่ะว่ะจ า, าจะาอาจจะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาลึกๆก็ค่ะอาจารย์แต่คือไม่ได้เถียงนะคะแต่ว่าหลังจากมาจเจริญเมตตาตรงนี้แล้วก็รู้สึกเข้าใจคุณแม่มากขึ้นนะคะอาจารย์ <De. S 2> ปฏิกิริยในใจมันไม่มีอะค่ะพระอาจารย์เด <De. S 2> ค่ะก็ฝึกไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ <De. S 2> แต่บางเรื่องก็ใช้ไม่ได้นะคะพระอาจารย์บางเรื่องก็ต้องพูดโทรสรมัทะขอะพร ะ, า mm hmm. ะอาจารย์เจริญไม่ตามไม่ออกทุก <De. S 2> เรื่องที่เราไปปผสมเราสามารถมองไปในมุมที่ดีได้ <Hi. S 2> ถ้าเรารู้ถ้าเรารู้จักมองเรารู้จักมองไม่ดีเขาพูดอะไรดีก็ไม่ดีเราก็จะไม่ไม่พอใจเทั้นนั้น mm hmm. ใช่ค่ะ เนี่ยธรรมะเป็นสิ่งที่วิเศษสอนให้คนรู้จัดดำเนินชีวิตแบบอย่างสุขอย่างไม่ทุกข์นะอาจายอย่างตอนเด็กๆก็คิดว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งก็เป็นที่พึ่งได้จริงๆแต่ว่าไม่ใช่ที่พึ่งอสงสุปเจ้าค่ะอาจารย์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือคนทุกคนมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะอาจารย์เพราะว่าทุกคนก็มีกิเลสตัวเราก็มีกิเลสแล้วก็ ที่พึ่งจริงๆก็คือมีแค่พระพุทธเจ้าพระธรรมแล้วก็พระอริยสงฆ์เท่านั้นเจ้าขาพระอาจารย์ที่เป็นที่พึ่งได้จริงๆนะคะพระอาจารย์แต่เบื้องต้นก็ต้องมาสายพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาก่อนต้องสอนเบื้องความรู้พื้นฐานก่อนแต่ความรู้ที่สูงกว่านั้นที่พ่อแม่ไม่มีเราก็ต้องไปหาที่อื่นต่อใช่ค่ะโอเคนะเจ้าขาพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ คุณหมอพิเชษเชิญกอนทีมอกลาวน้ำสการพระอาจารย์ครับขอบความเมตตาพระอาจารย์ไดอธิบายทําอย่างไรให้ยอมรับการพักผักจากกันก็นต้องมั่นพิจารณาความเป็นของไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้ใบหญ้าอะไรทุอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงนี่คือธรรมชาติของโลกที่เราอยู่กันนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปต่างกันตรงที่ช้าหรือเร็วเอะบางสิ่งก็ดับเร็วบางเกิดดับเร็วบางสิ่งก็เกิดดับช้าแต่มันก็ต้องมีการดับไปในที่สุดต้องมีการพลาดพลากอางกันชีวิตของคนนี่ยาวกว่าชีวิตของสุนัขเห็นไหมสุนัข ก, ก็ยาวกว่าชีวิตของกบของกิอะไรแต่ชีวิตเขาก็มีอายุขยของเขา ไม่มีใครที่อยู่ไปได้ตลอดทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ภูเขาที่เราเห็นว่ามันมันเหมือนเดิมทุกวันนี้จริงจรงมันมันก็สึกกร่อนของมันไปเรื่อยๆโดยที่เราองไม่เห็นมันดีคนดีมาไหนก็จะถล่มลงมาก็ได้แม้แต่โลกที่เราอยู่ในวันหนึ่งมันอาจจะมันก็อาจจะระเบิดหรือหลุดเป็นเสี่ยงๆเป็นใบก็ได้มันไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนถาวรในโลกของทักษ โลกธาตุนี่มันเป็นอย่างนี้อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับอนัตตาก็เป็นปรากฏการที่ไม่มีใครไปบังคับไปไ ป, ไปห้ามไปเปลี่ยนม่งได้มันเป็นไปตามกฎของมันตามเหตุตามปัจจัยเนี่ยไม่ว่าเราจะมีอะไรก็ตามวันใดวันหนึ่งมันก็อาจจะต้องจัดมาไป ในมางทีเราอาจจะจากเขาไปก็ได้เพราะเขาอาจจะมีอายุยาวกว่าเราเช่นบ้านที่เราอยู่มันอาจจะมีอายุยาวกว่าตัวเราบางทีเราตายไปจากบ้านนี้ไปแต่บ้านดังหลังมันอาจจะมีอายุสั้นกว่เราอยู่บ้าน้นมันเนี่ยมันพังเราก็ต้องย้ายบ้านมันทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีมันต้องมีไม่ช้าก็เลยมันก็ต้องมีวันเสื่อมวันมันสิ้นสุดลงจำเป็นต้องพิจารณาความเป็นไม่ของไม่เที่ยงของทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกคนแล้วมันก็จะค่อยๆยอมรับไปเรื่อยๆวอามันคืนไม่ได้มันไม่อยากให้มันไเกิดมันก็จะทำให้เราเศร้าความเศร้าของเราเกิดจากควา ม, มที่เราเ อ, อยากให้เขาอยู่กับเราต่อไปโดยที่ไม่ยอมมองความจริงว่าเขาอยู่ได้หรือเปล่าอันนี้คือพยายามมองความจริงมองอนัตตจังทุกขังอนัตตาเนี่แะคือ ชุดยอดของปัญญาก็คือเห็นตายรักในทุกสิ่งทุกอย่างในสภาวะธรรมทั้งปวงพระเจ้าบอกสัพเพสังขารานิจาเครื่องประดับทัง้งหลายใช้างานกายนี้ก็เป็นสังขารเครื่องประดับอะไรที่ผสมประดับไม่ท่าสีน้ํำนมไปนี้รม่ก็สังขารเป็นานิจาไม่เที่ยงสิ่งใดมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา ถ้าไปยืดไปติดไม่อยากให้มันดับก็จะทุกข์เพราะว่ามันเป็นอนัตตามันเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาติมีเหตุธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยนี้ทาให้มันเกิดแล้วเมื่อเหตุปัจจัยที่ทำให้มันอยู่มันไม่มีมันก็ตายมันก็จบมาอีม้งให้นะมันเรื่องของธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาฝนตกแดดออกเนี่ยน้าท่วม ไปไม่อะไรนี่เป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เห็นตายแล้วเราก็จะปล่อยวางทุกอย่างจะเปรตธรรมานาตาทําท่องปวงไม่มีตัวไม่เด่นตนจะเพสังขารทุกข์กทุกข์เพราะเราไปยึดไปติดไปอยากให้เขายั่งยืนถาวรนั่งหมนพิจารณาอยู่เรื่อย โะยเฉะของของใกล้ตัวเราร่างกายของเราบุคคลที่เรารักเราเราเรายินดีเราชอบเราอยากใช้เราอยู่กับเราไปเรื่อยๆนั่นแต่ะครั้งแรกที่เราเห็นคนตายนั่นอายุสักสิบสองขวบเนี่มันปัญญามันไหลองมาเองอต่อไปเราก็ต้องตายเหมือนเขาต่อไปพ่อแม่เราก็ต้องตายปู่ย่าตายายก็ต้องตายคนนี้เรารู้จักต้องตายหมดมั น, ม, นมันคิดของมันไปเองเมื่อ ไ, ไ, ไม่มีใครสอน แล้วมันก็เลยเตรียมตัวเตรียมใจเพราะเวลาเขาตายเราก็รู้สึกเฉยเฉยจะทำยันไงไปน้องผมน้องให้มันเป็นหนึ่งของกลับมาได้เปล่าใช่ไหมเนี่นะยพยายามมันพิจารณาอยู่เรื่อยให้มันกว้างเป็นเปนครอบไปหมดเลยทั้งจั ก, กรวาลก็แล้วทุกอย่างไม่เทียงนะั่นแะไม่ใช่เพราะตัวเราร่างกายของเราคนเดียวร่างกายของคนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกันทั้งนั้น อ่า น, นี่จะทำให้ใจเรายอมรับความจริงถ้าคิดบ่อยๆแล้วถ้าเรามีสติมีสมาธิด้วยจะช่วยได้ทำให้รับได้ง่ายขึ้นนเรามยายามฝึกสติฝึกสมาธิด้วยพวบคู่ไปกับการพิจารณาปัญญาสลับกันไปครับท่านอนำแบบปฏิบัติครับกั บ, บพวกคุณยังสูงครับอาจารย์ถือ ไปที่คนคันชิตใต้หวันครับบาปอาจารย์ครับมีอะไรไหมบาปัรรมศาสตร์อาจารย์ตอนนีนน้มีคำถามครับอาจารย์เวลาเวลานั่งทำงานไปก็มันขึ้นพุทธโทธพุทโธไปก็ระวังว่า เดี่ยวที่ไปจะถ้าไปพุโทโธเราเดี๋ยวงานที่เราทํามันเกิดผิดพลาดได้ก็ต้องต้องมีสติอยู่งานที่เราทําเป็นหลักนะนถ้าเราเป็นโพูดโธพุโทโธเดี๋ยวทําบัญชีบวกลบคูณหารผิดจะทําไงมันนิ่งไปเลยครับอาจารมันนิ่งแต่งานก็ทําไปปกติเร า, ราก็จะมองเห็นเรานั่งทํางานต้องอยู่กับงานแต่แม่้มันไปที่อื่น ความหมายมีสติก็คือไม่ให้มันไปที่อื่นเราต้องมีอะไรที่เราจะต้องผูกจิตไว้ถ้าเราทํางานเรากต้องผูกจิตไว้กับการงานที่เราทําเราไปผูกไว้กับพูทโธเดียวงานเราจะทําผิดพลาดได้ครับอาจารย์แต่ถ้าเรานั่งเฉยๆและไม่ได้ทําอะไรเราจะใช้พูทโธผูกผูกจิตไว้ก็ได้ครับนะอาจารย์นะยังทําอะไร อย่างมึแต่พูดโทรอะไรั้งเดี๋ยวทําของผิดนะทำทำของให้เสียหายขึ้นมาครับไ ป, ไ ป, ไ ป, ไป น, นั่งดูก็มาเองเนีครับไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรคือว่าทำแต่งานอยู่แล้วก็เริ่มมาเองครับพูดโทรโทรมาเองมาก็ก็ดมเดี๋ยวว่ามันมาทำให้เราเสียงานหรืป่างานที่เราทําอยู่ ครับแเพรานมันมีมารับสนกันก็แานนองมันดีครับเพราะมันมันมันสายมันเป็นพุดโธหพระเจ้าก็พุดโธออกกองพุดโธะได้แล้วนั่งดีแฉ่ไม่ทําอะไรก็ดูลมพุทโธไปก็ดีรับไปครับแต่ถ้าขับรถนี่มันก็ต้องอยู่กับการขับรถอย่าไปอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเดี๋ยวรถชนกันข้างหน้าม่รู้ไม่รู้ตัว สภาากนี้ก็กำลังจะไปสอบไม่กี่วันก็ตอรู้ตัแ์แ้วอัะอ่าอเวลาขีม่มอเตร์ไซค์ต้องระมัดระวังใหญ่ครับผานนิดเดียวเผืนิดเดียวมันไปเลล้มไปชนปั๊บเนี้ยขียม่มอร์ไซค์ต้องมีสติบนะ้างครับโอเคนะเข้าใจนะคำว่าสติเนี่ยมันต้องใช้ให้มันถูกกรณีนะ ครับอาจารยโอเคน้ำน้ำเตาสะดรกครับโอเรับอาารยขันตวเงนก็ไปก่อนโอเค okay. ทราบอาจารย์พไม่ไลกลับถึงบ้านแล้วหลือวันนี้กลับมาสักการค่ะถึงบ้านแล้วค่ะสบายแล้วค่ะกลับนนางสักการ์์ครับอ่ามน่วๆ น, น่ยัง <laughs> ยังครับกบาลังเฝ้า้ารอกลับ อยู่ครับอ่าคนนี้ได้เข้ามาเดียวหน่อยค่ะคนนี้ได้รับพลังเต็มที่เลยค่ะได้รับคำตอบค่ะดีมีอะไรก็ถามได้คถ้าสงสัยอะไรก็ถามได้ก็ไปถามอิน e r s o n ก็รับเต็มที่เลยอ่าอรกมาพิจารณาต่อแล้วก็นังสื่อเล่มเล่มเล็กกันนะคะอ่ามะค ถ้ารู้ก็ท่านห้าค่ะอก็เป็นฉบับกระเป๋าอืียกว่าสําหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจก็อาจจะอาจจะ่อานแล้วเข้าใจอยากคนที่ชอบ ว, วิทยาศาสตร์จะเข้าใจง่ายค่ะพวกหมอเนี่ยหนังสือล้วนี้หมอเข้าเป็นคนรวบรวมมาพิมพ์แล้วพอเข้าไปจากเพื่อนหมอด้วยกันเพื่อนผูก็อ่านแล้วเพื่อนหมอก็เลยพิมพ์เพิ่มขึ้นอีกค่ะ เพราะแหละเล่มใหญ่อย่างท่านรู้ที่เคยพิมพ์ไปอ่ะนะคะก็จะเป็นก็จะค่อยๆมาค่อยๆไปอันนี้น่ยจอดเข้าไปนั้นได้เรียนมากขึ้นค่ะวันได้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเล่มนั้นแบบถือเป็นสารณะประจําชีวิตไปเลยค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนก็เป็นท่านพวกเราทั้งหมดนี่ก็เป็นท่านรู้กับท่านสี่ดวมกันอยู่เนี่ยท่านดินน้ำไปก็คือร่างกายท่านรู้ก็คือใจ ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติก็วันนี้หลังจากไปกาพาจารย์แล้วก็คุณเดวิดกับคุณแฟ ร, รงค์เขามีเพื่อนมาจากนอร์เวย์โทรมาชวนชวนไปทานข้าวเลยได้แลกเปลี่ยนธรรมะกับนอบร์เวย์ประหลาดค่ะค่ะเขาก็ส่วนก็แปลกดีที่เขาสนใจก็เลยนั่งคุยกันอย่างแบบ สะดวกอะไรนะค่ะเลยแบบเออเราไปไปวัดมาแล้วเราก็มาได้ขยายควา ม, มเขาก็ถามเป็นเรื่องเวลาแทบจะไม่ต้องทานกันเลยค่ะก็แบบคุยเรื่องธรรมะเขาก็ยังถามเรื่อง r ี t r e a ก็เลยอธิบายเขาฟังว่าถ้าเข้ามามในต่างประเทศคิดว่าในประเทศเขาก็มีมที่ที่เขาจะไปศึกษาได้เขาเพิ่งจกกะเกษียณนะเขาก็หกสิบนะเป็นเพื่อนของคุณแฟรงก์อีกที้ ก็เลยดีก็ได้ขยายความธรรมะแล้วก็ให้ความรู้เรื่องพุทธศาสนาทำธรรมะที่เรามีพูดไปเราไม่รู้ว่าอาจจะไปเปลี่ยนชีวิตเขาก็ได้โดยไม่รู้สึกตัวค่ะเหมือนตอนที่เราได้รานหนังสือ ไ, ไม่มได้เพราะหนังสือธรรมะมาอา่านเปลี่ยนชีวิตเร า, าหน้า ม, นนนมือเป็นหนังมือไปเลยค่ะก็ะเลยเหมือนกับเป็นในสิน่งนเหมือนกันคะอยู่ดีๆก็มาเจอกันมไม่ได้ พอดีคนุกวมบอกว่าเอาไปได้ลูกก็จะขับรถให้ก็เลยได้เจอคนนี้ไม่ได้คุยกับเพื่อนไทยละคุยกบคนนี้เรื่องเริ่มพุดศาสนาก็ไม่มีอะไรรักควมพันอาจารย์เพื่อนเพื่อนไทยเรากลับไปนู้ืนึงเคยได้ทำคงงั้นละค่ะคุณเดวิดบอกว่าอ้าว I see you last time อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ แต่คุณนิ้ว็าถามแบบทำเยอะอะทำเยอะด <Okay. S 1> ีค่ะเออนะ่ะน<บ>ามัสการอ่าที่ยมแจนพิสเบิร์กเนี่ยคุณอาจารย์พทกว่าเคยอยู่พิสเบิร์กมเรียนพิสเบิร์กอยู่อ๋อค่ะนามัสการค่ะอาจารย์ยมไม่มีคำถามค่ะยมเข้ามาฟังทำค่ะพระอาจารย์ตอนนี้พิสเบิร์กเป็นยังไงบ้างหนาวหรืองร้อน ออากาศเย็นแล้วคะ่ะพระอาจารย์ต้องใส่เสื้อกันหนาวกันแล้วคะ่ะอืมไปอยู่มากี่ปีแล้วที่นั่นอืมตอนแรกที่โยมมาอเมริกาโยมไปอยู่เวอร์จิเนยียก่อนปีหนึ่งคะ่ะแล้วก็ไปอยู่แมรี่แลนด์มาสิบ ป, ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่พิสเบิร์กได้ประมาณแปดปีแล้วคะ่ะพระอาจารย์อืมทำงานทีพิสเบิร์กรอ่ะอืมโยมเป็นแม่บ้านคะ่ะพระอาจารย์อืมตามสามี ตามสามีค่ะพระอาจารย์แต่ว่าตอนตอนมามาเป็นเบบีซิสเตอร์นะคะพระอาจารย์โครงการ อ, ออดแทนนะคะแล้วก็เลยได้มาอเมริกาค่ะพระอาจารย์อืคก็ดีค่ะได้กลับมาเยี่ยมบ้านที่เมืองไทยบ้างหรือเปล่าได้กลับไปเมื่อสองปีที่แล้วค่ะตอนนี้แม่แม่มาหาแทนค่ะพระอาจารย์ปกติแม่ก็จะไปใส่บาตรพระอาจารย์ทุกเสาร์อาทิตย์ที่แบบพี่ชายกับพี่สะพ้ยพาไปค่ะออยู่แค่วัดเนย อ่าแม่อ่าครอบครัวยมอยู่ที่อํเาเภอเมืองชนบุรีนะคะอะไไ่ไม่ไกลไม่ไกลค่ะไม่ไกลค่ะแล้วก็พ<ไ>ี่ชายกับพี่สะภ้ยก็จะพ า, พาไปใส่บาทพาแม่ไปใส่ บ, บาททุกอาทิตย์นะคะอืมค่ะโอเคค่ะไม่มีคามําถามอะไรนะมไม่มีคําถามค่ะมาเจริญปัญญาด้วยการฟังค่ะอาจารย์ดีค่ะไรู้ไปดีเลยค่ะอาจารย์ทิ่มมาต่อ จะมาอยู่คอทามากน้องสัตยการค่ะพระอาจารย์วันนี้มีหนึ่งเรื่องค่ะพอดีพรุร่งนี้เป็นวันออกพรรษาแล้วก็ตรงกับวันตํารวจ ด, ด้วยค่ะหนูเลยอยากจะขอพ่อทำม้าจากพระอาจารย์ก็เป็นแนวทางในการปฏิบัติในอาชีพตํารวจหนูค่ะแล้วก็เผื่อบเพื่อนเริ่มอาชีพพิลรับฟังอยู่ด้วยค่ะเออคำว่าตำรวจก็คือผู้พิทักษสันดีาะไม่ใช่สันดีก็ <c oughs> คือความสงบของประชาชน <c oughs> ใช่ไหมค่ะ ถ้าใครมาสร้างเรื่องวุ่นวายตำรวจก็มีหน้าที่จัดการกับผู้ที่มาสร้างความวุ่นวายสร้างความไม่สงบนี่คือหน้าที่หลักของของตำรวจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แล้วก็เราควรจะทําทหน้าที่อของตงนด้วยความตร ง, ตร ง, ตร ง, ตรงไปตรงมาซื่อสัตย์สุจริตไม่ใช่ทําแบบ เ, เลือกที่รักมากที่ชัมเลือกทําเพื่อผลประโยชน์อย่างอื่นอันนี้ก็ก็จะทําทให้ไม่ได้ ไม่ได้เป็นเป็นผู้พิทักษ์สันติราที่แท้จริงอาจจะกลายเป็นผู้มาทําทําทําลายสันติราเสียด้วยซ้ําไปมาสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้กับประชาชนอาจารย์ต้องมีจิตสําำนึกนะเราเป็นถ้าเราเป็นดตำรวจแทเนี่ยเราต้องรู้หน้าที่ของเราว่าเรามาพิทักษ์ประชาชนมาปกป้องประชาชนไม่ใช่มาขู่รีบประชาชนนี่ไถ่ประชาชนพวกนี้แรงไหปหรือเปล่าไม่รู้นะ ไม่จะว่าใครเนะไม่แรงครับอาจาดีเลยคะ่ะพูดตาม <นะ S 1> หลักธรรมตามหลักความเป็นจริงใช่ไหมคะคั้นี้นะก็สั้นๆกันมีแค่นี้นะพูดมากเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนจับเข้าคุกเอาไปอาจารย์น้องนำของคําสอนพาจารย์ปัญญบัตรค่ะอืมโอเคไม่ที่คุณจ้าแต่ต้องแข็งแรงนะค ะ, ะคุณจ้า ตอนนี้อยู่กรุงเทพนะือแต่กรรมสัชการค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะยังอยู่กรุงเทพอยู่ถึงวันที่ยี่สิบพฤศจิกาค่ะโอ้น่านไม่ไ ง, ไงนานนะงานค่ะใช่ไม่งนไมไ่มีอะไรไหมวันนี้มีคําถามอ่าที่มาจากการที่วั น, นวันนี้หนูฟังพระอาจารย์เทปเหมือนเป็นเทปอะนะคะแล้วมีคําถามจากทางบ้านถามอ่าเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าทางบ้านเป็นทำอาชีพขายอ่าโคกระบืออะไรประมาณเนี้นะคะเสร็จแล้วคําถามก็คือ ถ้าเกิดว่าไม่ได้ถามคนซื้อว่าจะเอาเอาสาัตว์ไปทําอะไรเนี่ยแล้วเรามารู้ทีหลังเขาไปฆ่าหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะเราจะบาปไหมแล้วพระอาจารย์ตอบมาว่าทําไมไม่ถามล่ะก็ถ้าเกิดว่าไม่ถามอย่างเงี้ยมันก็ทําไปเหมือนเราขาดความเมตตาเพราะว่าเราเราจริงๆมันก็สามารถช่วยชีวิตเขาได้เพียงแค่ถามว่าถ้าเอาไปฆ่าเราก็จะได้ไม่ขายอะไรเนี้ยค่ะทีนี้หนูก็เลยนึกไปถึงว่า เวลาหนูไปทานข้าวกับคุณพ่อค่ะคุณพ่อจะชอบสั่งถ้าสมมติไปร้านหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบสั่งปลาทอดจานหนึ่งซึ่งหนูก็ไม่ทราบว่าปลาตัวเนี้ยมันเป็นปลาที่ทางร้านเขาฆ่ามาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ยค่ะทีนี้คําถามก็คือหนูการที่หนูไม่ถามว่าปลาตัวเนี้มันฆ่ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ลดเ อ, อเหตุที่ว่าหนูกลัวว่าถ้าถ า, ถามเนี่ย แล้วคําตอบคือฆ่าแล้วหนูก็จะไม่ทานถูกไหมคะแล้วมันก็จะทําให้คุณพ่อรู้สึกว่าแบบเอาเป็นอะไรทำไมอยู่ๆไม่กินขึ้นมาแล้วเหมือนเขาจะไม่เข้าใจคะ่ะถ้าหนูจะบอกว่าอ่หนูแบบถือสินห้าหนูไม่อยากฆ่าสัตว์อะไรประมาณนี้ค่ะมันคือถ้าเหตุการณ์แบบนี้ยหนูเลี่ยงด้วยการไม่ถามแล้วก็ไม่รู้แล้วก็กินมันต่อไปหรือว่าหนูควรจะยังไงดีคะแล้วเราอย่าสั่งก็แล้วกันถ้าเราไม่สั่งเราก็มีส่วนร่วมในการทําให้เขาตาย เมื่อเขาตายแล้วเราจะไปกินของเขาเราก็ไม่ไม่ไม่ได้ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้บาปนะเพราะเขาตายแล้วแต่การตายเขาไม่ได้เกิดจากการที่เราเป็นผู้สั่งเองก็ดีหรือทําเองก็ดีบาปเกิดขึ้นถ้าเราสั่งเขาทาให้เราหรือทําด้วยตัวเองก็ดีมันเองมันก็เกิดบาปขึ้นมาแต่ถ้าเราไปกินกับเขาแล้วเขาสั่งอะไรมาเราก็เฉยเฉยไปสังมาก็กินไปก็ไม่บาป โอเคค่ะก okay. ็แต่ก็คือถ้าถ้าอยากจะช่วยให้คุณพ่อไม่บาปด้วยก็เหมือนชวนกินอื่นชวนกินอย่างอื่นเน่าพ่อวันนี้เอ า, เอาพวกผักผั่ได้ไหมอ่า <c oughs> ดเพื่อกินเพื่อสุขภาพ <c oughs> ทีนี้อีกคำถามหนึ่งค่ะพระอาจารย์คือหนูตั้งแต่ที่หนูไปอยู่วัดมาออกมาหนูรู้สึกว่ามันยังมีความเหมือนกลิ่นอายความสงบอะไรเงี้ยมันยังตามมาอยู่ค่ะก็ คืออหนูมีคําถามว่าแต่ก่อนอหนูจะชอบคิดในใจว่าเอเหมือนเราเกิดมาทําไมชีวิตเรามีจุดประสงค์จุดมุ่งหมายเพื่ออะไรอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าตั้งแต่ออกมาเนี่ยหนูรู้สึกเหมือนเหมือนคําถามนั้นมันหายไปคือทุกครั้งที่คิดแล้วหนูจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นคําถามที่ผิดที่จริงๆแล้วการตั้งคําถามว่าชีวิตนี้เพื่ออะไรมันไม่ถูกต้องมันเป็นเพราะว่า เรามีธาตุค่ะเรามีธาตุสีเรามีใจมันมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นชีวิตอะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเหมือนพอมีชีวิตแล้วเราก็ควรที่จะต้องดำเนินต่อไปอย่างที่ถูกต้องซึ่งก็คือเช่นการทำทานการรักษาศีลการภาวนาอะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้การคิดอย่างนี้หนูมีความรู้สึกว่าบางครั้งมันก็ทำให้ชีวิตเหมือนเฉื่อยลงเหมือนเป็นเหมือนแบบทาอะไรก็คือก็ทาไปก็ถ้ามันอยู่ใน ถ้ามันอยู่ในสิ่งที่ไม่ผิดศีลถ้ามันยังมีความเมตตาอยู่แต่ว่าเหมือนความรู้สึกที่ยียวยาความรู้สึกขวอยวาอะไรพวกนี้มันหายลงไปอันนี้มันคือมันก็ถูกแล้วถูกไหมคะพระอาจารย์เพราะว่าจริงๆทางโลกกับทางทางธรรมมันก็คือค่อนข้างจะตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ carrier, ที่หนูรู้สึกว่าทางธรรมมันเพิ่มมากขึ้นมันก็ไม่แปลกที่ทางโลกหนูจะรู้สึกเบาบางลงถูกไหมคะใช่ถูกต้อง ทางโลกมันก็จะเบาไปเรื่อยถ้าทางธรรมเราจเจริญมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเบื่อทางโลกเราก็ยังไม่ได้ขนขวายไม่มีความยินดีกับตือนรุน่นกับเรื่องของทางโลกเลยแต่เราก็บใจยินดีทางธรรมจนกระทั่งเมื่อเราเสร็จภารกิจของเราแล้วเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ความสามารถของเรามาทำประโยชน์ให้กับผู้ต่อไปได้ มันไม่เสียหายนะมันมันไม่เป็นเรื่องผิดปกติหรอกที่เราเมื่อเรามาทางธรรมแล้วในที่สุดเราก็จะทิ้งทางโลกไปจะทิ้งเร็วทิ้งชา้าทิ้งมากทิ้งน้อยก็อยู่ที่ความคืบหน้าของการปฏิบัติของเราเนี่ค่ะแต่ว่าถ้าในขณะที่ยังทิ้งไม่ได้แล้วยังมีความรู้สึกอยากจะเจริญทางโลกเหลืออยู่ก็คือแค่ก็ก็รู้ว่าก็รู้ว่าเป็นกิเลส <c ười> มันเป็นกิเลสทั้งนครับความยินดีในรานยุทธเสรเสริญสุขเนี่ยเรื่องของกิเลสแล้วมันจะเป็นตัวที่พาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราต้องสอนใจให้รู้ไปทางโลกมันไม่ดีหรอกมันนําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ จ, จบจบจากสิ้นนั้นถ้าเป็นยินดีทางโลกก็ต้องรีบตัดกันเสียให้ยินดีทางธรรมพระเจ้าจบอกความยินดีในธรรมชนะการยินดีทั้งปวงเนี่ยเพราะลแถแห่งธรรมชนะรดทั้งปวง ลดของวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดมันเหมือนแบบหนูยังมีความรู้สึกเหมือนมันติดติดอยู่อีกนิดนึงทางโลกว่ามีความรู้สึกแบบอยากอยากจะได้ตรงเนี้ยก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าเนี่ยดอนจิเล็ตหลอกละเพราะว่าถึงเวลาเดี๋ยวพอได้ก็น่าจะอยากได้อื่นอีกใ ช, ใช่แล้วก็ทำนั้นอนะ่ะแล้วมันก็ไม่ทาให้เราเกิดมีความหนุดพ้นจากความทุกข์ไปอย่างไรค่ะความทุกข์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอยู่เรื่องมา ก, ก่อนเงินซื้อได้ซ้ำไป Okay. ต้องพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆต้องไป<ๆ>ไปเรื่อ ย, อยๆอยต้องสร้างธรรมะให้มากขึ้นเรื่อยๆ<ม>คิดเยอะคิดอย่างเดียวไม่พอมันต้องปฏิบัติให้ใจมีความสุขจากการปฏิบัติแล้วมันก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่หละคือสิ่งนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือความสงบนี่เองอแล้กวก็มันจะได้มาแต่ละครั้งมันก็เกิดขึ้นคอะ มันต้องไปทรมานทางร่างกายไปปิกเว้ยไปไม่เป็นสัมผันสนับรู้กับใครอยู่แบบตามลําพังอาจจะรู้สึกว่าเวงบ้างเศร้าบ้างหงอยหงอยบ้างก็ต้องทนอดท น, ทนต่อสู้กับความรู้สึกเหล่านี้แต่พอเราผ่านไปได้ทําใจใทั้นหมดได้แล้วมันอาการต่างๆนี่จะหายไปหมดความสดชื่นเบิกบานใจจะเกิดขึ้นมาทันทีแล้วนมะทุกครั้งที่จิตสงบขึ้นมาอืม ่ยังต้องพูไปที่ตรงนั้นลดแห่งธรรมะนั้นลดทั้งปวงคือลดของความสงบที่เป็นความสุขแนวความสุขทั้งปวงเราปฏิบัติยิ่งปฏิบัติมากเท่าไหร่มันจะเบื่อทั้งโลกมันจะลดความยึดบั้นถือมั่นความอยากทั้งโลกให้น้อยลงไปตามลําดับอืมเข้าใจ โอเคมีอะไรไหมไม่มีล้ค่ะวันนี้แต่คือขอแขอบพระคุณมากค่ะอ่าคุณแอนต่อวันนี้อยู่ที่ไหนตอนเกลือเหรอคุณกลับมากรุงเทนะพไหมกลับกรุงพ่อเจ้าค่ะไม่ใช่เลยค่ะวันนี้มาอยู่ที่นิวย อ, โอโร์กค่ะโอ้โหมาไกลเไกลเลยคะ่ะเป็นเด็กนิวยอร์กค่ะวันนี้ค่ะ <laughs> ตื่นมาฟังธรรมหลวงพ่อเลยคะ่ะเวลาตอนนี้ที่นี่ยังเพิ่งจะเชา้าค่ะ อโมงเช้าันนี้แบบอันนี้อนนี้แปดโมงใช่ค่ะเก้าโมงละค่ะสิบสองชั่โมงวันนี้โดยประมาณค่ะค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะวันนี้ก็ตื่นมาเข้าคลาสทำฟังธรรมะเหมือนเดิมค่ะก็อยู่กี่วันอยู่เช่นกี่วันเอออยู่ถึงวันที่สิบแปดค่ะอยู่แค่สองคืนสอคืนแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ได้ทำอะไรค่ะมาที่นี่มีแต่ กิ น, นกินตอนก็เดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องฝืนตัวเองเดี๋ยวว่าแต่วันที่เนี้ยมาที่เนี่ยจะดีอย่างค่ะเพราะว่ามันมีด้วยความที่มันมีเวลาหยุดทั้งวันใช่ไหมคะหนูไม่ได้มีอะไรต้องทําเดี๋ยวหนูก็คิดว่าจะจะพยายามเข้านั่งสมาธิให้ได้หลายๆรอบอะค่ะอลองฝึกไปเรื่อยอๆหนูสังเกตดูถ้าวันไหน ท, ที่ที่มาอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูมีเวลาเข้าสมาธิได้หลายรอบมันมันจะเห็น เห็นพัฒนาการตอนช่วงครั้งที่สองที่สามมันจะเหมือนมันจะนิ่งขึ้นนะคะมันก็มันจะทําได้ง่ายขึ้นแต่ว่าช่วงนเนี้ยเนี่ยบอกตรงๆเลยค่ะหลวงพ่อว่าเอาชนะความขี้เกียจเรื่องการนอนไม่ค่อยได้ก็จะแบบว่าหมดไปกับการนอนซะเยอะจนงานี้พาะเราทํางานหนักมันก็ได้ช่วงที่เราบินอยู่ต้องทํางานหนักมัน <c oughs> ช่วงเดินทางเปลี่ยนเวลาเนี่ยนะจะทําให้ร่างกายปรับตัวค่ะ <c oughs> <c oughs> มันก็อย่างวันนี้มาก็สิบสี่ สิบสี่ชั่วโมงรวมดีเลยไปด้วยนะคะมันก็พอมาถึงเราตอนแรกก็คิดว่าเดี๋ยวถึงแล้วก็ได้นั่งได้อะไรอย่างนี้แต่ก็สุดท้ายก็เห็นเตียงแล้วก็อนอนหลับยาวเลยคะ่ะค่ะก็อย่าไปฟื้นมันเลยร่างกายมันต้องถึงเวลามันต้องพักผ่อนก็นต้องให้มันพักผ่อนไปค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเดือนนี้ยค่ะที่หนูบอกเดี๋ยวหนูมีเวลาไปวัดอ่ากะว่าจะไปสามวันไปไปไปเอาชนะกิเลสสักรอบหนึ่งไปไปฝึกที่วัดจะดีกว่าเพราะว่า จำเพราะว่าจําได้ว่าพอไปไปนอนอ่าไปไปอยู่วัดครั้งที่แล้วสามวันนะคะพอเริ่มมัน ก, มนก็มันก็จะมันก็จะมีมีความขี้เกียจนะคะแต่ว่าพอวันที่สองที่สามมันเหมือนกับอย่างน้อยมันก็เหมือนอยู่ตัวขึ้นนะคะมันจะรวมสติได้ง่ายเลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปอยู่อีกสักรอบหนึ่งเผือ่อจะได้ได้เจริญสมาธิได้ใ ห, ให้ได้ดีดสถานที่จะช่วยการปฏิบัติได้ สถานที่ทางบไ ม, ไม่ไม่พุกผ้าไม่มีคนมายุ่งเกี่ยวด้วยมันก็จะทำให้นำปฏิบัติง่ายขึ้นค่ะได้ค okay. ่ะขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อคุณสาธกาไชนาฟังคำค่ะาอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะโอเคป็น okay. ไปที่คุณยินดีต่อ a n s a s เข้ามากราบท่านอาจารย์ค่ะไม่มีคําถามค่ะท่านอาจารย์แล้วก็เดวิดเหมือนเดิมค่ะเข้ามากราบฝากกราบท่านอาจารย์ก่อดไปทํางานวันนี้ค่ะก็บอกฝากกราบเดี๋ยวันนี้ท่านอาจารย์มานะค่ะบอกสองเต้ค่ะบอกสองเต้ท่านอาจารย์ขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็น อ, อย่างสุดในวันนี้ขยันทํางานนะเอาแต่งานอย่างเดียวถ้าไม่เกิเห็นก็ทําอะไรเลยอาจารย์ะก็ตามหน้าที่อะค่ะท่านอาจารย์ก็ ระบบเขาเป็นแบบนี้มันก็ต้องเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็แต่ถ้าเกิดทางฝรั่งเศสเขาบอกว่าเ อ, อ่เอเอรี่ได้ก็คงเป็นคิวแรกเลยค่ะที่จะขอพระก็ถ้ากลับก็จะได้ทําประโยชน์ อ, อื่นไโอเคขอบคุณมากคะ่ะท่านอาจารย์คุณเวลาลพรเชิญคุณวิไลพรต่อกลับมาสักการพระอาจารย์เจ้าคะ่ะพระอาจารย์ ค่ะมาฟังธรรมพระอาจารย์ค่ะธรรมะของพระอาจารย์ดีมากๆเลยค่ะโยมฟังและโยมเข้าใจง่ายมากค่ะแล้วก็มาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วชีวิตทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยมีความทุกข์เลยเลยค่ะพระอาจารย์ใจมันสงบนิ่งแล้วก็มองทุกอย่างให้เป็นไปรลักค่ะค่ะพระอาจารย์อ่าคนั้นนะเทสเทสแล้วมันอยู่ที่ตรงถ้าเราเห็นไตรลักแล้วมันก็ปล่อยวางหมดนะใช่ค่ะมันไม่ค่อยไม่ค่อยทุกข์กับอะไรรู้สึกว่าดีค่ะแล้วธรรมะพระอาจารย์เป็นอะไรที่เข้าถึงได้ง่ายมากเลยเ้ะค่ะ เราโยมก็ชอบมากธรรมะของพระอาจารย์ที่ว่าเราเกิดมาจากอะไรเราเกิดมาจากอวิชชาอวิชชาทําให้เกิดสังขารสังขารทาให้เกิดวิญญาณวิญญาณมาพบกับพัสสะพัสสะเสร็จก็ทําให้เกิดเอ่อเอ่อเกิดเวทนาพอเราเกิดเป็นเวทนาค่ะทุกสุขเสร็จแล้วก็ทําให้เราเกิดอุปทานพออุปทานเสร็จแล้วก็ทําให้เราเกิดภพเกิดชาติก็กลับมาเกิดอีกใช่ไหมเ้าคะง่ายมากเลยไม่ต้องมาท่องอะไรจํำอะไรคืออาศัยความเข้าใจทุกอย่างมันก็เก็ตหมดทุกอย่างเลยเจ้ค่ะ พระอาจารย์คะโยมโยมมีเรื่องนิดนึงอะค่ะพอดีโยมซื้อที่มาแล้วมันมีบ้านติดมังกรทีแล้วโยมจะรีโนเวทบ้านนะคะพระอาจารย์แต่โยมก็เพิ่งมารู้พอดีลูกน้องอะค่ะบอกว่าซ้อขาพอดีใต้บ้านนะมันมีจอมปลวกอยู่โยมบอกเอามีจอมปลวกอยู่แล้วพอดีโยมจะปิดใต้ถุนบ้านเพราะโยมกลัวพวกสิ่งเล่ย์เลย์คันเข้าไปอยู่ในบ้านนะคะพอโยมก้มไปดูโหพระอาจารย์จอมปลวกอ่ะใหญ่มากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วโยมก็เลย จะทํายังไงแล้วเราจะปิดยังไงโยมก็เลยสัง่งลูกบอมบอกว่าอย่าเพิ่งทําอะไรหดี๋ยขอขอถามพระอาจารย์ก่อนค่ะเราจะปิดยังไงอะพระอาจารย์จอมปลวกใหญ่มากเลยค่ะแล้วโบราณเขาก็ถือได้มีตัวปลวกอยู่ในนั้นหรือเปล่าโยมไม่รู้ค่ะพระอาจารย์แต่ถ้าพอดีมันอยู่เต้าถุนบ้านถ้าปกติถ้าไม่มีเต้าถุนมันคับไว้ค่ะเขาก็จะสูงแต่เนี้ยจะสูงเขาไม่สูงเพระาะอจารยเขานอนกลายเป็นขยายแบบ ใหญ่มากเลยพระอาจารย์แล้วยมจะทํายังไงอ่ะยมต้องปิดน่ะแล้วโยมก็เลยไม่กล้าทํำก็เปิดเข้าะว่าเพราะว่าถ้ารอดใต้ดินออกมาได้ไม่เห็เลยอ๋อได้ใช่ไหมคะอ่วันนี้ก็อยู่ใต้ดินไม่เห็นรใต้ดินเราเทปูนพระอาจารย์บ้านเจ้าของเก่าเ้าเทแตมว่ามันเป็นทุนเล็กๆล็ทหารราดชันหน่อยแล้วเขาก็เทปูนอ่าแล้วมันเข้าไปได้ยังไงล่ะถ้ามันไม่ถ้ามันเปิดช่องพระอาจารย์ไม่เปิดมันเปิดช่องเอาไว้อ่ะแล้วเขาคงน่าจะอยู่ใต้นั้นนานแล้วแล้วเราไม่เห็นก็ถ้ามันมีช่องมันก็ต้องเห็นทางเดินของมันเดย เราจะปิดช่องหมดเลยพระอาจารย์เราจะปิดช่องทั้งหมดเลยอะเจ้าค่ะใช่แต่มันต้องต้องรู้ว่ามันมันมีทางเข้าออกของมันหรือเปล่างานจะไม่เกี่ยวออกับช่องที่มันมันจะไม่ได้ใช้ช่องที่เราจะปิดก็ได้ใช่ไหมอ๋อมันอยู่ใต้ถุนแล้วอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเราปิดแล้วเราเราปล่อยไว้เลยมีได้ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าหรือเราต้องจุดทูบบอกเขาก่อนหรือว่ายังไงอะคะพระอาจารย์ก็เบื้องต้นต้องดูว่าเขาไม่ได้ใช้ทางออกทาง อ, อตรงทางที่เราปิดน ก็ดูมีมีทางทางทางของปลวกก็เปล่าแล้วปลวกมันเดิมมันต้องมีเป็นลอยเป็นลอยดินใช่ไหมค่ะอ๋องั้นเราก็ต้องให้ลูกน้องเข้าไปสังเกตอีกทีหนึ่งคือพอดีตอนเนี้ยเขาเขาปิดสองข้างไปแล้วก็เหลืออีกอีกข้างหนึ่งด้านหน้าพระอาจารย์นี้นนเราก็ต้องสมมติเข้าไปดูอีกทีหนึ่งก็ต้องดูว่าเขาเขาจะเข้าออกทางที่เราจะปิดหรือเปล่าทางก็ไม่ได้เข้าออกทางนั้นเราปิดไปก็ไม่ไม่เห็นเสียหายตรงไหนแสดงว่าเขามีทางเข้าออ ข, อของเขา พนีวกนี้มันอยู่ในดินได้เนี่ยมันอยู่ใต้ดินกันหน้าเลยอ๋อค่ะพระอาจารย์เขาอาจจะมีช่องปูนอาจจะปิดไม่สนิทอะไรเงี้ยไหมคะแล้วสมมุติถ้าแคสที่เขามีตัวพระอาจารย์แล้วก็ปิดใบเขาปิดหน้าใบเว่านั้นเขาตัวเขาเขาอยู่ในดินใต้ดินกันเขาไม่ได้เดินบนดินกันเลยบวกนี้มันจะเดินบนนามันจะทําดินเป็นเป็นอุโมงดินไปไม่ได้เดินแบบ แบบแบบแบบมอดอย่างนี้มันคนละอย่างมันใช่ไหมเห็นเปลือกไหมแล้วเปลือกขึ้นบ้านมันจะไม่ไม่ลอยทางดินของมันไปมันทําทางของมันไปใช่ค่ะโอเคอย่างนั้นเราก็แล้วสมมติถ้ามันมีเราก็ปล่อยเราไม่ต้องไปให้เขาแซะดินออกหรือว่าลาดเชลได้ใช่ไหมเพราะวันบาปป่ะพระอาจารย์หนิงก็ไม่จะทํายังไงเลยพระอาจารย์บังเอิญเรารู้ถ้าเราไม่รู้ก็ไปอย่างพระอาจารย์รูปน้องเดินทโทรมาบอกก็เครียดเลยค่ะ ก็ลองคุยกับคนที่ก็รู้เรื่องปวกดูว่าปลวกมันขึ้นมายังไงมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมได้เจ้าค่ะพระอาจารย์งนั้นเราก็ช่างมันแล้วก็ปิดถ้าเราปิดแล้วก็เขาก็มีทางไปของเขาเราเราไม่ต้องไปเอาดินออกหรือแซดดินออกดีกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ก็ปิดไปไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาเราไม่รู้หนะคุณเราเนื้อเหนียวเราใช่ใช่พระอาจารย์เรายอมเครียดจังเลยเพราะจังเพราะชุววันนี้บ้านโยมก็ไม่ขี่ปลวกยอก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วเวลาจะ ทุกวันนี้บ้านที่อยู่ที่ปัจจุบันก็ไม่ฉีดปลวกเลยนะพอาจารย์มดก็เต็มบ้านก็ไม่ได้ทำอะไรกับก็ไปคุยกับคนที่เขาเลูกน้องปลวกดูสิไปถามอาจารย์ที่เขาขอบาขอกให้ลาเชียวได้อาจารย์ เ, ยเขาออก็ใต้ลาเชียวได้นนงงเดี๋ยวก็กเา่า ตรงตรงนั้นน่ะตรงที่เขาเทปูนมันมีร่องของดินไหมถ้ามีร่องของดินก็ปล่อยมันไปแล้วก็ปิดปิดล้อมได้นะพระอาจารย์เนาะให้เขามุด묻ขับดูอีกเรื่องหนึ่งโอเคพระอาจารย์โอเคเจ้าค่ะพระอจาอีกเรื่องนึงค่ะพรุ่งนี้วันออกพรรษาแล้วก็คือโยมะทานมังสะแล้วก็ทานข้าวถึงแค่เที่ยงถึงบ่ายโมงตลอดตลอดเข้าวพรรษาแล้วนี้พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งคือโยมได้ทานอีกวันหนึ่งไหมคะหรือพรุ่งนี้โยมทานได้ปกติแล้วเจ้าคะ พรุ s s ่ง okay. น so, ี oh, okay. like so, you know, Once, mm ้ย hmm. so so ังไม่ได้ออกพรรษาอ๋อพรุ่งนี้ไม่ออกแล้วค่ะวันสุดท้ายของพรรษาพรุ่งนี้อ๋อโอเคเจ้าค่ะแล้วพี่โยมก็ถือศีลอีกวันหนึ่งเจ้าค่ะต้องนั่หนึ่งต้องนั่หนึ่งค่ำวันมาเลยวันที่สิบแปดถึงจะเป็นวันออกพรรษาเจ้าค่ะพรุงนี้เขาเรียกว่าวันปวานาอ๋อเจ้าค่ะเป็นวันสิ้นพรรษาวันสุดท้ายของพรรษาเจ้าค่ะพระอาจารย์ปีนี้โยมทําครบเจ้าค่ะแล้วใหม่ๆก็ทรมานมากพราะฉะนั้นเพราะว่าเราจัดอาหารให้เพื่อนเพื่อนมาแล้วก็อยู่ร่วมโต๊ะกับเขางานบันเกิด โอ้โหส้มตำลาบน้ำตกโอ้โหพระอาจารย<ม>์ยกเห็นพิเทำไมไ ม, ำไม่ทำต่อแล้ ว, ลวยกเว้นเนเืน้วั น, ว, นวันพิเศษถ้ามีเพื่อนฟุงมาก็ยกเว้นไปไม่พระอาจารย์ยไปตรวจร่างกายแล้วปรากฏว่าขาดโปรตีนเจ้าค่ะอ๋อใช่แล้วยมก็เลยเอาอยัางไงดีนะก็ก็ก็เข้าพรรษาสามเดือนก็ทันมังสะติดต่อสามเดือนแล้วก็เดี๋ยวพอออกพรรษาแล้วก็ทันเนื้อปลาก็ได้เจ้าค่ะ ให้มัน ม, มีโปรตีนเข้าไปร่างกายให้มันให้มันดูดีหน่อยเจ้าค่ะเอาของที่ตายาแล้วก็กันนะเวลาไปซื้อของมาก็มีอของเป็นใช่ค่ะก็เวลาแฟนเขาจะสั่งปูเงี้ยโยมจะแอบไปเจ้าของข้างหลังเจ้าของร้านบอกเจ้าของร้านอย่าเอาปูเป็นนะคะขอเป็นปูตายอย่างเงี้ยเจา้าค่ะโยมก็จะแอบเดินไปข้างหลังเพราะว่าไม่อยากให้เขาทานปูเป็นแล้วพอแล้วบังเอิญ น, นะคะแล้วแบบเหมือนก็ว่าเวลาเวลามาแล้วแบบเหมือนแฟนก็ถามทาไมปูมันรสชาติไม่ดีเจ้าของร้าน ก็พ <quent> okay. ี่เขาสั่งเอาปูตายนี่ค่ะแฟนหันมามองน้าโยมแล้วก็เฉยๆโยมก็ยิ้มๆเขาก็บ่นว่าใครก็กินปูตายโยมก็ถูกเอ็ดโยมก็เฉยๆโยมก็โอเคเจ้าค่ะโยมจะแอบอย่างนี้ไปประจําเลยนะคะแต่แฟนเขาก็โยมก็ยอมไปเจ้าค่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะงั้นโยมก็ปฏิบัติต่อค่ะงั้นโยมเพิ่มอีกหนึ่งวันเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์โยมปฏิบัติอยู่นะเจ้าค่ะ ใช่ครับาขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งไรเจ้าค่ะค่ะคุณหมอภาสนาต่อถัดมาพระอาจารย์ครับมีปัญหาเรื่องกินไหมคุณหมอโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะพระอาจารย์ตอนแรกอ่ะที่พระอาจารย์บอกคิดว่าน่าจะมีเพราะตัวเองกินห้ามื้อหกมื้อแต่ทั้งแต่ปฏิบัติมาไม่มีปัญหาเลยพระอาจารย์เรื่องกินเลี้ยงเรื่องอะไรแล้วก็กินเบอร์เดียวกันมาตลอดเลยค่ะตั้งแต่ทำกินอะไร ก, ไกินอะรกินได้นะไม่จูจีจรจริงอ่ะ แต่เวลาไปก็กินอยู่ในชามกะละมังกับผ้าจานก็ทุกผื่วันนี้ก็ว่ากินได้เพราะว่าที่มันกินได้อย่างนี้เพราะว่าตอนนั้นที่เกลียนพระอาจารย์เอาแบบว่าเอาของที่ชอบค่ะผ้าจารนทั่วขนมหวานใส่แกงเขียวหวานใส่เขากินในครั้นั้นทีเดียวแบบแย่เลยรู้สึกว่าไม่ติดรสชาติเลยนะ่กินเข้ามาอยู่เรากินเพื่ออยู่ไม่อยู่เพื่อกินแต่จริงๆเป็นเพราะว่าพระอาจารย์ให้กาลังใจอ่ะมันแบบทําไปแล้วก็พระอาจารย์ให้ทํา เพิ่มขึ้นอาทิตย์หนึ่งวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสองวันจนกระทั่งสุดท้ายพอมันทําครบปุ๊บมันก็คืองงมากเลยนะพระอาจารย์ว่ามันทํำได้ยังไงไม่รู้แล้วมันก็ไม่รู้สึกว่าหิวเลยะคะ่ะอยู่ได้<ม>สบายมากแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นเลยคะ่ะแรงเยอะเลยมากเลยคะ่ะเนี่ยเหมือนที่คราวที่แล้วที่ไปพระอาจารย์เห็นไหมคะไม่ง่วงนะพระอาจารย์<ม>ทําในสัญชิก<ม> <laughs> แข็งแรงกะเดี๋ยววันนี้ก็ในสัญชิก ต, ต่อแล้วพรุ่งนี้ก็ไปหาพระอาจารย์เหมือนเดิมเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวัน วันท้ายใหญ่ใช่เป็นวันเต็มดวงใช่ค่ะก็ลูกสาวอะก็เริ่มแบบทําบุญพอได้เงินเดือนมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกเขานะเขาทำเองเขาก็ทําทบุญกับพระอาจารย์เนี่ยเขาก็แบบโอนมาแล้วทําบุญพระอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าเกิดกลับมากลับมาบ้านไม่ไม่ไม่ดึก ม, ม, ม, มากเกินไปเขาจะมาด้วยก็คือรู้สึกดีใจที่ลูกสาวเขาก็แบบเออใช้ไม้เขาก็ทําางานแบบว่ารักษาสัตว์แต่พระอาจารย์เขาไม่ทํางานที่มันได้เงินเยอะกว่านั้นหมายถึงว่า บางงานมันได้เงินเยอะกว่าแต่ว่ามันต้องมันต้องไม่ได้รักษาสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทแบบที่พ่อทราบรักษาสัตว์ดีองรักษาโอเคครับทอกผู้ชมขอบพระคุณท่าคุณต้ากับคุณคุณแนทนะนัะกงานนักงานครับ น, กนีก็เข้ามาฟังทำครับแล้วก็ร่วมร่วมฟัง่างทางทุกท่านครับ ยังไม่กลับบ้านเลยยังทำงานกลับแล้วครับอันนี้นได้กลับบ้านแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะยังปฏิบัติช่วงนี้ไม่ค่อยถึงไหนเลยค่ะพระอาจารย์ชีวิต<พ>อยู่กับการทํางานปฏิบัติน้อยไงปฏิบัติน้อยแต่ว่ามีมีธรรมะพระอาจารย์นํานําทางคะ่ะอย่างเช่นยอมหยุดเย็นอย่างเงี้ยค่ะช่วยในการดํารงชีวิตได้ดีในเพศคาววะก็พอพอจะอยู่ได้ถ้ามีธรรมะ แต่ถ้าอยากจะให้เจริญเก้าหน้ามันก็ต้องอยู่อยู่แบบแบบนอกบุครถ้าอยากจะได้ทำขั้นสูงนะต้องแ บ, บ่งเวลาเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีไปจองเขาชีโอนค่ะพระอาจารย์พอดีตาเขาไปต่างประเทศก็เลยถือโอกาสช่วงนั้นไปภาวนาค่ะพระอาจารย์ครับค่ะ เดี๋ยวจะพยายามช่วงนี้ก็จะพยายามเดี๋ยวแบ่งเวลาให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าไปมันไปไม่ได้ไม่ได้เยอะค่ะประมาณสองคืนสามวันก็ทํำท่างที่เราทําได้ไปก่อนเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นไปเองต่อไปค่ะพระอาจารย์ค่ะก็นยะทางระยะทางจะยาวขนาดไหนก็ต้องเริ่มต้นที่เก้าที่หนึ่งครับเก้าที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็มีเก้าที่สองเก้าที่สามตามไปเรื่อยๆแต่จะไม่หยุดค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่หยุดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางไม่ใช้ก็แล้ว ค่ะอาจารย์ค่ะขอให้อาจารย์ทัดหันแข่มานะคะขอบพระคุณอาจารย์มากคุณสุภัทราได้ที่อยู่เท็กซัสใช่ไหมวัเท็กซัสาพารอาจารย์เจ้าค่ะได้แล้วเจ้าค่ะกลาวขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วขอบคุณคุณหลาด้วยที่ส่งมานะคะได้แล้วแล้วลูกก็บอกคุณแดนเนียบไปแล้วค่ะเจ้าค่ะแล้วเขาก็บอกว่าฝากขอบพระคุณแล้วก็เขาจะไป วันนี้หรือพรุ่งนี้เลย <c oughs> ไปดูอ้าพรุงนี้ท่านเป็นสัญชาติอเมริกันท่านไปอยู่อเมริกานานานเน้นท่านพูดภาษาอังกฤษเปอนดีกว่าเราเลยคิดว่าดีกว่าเราได้ซ้ำเลยเพราะท่าน อ, อยู่ที่นั่นนานกว่ า, วาเขาบอกว่าคุณแดนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเช็คดูในกู o ก l e เขาบอกเหมือนเป็นบ้า น, นจึเลยอยาไม่ม ยังไม่มีโอกาสคุยกับเขานะคะอืก็วัดที่เมืองไทยส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านนะฮะเริ่มต้นเป็นบ้านไปก่อนบางครั้งจะมีทรัพย์มากขึ้นอัจจะไปซื้อที่รับปลูกเป็นเป็นวัดต่อไปแล้วค่ะแล้วค่ะเขาก็บอกเขาจะไปทันทีเลยไม่ไม่ไปเย็นนี้ไม่ไปวันนี้ก็พรุ่งนี้แน่นอนเขาบอกนะคะลูกก็ดีใจกับเขาด้วยเพราะเขาก็เขาก็อยากอยากได้ คนที่พูดภาษาอังกฤท้าที่พูดภาษาอังกฤษสอนเขาได้เจ้าค่ะเรารู้สึกสนใจมากๆเจ้าค่ะเจ้าจค่ะอาจารย์นะคะลูกมีคำถามคือถ้าหนังสือเจ้าค่ะถ้าไม่ทราบ ว, ว่าถ้าลูกไปเอาเนี่ยยังอยู่ที่ที่บนเขาอยู่ไหมเจ้าค่ะหนังนนสือภาษาอังกฤและภาษาไทยเอ่อทั้งสองเวอร์ชันเจ้าค่ะคือต้องมาที่ ที่ที่เราแสดงธรรมที่กุฏิเราวันที่มีการแสดงธรรมเขาจะมีห้องเก็บหนังสืออยู่ว่ากุฏิแล้วสามารถบอกเขาบอกทีมงานได้ว่าต้องการหนังสือมีทั้งภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาไทยเช่นพรุ่งนี้พรุ่งนี้สมมุตินะอันนี้พุ่นี้วันวันที่มีเทศสบ่ายสองโมงนะี้ก็ไปไปรับหนังสือจากที่ ท, ที่ที่นั่นได้อีกที่หนึ่งก็ถ้าที่นั่นมีแต่อยู่ที่ศาลาก็มีอยู่บ้าง ต้องไปถามพระที่อยู่ในสาราว่วาหนังสือภาษาอังกฤษอยูยอ่ตงไหนหนังสือภาษาไท ย, ยอยู่งไหนมันมันแยกกันไหมคนละที่กันเพรลูกเคยขึ้นไปที่บนเขาอ่าเจ้าค่ะตอนไปนั้นไปฟังพระอาจารย์ตอนบนเขาตอนนู้นแล้วก็รู้สึกเหมือนมีที่เก็บหนังสือเอาไว้ได้ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ต อ, อตอนนี้ไม่น่าจะเขเมีเก็บไว้ไว้อีกหรือเปล่าเพราะตั้งแต่เราย้ายเราแล้วหนังสือข้างบ น, นอาจจะไม่ได้เก็บไว้ก็ได้เจ้าค่ะงั้น ก็คือถ้าถ้าไปก็คือจะต้องเป็นวันที่พระอาจารย์กรุงเทพใช่ไหมก็ค่ะหรือถ้าเป็นวันอื่นวันอื่นต้องรอมาที่ศาลาตอนเช้าตอนที่พระท่านฉันเก้าโมงประมาณนั้นไปถามพระได้ที่ศาลาฉันทุกวันบางวันเราก็อยู่บางวันเราก็ไม่อยู่ถ้าเป็นวันธรรมดาเราจะอยู่ที่ศาลาฉันตอนเช้าเก้าโมงแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์เราจะไม่ได้อยู่ที่ศาลาต้องต้องต้องรอมาตอนบ่าย ที่กุฏิตอนบ่ายสองโมงแทง้าคุณเนก็ได้คุณเเข้าไปเป็นประจำพ้อรู้ในคุณเห็นอยู่ข้างเนี่ยคุณเห็นเจ้าค่ะงั้นจะเป็นข้อมูลไว้เจ้าค่ะผลลูกจะไปได้แล้วหนังสือแล้วค่ะทั้งสองแบบเลยทั้งสองภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเจ้าค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเดือนธันวาลูกก็ ต้องกลับไปอเมริกาแล้วก็เดี๋ยวจะได้เอาติดหนังสือไปฝากเขาด้วยแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นปีหน้าลูกก็แผนว่าลูกจะมาอยู่ที่เมืองไทยนานนานขึ้นเจ้าค่ะอีกส่วนหนึ่งที่อยาก จ, จะได้ก็ติดตาคุณหาก็ได้คุณหาแกก็มีพมีหนังสือธรรมะอยู่เยอะเหมือนกันถ้านงานนัภาษาไทยนุลองทานคุณหาดูก็แล้วเจ้าค่ะแล้วค่ะเท่าแต่ว่าลูกไม่ทราบชื่อเจ้าค่ะลูกลูกไม่ทราบชื่อหนังสือก็เลย เอย mm hmm. ไม่แน่ใจจะถามคุณหลายยังไงเจ้ า, าค่ะก็เลยอยากายไป ด, ดู<ท>ด้วยอยากอยากจะดูด้วยนะะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะจับขอบพระคุณเจ้าค okay. ่ะอคุณหน้นจัคุณเน้นจับเปนพิธการค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามไม่มีคําถามเจ้าค่ะ รู้เยอนะอนี้ตั้งแต่ศึกษาธรรมะรู้เสร็จความรู้มันค่อยๆแผ่ขยายไปเรื่อยๆนะไม่กล้าพูดถึงขนาดนั้นเจ้าค่ะก็แต่ว่ารู้เยอะขึ้นมากเจ้าค่ะต้องใช้ว่าจัดแตกจากแต่ก่อนแต่ถ้าถามว่ามากแค่ไหนโยมก็คิดว่าสําหรับตัวเองอถือว่ามากมากสําหรับตัวเองแต่คนอื่นนี่โยมไม่แน่ใจเพราะเขาอาจจะรู้มากกว่าโยมเยอะแต่ว่าเมื่อเช้าก็ได้คุยกับอ่า เพื่อนบ้านเจ้าค่ะเขาเป็นคนเคยเอาหนังสือของพุทธวจนะมาให้โยมนะแต่โยมอ่ะพอดีว่าโยมเอไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรนะยังไม่ค่อยเอาเป็นว่าโยมโยมตอนแรกโยมไม่ได้สนใจตรงนี้เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องที่พุทธวจพุทธวจนะนะคะแต่โยมก็ไม่ปฏิเสธนะเขาอุตส่าห์หนังสือมาให้โยมโยมก็อ่านนะ เ, เรื่องปฏิจจสมุปบาทแต่โยมไม่เข้าใจพระคุณเจ้าแต่โยมมาเข้าใจพระอาจารย์่ะพระอาจารย์สุ ช, ชาติได้แหละ อธิบายแล้วแบบอตอนแรกก็ไม่เข้าใจแต่พอฟังพระอาจารย์ไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเข้าใจเองโดยที่แบบว่าบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ ไ, ไ, ดไปท่องอะไรมากมายแต่ว่าฟังธรรมของพระอาจารย์ไปเรื่อยๆอพระอาจารย์จะพูดสอนตลอดอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันจะเข้าใจวงจรของมันไปเองอย่างเงี้ยค่ะก mm. ็ะเมื่อเช้าเจอเขาก็เลยก็ดีก็ก็ทักทายบอกว่าอ๋อสรุปแล้วขอบคุณที่เอาหนังสือมาให้นะเข้าใจแล้วปฏิจจสมุปบาท ก็เลยคุยกับเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะเพียงแต่ว่าเราอาจจะเข้าใจในมุมของเราโดยที่ไม่ใช่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในที่สุดก็เข้าใจเหมือนกันเขาก็ดีใจด้วยแล้วก็แบบโอเคเราก็ไม่ได้ไปต่อต้านเขาอะไรอย่างเงี้ยพอดีเรื่องนี้ก็เป็นธรรมะของพระเจ้าก็ก็ก็รู้สึกว่าทําให้โยมเข้าใจตรงตรงเรื่องที่แบบมันมันยากนะคะเรื่องเนี้โยมว่ายากจริงๆแต่ว่าในที่สุดก็เข้าใจไม่ยากเกินไปโยมต้องกาบขอบคุณพระอาจารย์มากๆจ้ะค่ะ วันนี้ไม่มีคำถามไม่มีค่ะโอเคอางา น, นตัดสิก่อนนะตกค่ะอ่ที่เชียงรายคุณเอกา ก, เาา ก, การร้องมรดกอาจารย์ครับวันนี้เข้ามารับฟังครับอาจารย์ครับโอเคงั้นก็นไปต่อเลยนะครับผมสาธุครับคนเยอะวันนี้นนคนทีสสาที่เอาเอ น้องกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้ก็ลูกก็ไม่มีคําถามค่ะมาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์ก็มีความสงบรักษาความสงบไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็ยังเนาะปฏิบัติอยู่ค่ะตอนนี้ก็ตอนเช้าสันติสุขนความสงบความสุข ค, ความสบสุขค่ะก็พยายามปฏิบัติให้มากที่สุดค่ะอาจารย์เวลาน้อนลงไปเรื่อยๆนะ นอกที่เรว่าเราเป็นเหมือนต้นเทียนนะพอเริ่มจุดแล้วมันก็จะค่อยๆกินไฟมันก็จะกินต้นเทนไปทีละน้อยๆค่ะฮะจาง<ม>ไม่มีไม่มีถอยค่ ะ, ะ, คะเพราะว่าค่ะเพราะว่าเวลาอืมค่ะมีเวลาว่างเมื่อไหร่ไม่ว่ามาทําปฏิบัติทําให้มากที่สุดเนี่ยค่ะเพราะว่าประสบการณ์ลูกเวลาทิ้งมันแล้วถอยกลับไป แลวเวลากลับมามันใช้เวลาเยอะมากๆกว่ากว่าที่จะเริ่มอะค่ะอาจารย์อรักษาไว้นั่นดีกว่าถ้าปล่อยแล้วเดี๋ยวมันต้องไล่กลับมาอีกค่ะมันมันเสื่อมถอยไปมากๆเลยค่ะอาจารย์ต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่นี่คือเหมือนกับนับศูนย์เลยค่ะติดลบด้วยค่ะอาจารย์กิเลสมันแรงค่ะอาจารย์ทีมันก็เดินออกไปได้นะก็ตั้งที่รู้ อ, อยู่ ง่ายเลยค่ะดึงดึงดึงอย่างง่ายเลยค่ะกีเลสนี้มันคอยแบบเสียบเลยค่ะพระอาจารย์กว่าเวลาที่เราปฏิบัตินี่กว่าจะนับหนึ่งกว่าจะนับสองกว่าจะนับสามนี่มันใช้เวลายากมากค่ะพระอาจารย์แต่เวลาถอยนี่แบบลบหนึ่งลบสองลบสามนี่แบบไปจางเลยเร็วอย่างเร็วเลยค่ะเหมือนเดินเหมือนเดินลงเขาเดิขึ้นเขาต่างนั้นนะใช่ใช่ค่ะมองเห็ภาพเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ ค่ะขอให้พระอาจารย์รักษาธาตุขันนะคะอ่าสาธุคุณปุ้ยนักสำรวจปุ้ยเจ็ดครึ่งคุณต้องเรียกคุณปุ้ยเจ็ดครึ่งถามนวัสการกับพระอาจารย์เจ็ดจุดจ็จุดห้าุณปุ้ยยังปฏิบัติทําเหมือนเดิมคะ่ะเจ็ดครึ่งจริงๆ <c oughs> พระอาจารย์นอน <c oughs> ตอนตอนกลางวัน แต่แ<ม> <laughs> จริงๆพระอาจารย์ตอนนึงคืนอ่ะแล้ยมจริงๆพระอาจารย์แล้วโยมก็เออคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโยมปฏิบัติได้เยอะอยู่เพราะว่าเอ ม, มันจะมีวันหยุดและพอดีว่าวัดที่หลวงปู่มั่นท่านไปประจำที่กรุงเทพอ่ะวัดประทุมวานารามอ่ะโยม เขาจะมีปฏิบัติธรรมทุกๆวันเสาร์อะแล้วยมก็ไปไปปฏิบัติธรรมเขาเรียกอะไรนะั้นเนสันชิกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโยมก็ปฏิบัติตามตามเขาอะ่ะตามพระอาจารย์ท่านนั้นน่ะเออเขาเขาจะแบบออกไลฟ์สดด้วยยมก็เลยนั่งนั่งยาวเลยแต่แบบมามีแค่วันเสารนะ์เนี่ยที่แบบยมเป็นอะไรก็ไม่รู้ยมนั่งนั่งไปถึงยังไม่ถึงสองชั่วโมงเลยเล็กแบบมันไม่ผ่านมันไม่ผ่านเอเขาเรียกว่าะนะ เออมันไม่ผ่านมันไม่ผ่นความปวดอ่ะพระอาจารย์ปกติโยมจะผ่านได้แต่มันมีวันนั้นที่โยมไม่ผ่านแต่ทีนี้โยมรู้สึกดีดีแล้วก็พอวันอาทิตย์โยมไปสูสารเหมือนกับโยมเจอผีพระอาจารย์ผีมันตามโยมอ่ะเพราะโยมปวดหัวโยมปวดหัวผีมันตามโยมทีนี้โยมนึกขึ้นมาได้ว่าพระอาจารย์บอกกับตอนว่าถ้าผีตามให้ชู้กับผีโยมก็เลยนั่งสมาธิเลย เรียกหลวงกูบมั่นน่ะกลับมาบ้านยมนั่งสมาธิเลยยมปวดหัวยมไม่ได้กินยานะยมนั่งสมาธิอ่ะแล้วโยมก็ฟังเทศอ่าสิบสามกันฟังแบบวันเดียวรวดเลยเพราะว่าโยมอยากจะเจอพระสีอานไงยมก็มั่งแบบรวดเดียวเลยนั่งสมาธิแล้วก็ฟังโยมเห็นพระอาจารย์อ่ะมันเรียกโยมตอนวันเสาร์อ่ะยมได้ยินเสียงพระอาจารย์มาเรียกโยมให้ ให้ให้ไปฟังคุณหมออโยมก็เลยเปิดกําลังจะนั่งสมาธิอะโยมก็อุย้ยพระอาจารย์มาโยมก็เลยไปฟังอาจอาจจะเป็นจิตจิตบูงแต่งพระอาจารย์ก็แต่มันจะเป็นยังไงก็ให้รู้ตว่ามันเป็นจริงมันไม่จริงก็แล้วกันสําคัญที่ว่ามันจริงมันไม่จริ ง, ม, รงมันจะมาจากที่ไหนไม่สําคัญแต่ถามว่าโยมกลัวไหมไอ้เรื่องผีเนี่ยเมื่อก่อนโยมกลัวนะ แต่เดี๋ยวนิยมไม่กลัวเพราะว่าโยมเป็นคนที่ชอบชอบท้า ท, า, ทายอะ่ะเหมือนกับนยมสังเกตหลายหนแล้วเวลานยมเดินเข้าไปไอ้สุสานอย่างเงี้ยทำไมนยมปวดหัวจังนยมออกมาแล้วนยมปวดหัวทั้งทั้งที่ตอนเข้าไปมันก็ยังดีๆอยู่ในนี้อถ้าครั้งหน้านยมไปเดี๋ยวนยมจะเอาบทสดมนี่ไปเปิดให้ฟังเลยเพราะว่า โยมเริ่มจะลาคัญมันแล้วมันมันมันอววารวาสโยมโยมก็เลยคิดวางแผนเอาไว้ว่าถ้าเราต้องไปจริงๆเพราะเราต้องเดินตามแบบเพณีแล้วเราต้องเคารพเขาด้วยเร า, เ, าเราก็เลยว่าทําอย่างงี้ดีไหมพระอาจารย์เราเอาบทสวดมนต์เนี่ยเปิดให้เขาฟังเลยแล้วก็เราปวดน้ําตรงนั้นเลยเขาจะได้ไม่ต้องตามเราก็ลองทําดูเดียวลองทําดูว่าจะได้ผลหรือเปล่า คือยอมคิดเองไงเป็นการกําจัดเนี่ยลบ้อ่เราถามว่ากลัวไหมกลัวมันกลัวยี่สิบเปอร์เซ็นแต่ว่าเอเราเราเราต้องป้องกันแบบเหมือนกับมันมันเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกับอะไรมาเกาะหัวเกาะคือทําให้เราปวดหัวอืแล้ว้องพิสูจน์ดูทําไปดูเลยไม่ไม่เสียไายทำไหมใช่ยอมจะลองลองพิสูจน์ถ้าถ้าถ้าเป็นรังแล้วก็บอกหวานไปมันจะมามันจะเป็นยังไงเนื่องของมันทําใจให้สงบดีกว่า ส่วนใหญ่มัเกิดจากความให้สงบของใจเรา อ, อ๋อค่ะหิุดบุงแต่งอ่พหัวใจสงบเนาะของพวกนี้มันก็จะหายไปอ๋อค่ะค่ะโอเคมีอะไรไหมค่ะโ ย, ย, ยมไม่มีอะไรโยมก็ถือศีลไปเรื่อยๆโยมดีใจเพราะว่าโยมนะเอ่อถือศีลมาครบเลยแล้วก็โยมก็เอ่อเป็นคนที่ดีที่สุดคือไม่กินเย็นเลยและสองปีแล้วพระอาจารย์โยมไม่กินมื้อเย็นเลย เ <Yeah. S 2> นะี่ยแล้วยมก็ทำต่อไปเรื่อยๆยมไม่หยุด <Yeah. S 2> นะยมทันเจด้วยค่ะโอเคนะน้อม <Yeah. S 2> ถวายบุญกับพระอาจารย์เจ้าค่ะให้ yeah. ยจยมไปชอดกระถินมาด้วยอ่อให้พระอาจารย์ธาตุขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะ yeah. วันนี้หวยออกด้วยนะอ๋ อ, อ, อยมเพิ่งจะเสียหวยอ <laughs> <Okay. S 2> ดีตฝันเห็นพระอาจารย์พุเล่นบุเล่น เป <laughs> <ท>่าว <S <s <at> ่านู้ลเล่นเหมือนกันกนะพระอาจารย์ขอบคุณเจ้าค่ะคุณุซลินทร์ทองเจนคุณเซรินทร์แมริแลนด์หายไปเหมือนกันเนี่ยนะอาทิตย์แล้วนวิชาการก่าพระอาจารย์เจ้าค่ะดูเข้ามาเติมพลังอะพระอาจารย์ก็ช่วงที่หายไปก็ทํางานเยอะมากค่ะแล้วก็ไป อ่เหมือนกับไปเจอคนที่เราต้องร่วมงานด้วยที่เขาเหมือนไม่ค่อยอยากจะทำงานนะคะแล้วก็ทำให้เราต้องทำงานแทนเขาอย่างเงี้ยค่ะคือคือทำให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นแต่ว่าทำให้ชีวิตเรายากขึ้นเพื่อให้งานสำเร็จแล้วมันก็เหนื่อยอ่ะเป็นไปได้ <laughs> เลยเขาเขาไม่ทำงาน มันเหมือนกับว่าเขาเขาก็อ้างไปเรื่อยอ่ะค่ะว่าเออเนี่ย<ม>เขาป่วยบ้างฉะนั้นเนี่ยถ้าความผิดพลาด ท, ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ระหว่างที่เขาป่วยไปหาหมอคืออาทิตย์หนึ่งเขาจะต้องไปหาหมอเป็นตารางของเขาเนี่ยค่ะ<ม>แล้วถ้าเกิดความผิดพลาดใดๆที่เกิดขึ้นในช่วงเราระยะเว่างนั้น<ม>เขา<ม>ก็จะไม่รอค่ะ<า>แลใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะเขาควรจะทําให้มันดีกว่าเนี้ยค่ะแล้วหนูเหมือนกับหนูก็ไปบอกเขาบอกว่าช่วยทํางานให้ดีกว่านี้ <laughs> เขาก็เลยโกดหนู mm. ก็เลยเขียนไปรีพอร์ตเจ้านายหนูว่าหนูอไปกดดันเขา mm. หนูก็บอกหนูก็บอกเจ้านายว่าหนูแค่พูดว่าให้ทํางา น, นที่มันดีกว่านี้มันผิดตรงไหนแล้วก็มันทําไม่ดีจริงๆอ่ะ mm. ก็เลยกลายเป็นว่าหนูต้องเปลี่ยนตารางงานตัวเองเพื่อให้ชีวิตเขาง่ายขึ้นอะคะ่ะหนูก็มันก็ลําบากใจแต่ก็พอฟังที่เมื่อกี้พระอาจารย์พูดกับคุณหมอพิเศษแล้วก็เราก็พยายามสงบพยายาม ปอ ย, อย่าไปคิด ม, มากมันก็มีแค่นี้แหละแต่ใดที่เราอยู่ในทางโลกเราก็จะต้องเจออะไรแบบนี้ไม่ไม่หยุดหยอดอย่างเงี้ยค่ะ <holes. S 2> อะก็พยายามทำใจอ่ะค่ะอาจารย์ออแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาลูกสาวหนูก็ไปไปเอาแมวไปเก็บแมวมาเลี้ยงอะค่ะพระอาจารย์แล้วปรากฏว่าแมวมันป่วยตอนนี้มันป่วยสองตัวก็ต้องแยกกันนอนแล้วตัวหนึ่งก็เลยต้องมาอยู่กับกับหนูแล้วตัวหนึ่งก็ไปอยู่กับลูกอย่าเงี่ยค่ะ แล้วมันเป็นตัวเด็กๆ เ, เลยอะคะ่ะมันก็จะมันก็จะซนมากค่ะหนูก็เลยไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วค่ะพอาจารย์ก็ดูแลเขาไปอ่ะคะ่ะจนกว่าจนกว่าเขาจะโตเต็มที่แล้วค่อยค่อยว่าจะไปหาเชลเตอร์เอาเอาเขาไปให้คนอื่นดูแลแทนนะคะ mm hmm. แล้วก็ตอนนี้ก็ดูแลให้เขาโตก่อนนะคะอืม mm hmm. ประมาณนี้นะคะ่ะ อ, อ๋อแล้วพระอาจารย์หาหนูสมัครคอร์สปฏิบัติธรรมไปอะคะ่ะ แต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้รู้เลยว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่ายังอยู่ใน waiting list นะคะตอน <บา S 2> ช่วงนีไ้ไปไปไปไปที่ไหนนะอันนี้อันนี้เป็นของอา่าเป็นของโกองก้าค่ะพระอาจารย์หนูไม่เคยไปปฏิบัติของที่นี่มาก่อนแต่ก็ได้ทราบมาว่าเหมือนก็จะต้องปฏิบัติให้ผ่านพ้นเวทนาแต่เวทนามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญที่เราจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่เพราะว่า เราเราคนเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราจะได้ไม่ธรมานนะค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าหนูก็ไปปรึกษาพร ะ, ะที่วัดที่หนูไปปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์อะค่ะท่านก็บอกว่าอ๋อกเวงเก้เป็นแบบเป็นแบบเอ่อเป็นแบบเวทนานะถ้าหนูจะทําเป็นวิปัสนาเหมือนกับว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยเราก็ปฏิบัติแนวนี้อยู่แล้วเราก็ทําอย่างนี้ต่อไปอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูคิดว่าหนูน่าจะลองดูเพราะว่า ยังไงส่วนหนึ่งของการปฏิบัติก็คือจะต้องผลตรงนี้ให้ได้หนูก็เลยสมัครไปแต่ก็ที่ตั้งอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมที่ใช่ค่ะอาจารย์มีสาขาเยอะมากมเยอะมากเลยค่ะอาจารย์แต่เป็นเพราะว่าหนูเป็นผู้สมัครใหม่ก็เลยทำให้มันไม่มันไม่ได้มีถี่มากนะคะของผู้ปฏิผู้ปฏิบัติใหม่อะคะ่ะแล้วหนูก็รอรอเขาตอบรับอยู่ว่ามันเป็น waiting list ของเดือนประมาณปลายเดือนช่วงคริสต์มาสอะคะ่ะอยู่รอบเขาก็ลองไปดูดูอัญโยทูกจนิดกับเราก็ได้แต่เขาต้องสังกัดแม่คุยกันว่าเราก็ต้อง อ, อยู่สิบวันด้วยกันใช่ไหมใช่กับพระเจ้าหนูไม่มีปัญหาเรื่องไม่คุยนะคะไม่มีปัญหาเรื่องการอยู่คนเดียวแต่เหมือนกับวันที่เขาให้หนูไปนี่คือสิบสองวันนะคะวันแรกให้ไปลงทะเบียนแล้วก็วันสุดท้ายก็ออกแต่เช้าแต่คอสปฏิบัติจริงๆก็คือสิบวันกับว่าเขาไปสิบสองวันนะคะพระาจย์ หนูก็ตั้งใจว่าถ้าถ้าหนูได้ไปหนูหนูก็อยากไปอะคะ่ะอยากไปชัดทางานตัวเองเราเปฏิบัติตามกันมังไม่ไม่ได้ต้องเปนคนบังคับเราเราไปปฏิบัติกับเขค่ ะ, คะหนูก็พยายามทุกวันเสาร์ก็ไปปฏิบัติกับที่วัดไทยอะคะ่ะก็มันก็ได้แต่มันก็แค่สองชั่วโมงก็มีการเจริญสติก็พยายามแล้วก็กลับมาทำต่อแต่มันกลายเป็นว่าช่วงนี้งานมันมาก ก็ yeah, เลยท mm ําได้ดีเฉพาะช่วงเสาร์อาทิตย์วันธรรมดามันเหลือเวลาน้อยลงอย่างเงี้ยค่ะอก็จะปฏิบัติต่อไปค่ะพระอาจารย์ก็เขาเลยเข้ามาเติมพลังเติมพลังบวกค่ะพระอาจารย์อ่าดีต้องกับขอบคุณพระอาจารย์นะคะที่เป็นกําลังใจให้หนูมาตลอดขอบคุณมากมากสาธขอบคุณมากๆค่ะพระอาจารย์ขอบคุณโอพีเกน้ำเปล่าน้ำมันสกัดพระอาจารย์เจ้าค่ะมีอะไรไหม คร้งหนูก็ยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะอาจารย์ยังมีการฝึกนั่งนิ่งๆทุกวันพุธแต่ว่าวันนี้อาจจะยังไม่เต็มที่เท่าไหร่จ้าค่ะเพราะว่ามีงานเข้ามาอะไรอยงี้เจ้าค่ะก็เอาไปเจอกันวันอื่นต่อจ้าค่ะอาจารย์วันที่สะดวกอะรอย่างนี้เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะหนูจะรบวนสอบถามมาเจ้าค่ะคือจริงๆคิดว่าอย่างเวลาเดินจมกรมเนี่ยก็เป็นการออกกําลังกายใช่ไหมเจ้าค่ะและทีนี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวออกกัรสาเนี่ยจะออกไปข้างนอก ไปเดินไปไปเดี๋ออกกำลังกายข้าง น, นอกอะไรอย่างเงี้ยจะ้ะคะวันนี้จะโดนกิเลสพาให้ออก <laughs> ใช่ไหมจ้ะคือการปฏิบัติเนี้อต้องสมจับนลตาหูจมูกนิ้งกายไม่ไปสัมผัสรับรูกกบ้กับรลกรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่างถ้าจะเดินต้องไปเดินที่มันมันวิเวกมันสงบมันเงียบมันไม่มีอะไรให้มาล่อตาล่อใจเราเข้าใจไหมแต่ถ้าจําเป็นจะต้องไปก็นั่นก็อีกเรื่องหนึง แต่ถ้าเลือกได้ก็ต้องเลือกในที่ที่มันวิเวกที่มันห่างไกลจากซูบรูปสิ่งกินทอดต่างๆไม่ใช่ไปเดินจงกรมไปหาตามศูนย์การค้าไเดินจงกรมทางนั้นนะมันสู้กิเลสมันไหวหอเดี๋ยวกิเลสเสื้อผ้ารองท้าเราอยากได้ขึ้นมาวีมีเดินลลาะไปเหมือนกันรื่ย์เพราะปกติจะไม่ค่อยออกจากบ้านแต่บางทีก็มีความจะเป็นว่าต้องต้องไปห้างไปซื้อของอะไรอย่างนี้จ้ะค่ะ ไดก็ขอยอใช่ใู่ใช่ใชทใช่ใช่งช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใม่ใช่ใช่ใช่กช่ใ่าช่าช่ใแ่ใช่ใช่ออกไป่ใช่ใช่ใช่อช่ใช่ใช่ใช่จช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใม่ใช่ใช่ใช่อช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อช่ใช่ใช่ใช่ใม่ใช่ใมันช่ใช่ใช่เช่ใช่ใมันช่ใช่ดช่ใช่ใช่ใช่ใอ่ใ่มันใช่ใช่่ใชอใช่่ ก็จะบางทีเกี่ยวข้องกับงานด้วยสิ่งนีเจ้าค่ะบางทีอย่างนูลงของเนี่ยบางทีเราต้องเสิร์ชหาสินค้าใช่ไหมเจ้าค่ะพอไปเจอของเพื่อแล้วเราก็อยากไปซื้อของเพื่อนเราไม่มีสติไม่มีค่ะไม่มีไม่มีกฎระเบียบว่าจะใช้เพื่ออะไรพอเปิด <Okay. S 2> ปั้บมันมันก็เลยไปเลยค่ะหลอกไปที่อื่นเลพอเปิดเพื่อทางานก็ทํางานไปที ม, มันแต่ว่าแต่ว่าของที่ที่ซื้อก็คือว่าจะเอามาขายต่ออะไรนี้เจ้าค่ะพายจันอย่างนี้ก็แต่บางทีมั น, น, นก็เห็ น, ถ, หนถ้ามันเป็นยังไงกันแล้วไปถ้าเราทํางานงานของเราต้องซื้อซื้อของมาขายก็ซื้อไปเนั่นก็ไม่เป็นไรอ๋ออ่าแล้วอีกเรื่องหนึ่งจะาค่ะอายจันแล้วอย่างว่าอ่าอย่างพวกนี้วันวันออกพรรษาอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะก็คือตอนแรกรู้ที่ว่าจะไปทำบุญที่วัดดีไหมทําบุญทุนานแต่พอมานด้เห็นว่า ถ้าเราอยู่บ้านปฏิบัติรักษาศีลภาวนาได้แล้วก็อยู่ที่บ้านปฏิบัติที่บ้านดีกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ได้ที่ไหนก็ได้ที่ที่ไหนที่ที่ได้ผลดีที่สุดจะพูดง่ายๆนะถ้าได้ที่ถ้าที่วัดได้ผลดีกว่าที่บ้านก็ไปที่วัดแต่แต่ถ้าไปที่วัดไม่ได้ต้องอยู่ที่บ้านก็ทําที่บ้านก็ได้การปฏิบัติมันได้ทุกแห่งครับเพียงแต่ผลเปผลที่จะได้รับวมันอาจจะต่างกัน ได้มากได้น้อยต่างกันแล้วแต่สถานที่คือ <c oughs> อย่างอย่างว่าที่หนูไปก็คือหนูจะไปไปว่าไปทําบุญเหมือนทำบุญทําทานแล้วก็กลับอย่างงี้เจ้าค่ะไปจารไม่ได้ไปค้างอะไรอย่างงี้เจ้ค่ะแต่บางทีเนี่ยมันก็จะมีพอเราไปตาไปสัมผัสหูไปสัมผั ส, ส, ผสอะไรต่างๆมันจะมีเหมือนกับว่าอารมณ์ภายนอกค้างติดเข้ามาแล้วเวลาเราจะมามานั่งมาเจริญสติตัวมานั่งภาวณามันจะมีควาบกลัวอย่างงี้เจ้าค่ะไปจารบางทีมันละไม่ได้เลยทีเดียวอะไรอย่างงี้เจ้ค่ะ อก็<ด>อย่าไปอย่าไปให้อยู่ที่สงบถ้าอยู่ที่บ้านเราสงบเขาอยู่ที่บ้านไปก็ได้อยาค่ะอย่าออไปทั้งตัวเองมันขให้นั่งอยู่ก็ยี่สักหกชั่วโมงดนะูจะค่ะพระอาจารย์พระย า, ยาอยู่จะคะอาจารย์ก็ทุกพุธจริงๆเป็นวันที่หนูจะปฏิบัติเลเนี้่ค่ะแต่วันนี้ได้แค่สามชั่วโมงเพราะว่าจ ร, จริงๆก็จะเลื่อนไปเป็นวันอื่นแต่คือเหมือนกับว่าเอ้ยวันนี้อย่างน้อยไม่ได้ไม่ได้หกแล้วก็เอา ห้าไม่ได้ห้าเอสี่ไม่ได้สี่เอาสามไม่ได้สามเอาสองอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์ไม่ได้สองจริงๆก็เอาหนึ่งแต่ก็ได้ไปสามเจ้าคะ่ะกขข็อาจจะอยากลบลุกทุกขานอาจจะนิ่งบ้างไม่นิ่งบ้างแต่ก็เดี๋ยวเอาไปชดเชยวันที่สะดวกต่ออย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันต้องมันต้องมันต้องคำ เ, เหมืเจ้าค่ะพี่อาจารย์แต่วันนี้ไม่ได้งดทานข้าวเจ้าค่ะก็เลยทานข้าวไปก่อนเพราะคิดว่าตอนแรกเอ๊จะไม่ไม่ทันแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยจ้าแต่ก็พอพอชกไหวมีเวลาว่าก็เลยเอ๊ข้าทับดีกว่าอะอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ ว่าเวลาถุงสุดนั่นิ่งๆหรือจะเรียกว่าเข้าวันเข้าท่าเหมือนเดี๋ยจะถามพอาจาย์พอาจารย์แล้วก็อีกนิดหนึงจ้ะค่ะคือมันจะมีมันกิเดทมันจะยิบแยยิบแยบยิบแยอนีค่ะเรื่องเรื่องการการกินเนี่ยจ้ะค่ะอองวันสามวานี่วันเริฟวันยิบยิบแยบอย่งจ้ะค่ะพอาจารย์ขอกำลังใจจากพอาจารย์ช่วยค่ะมันอยากจะกินอะไรก็เอามาใส่ถุงชามเดียวกันแล้วคลุกมันนะให้มันกินแบบนั้นเดียวได้จ้ะค่ะพอาจารย์ทำเป็นอาหารจานเดียวเป็นอาหารจานเดียว ของหวานของขา้าวของเกม็มของผละงผละมุงผลไม้ใส่เข้าไปแล้วก็คลุก ม, มันเหมือนที่หมอพัสนาเขาทำมีมีมีทำเป็นบางครั้งบางหนึงหนูกันจะค่รอาจารย์แต่แฟนมางทีแฟนเ้านั่งกินข้าวด้วยเลยเจ้าคะ่ะแล้วก็มาช่วองหลังก็เลยแบบว่าเออภาพไปก่อนแต่ว่าอันไหนที่ใส่รวมในชามได้ลูกก็ใส่รวมเลยเจ้ค่ะ คือมันมีไว้ปรามปราบปาบความอยากกินอาหารไงถ้าอยากจะกินอาหารงก่กินแบบนี้แต่ถ้าไม่มีความอยากกินอาหารกินตามปกติเมื่อถึงเวลากินก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้คะก็ยังยังได้มือเดียวแต่บางทีก็มือเดียวยืดบ้างอะไรเยนี้ขนมก็งอมาหลายวันเลยจ้ะค่ะอาจารย์อก็ดีขึ้นเยอะจ้ะค่ะแต่เพียงแต่ว่าเกล็มันยิบยับปะ จะไปขอพระอาจารย์นี่ไว้ออกภาษาจะเอากับสองมื้ออะไรอย่างนี้จะขอพระอาจารย์ตั้อาทิตย์ละสามวันให้น้ําหนักมันขึ้นมาหน่อยวันก็เริ่มกลับมาแล้วเจ้าค่ะตรงนี้เอาเอา เ, อาเรื่องน้ําหนักตัวมาอ้างนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่ารูปน้ําหนักไม่ถึงสี่สิบจ้าค่ะตอนนี้แล้วก็เอ้ก็เป็นเป็นกิเลสอีกเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่ารูปข้ามื้อเดียวคือเยอะเต็มถังแต่อยู่ได้นี่เจ้าค่ะเก็ต้องดูที่สุขภาพของร่างกายถ้ามันกระทบแต่เน่ยกับสขภาพร่างกายเพราะขาดอาหารก็ต้องกินอามันมากขึ้น อันนี้ต้องใช้หลักเหตุผลไปนล้วค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวลูกก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูทีหนึ่งเจ้าค่ะอาจจะแค่บอกว่าเหมือนเมื่อก่อนอาทิตย์ละสามวันหรือว่าสี่วันผัดกันอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์คืดแต่สองมื้อแค่นั้นหลังเที่ยงลูกไม่ทานอยู่แล้วเจ้าค่ะแล้วก็งดงดปานะมาได้พักหนึ่งแล้วจ้ะค่ะคีอทาตามที่ท่านอาจารย์สอนแล้วเจ้าค่ะพยายามอย่าไปกินอะไรให้มันติดเลยนี้เจ้าค่ะเหมือาะลูกก็ตัดออกไปได้ตัดลูกเสียงกินลดอย่าไปติดลูปเสียงกินลดของเครื่องดื่มของอาหาร กินเพื่ออยู่อย่าไปอยู่เพื่อกินนะก็พยายามอยู่เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณมีอย่างสูงจ้าค่ะประทับพระอาจารย์ได้ขาดแข็งแรงเจ้ะค่ะอาจารยเจ้าอา<ส>ารสายทิพย์ขอนแก่นเนื้อสารคามตอนยาอยู่ขอนแก่นได้ไนนตอนนี้อยู่ขอนแก่นคะ่ะพระอาจารย์ขับรถกลับมาคะ่ะพรุ่งนี้เ <ไป S 2> ช้าไปเช้าเย็ยเนกลันะเออบางวันก็ไปเช้าเย็นกลับคะ่ะพระอาจารย์ อนาคตน่าจะเป็นเชาวเย็นกับหลายวันถ้าถ้าเปิดร้านค่ะใช้วเวลาขาลับรถไปกี่ชั่วโมงประมาณห้าสิบนาทีก็ถึงค่ะพระอาจารย์ไม่ไกลนะจากตัวจังหวัดถึงตัวจังหวัดเนอะหรือว่าใช่ค่ะเพราะว่าบ้านหนูอยู่อยู่ออกมาทางเข้าเมืองสรัรค่ะไอเ้เข้าเมืองขอนแก่นค่ะมันเราไม่ต้องเข้าในเมืองอก็เลยสบายในถนนถนนอ้อมเมืองใช่ค่ะอยู่ถนนอ้อมเมืองแล้วก็พอไปมหาลัยก็อยู่ ถึงก่อนที่จะเข้าเมืองค่ะพระอาจารย์ mm hmm. ก็เลยก็เลยเหมือนขับรถปั๊บเดียว mm hmm. ยังไม่ทันเหนื่อยอะไรเงี้ยค่ะห้าสิบนาทีแล้วก็บริหารเวลาได้ค่ะอันนี้เป็นถนนสี่เลนลน่เปล่าไปสองมาสองเปล่าสี่เลนอยู่ค่ะพระอาจารย์ถนนใหญ่ค่ะออยากนะ่ะค่าอยู่คนละฝั่งแล้วก็สองเลนสองเลนค่ะขับขับสบายค่ะถนน mm hmm. ดีขึ้นเยอะเลยค่ะก็ mm hmm. mm hmm. จ ร, จริงๆไม่มีคําถามค่ะพระอาจารย์ก็ปลงปล่อยสบายสบา ย, บายค่ะวันนี้วันนี้อยู่ๆก็เดินแล้วก็รู้สึกสงบแล้วก็ใจมันรู้สึกมีความสุขก็เลยโอ้ความสงบนี่มันดีเนาะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์วันนิ่งๆไม่ไม่อะไรแล้วมันก็เป็นสงบแล้วมันก็ใจมันก็หมนมีความสุ ข, ขค่ะพระอาจารย์ก็เลยน่นแหความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงก็อยู่ที่ความสงบนี่ รู้สึกชอบแล้ว เ, เออเราก็น่ารักษาใจแบบแบบนี้ดีนะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหมือนเห็นตรงนี้แล้วแล้วมันมีคุณค่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยพยายามรักษาใจก็ไม่ค่อย ถ้ามีอะไรที่มันดูไม่สมเหตุสมผลมากระทบก็ช่างหัวมันใครจะทําอะไรก็ช่างหัวมันอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ได้ช่างมันช่างมันใครจะทำอะไรก็ทำไปเพ้ออะไรเงี้ยค่ะไม่สนใจทําในสิ่งที่เราทําได้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ปลงปลงกับอะไรหลายๆอย่างรอบตัวเราอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เพราะว่าธุรคิดปวดหัวเลยค่ะเอ่มาแบกเามาแบกให้มันหนักออกหนักใจเรามา ค่ะหนูก็เลยหนูเลยไม่ไม่ไม่ไม่สนใจไม่ไม่เอาใจไปทุกข์ด้วยค่ะพระอาจารย์ไอเห็นเพอแล้วแต่อยากทำก็แล้วแต่ค่ะก็เลยสบายเราก็ไปไหนมาไหนคนเหมือนเหมือนวันมันสินไม่เสมอเลยไปไหนมาไหนคนเดียวก็เอ้ยมันก็ดีนี่นะทําให้จิตเราสงบดีไม่ไม่ต้องแบกใครค่ะพระอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องอะไรแต่ว่าถ้ามีใครให้ ขอให้ช่วยเหลือก็ช่วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็สงบดีค่ะพระอาจารย์แล้วก็คิดว่าอยากจะรักษาใจตรงนี้ไปเรื่อยๆค่ะดีโอเคไม่ไมีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์คราว น, นี้เข้ามากับพระอาจารย์ค่ะขอให้พระอาจารย์ธาตขันแข็งแรงค่ะาสาธุสาธุอันลิขุนนานอุดอนธานี น้องแกะตรรมสกงค์ค่ะค่อาจารย์ได้มีคาถามซะค่ะโอเคยัไปดูเมณาิกาต่อนาฬิกาเวลาที่ว่าค่ะน้องรรมกัง์เจ้าค่ะค่อาจารย์วันนี้เข้ามาร่วมความคิดเนค่ะไม่มีคาถามค่ะอาจารย์ปฏิบัติด้อยู่นะค่ะปฏิบัติอยู่ค่ะก็จองแล้วค่ะขึ้นเผาจจแล้วโอเควันที่หนึ่งจะค่ะอาจารย์อ่า อะไรที่คนอะไรอุณหกัญยาเพชรบุรีตกตาใช่ไหม้วกระตูนจำจิตุกตาค่ะตกตาอตกตาอกาศเจาค่ะวันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะเข้ามาฟังถามเจ้าค่ะแล้วเราไปปฏิบัติหรือเปล่าที่บอกจะไป่ะไปเจ้าค่ะไปสองคืนสามวันเจ้าค่ะเป็นยังไงดีไหมดีเจ้าค่ะเป็นไปนเป็นเจ้าบ้านเขาด้วยค่ะด้วยความไปบ่อยที่ คือคุณแม่ที่คุณแม่ชีที่ภูเขาก็จะฝากหนูช่วยช่วยดูแลผู้ที่มาอับป่าอับทางท่านอื่นด้วยในการอาเตรี่ยมตัวปฏิบัติหรือว่าเดินไปเพราะว่าที่ภูเขาต้องต้องต้องเดินจากที่พักไปเพราะว่าเขาก็จะเปลี่ยนอาาน่าสถานที่ทําวัดสวดมนต์ทุกทุกทุกๆวันเลยประมาณทุกๆช่วงเวลาที่อย่างเช่นทําวัดเช้า ที่น่อนเยนก็จะทำอีกที่หนึ่งเลยประมาณนี้ค่ะทั่วทั่วภูเขาเจ้าค่ะตองมีคนกว่านี้แน่ว่ะนวทางมันกว้างเจ้าค่ะมันกว้างเจ้าแล้วราก็ต้องเดี๋ยวลงแล้วอาจจะไม่รู้ว่าสถานที่ตรงไหนประมาณนี้เจ้าค่ะก็จะมีการเจริญภาวนาทำกายอยู่กับกิจ จกี่ย่กับงานก็คือช่วยช่วยน้องปะปะกระยอกับอาคุณแม่ชีดูแลขบเขาดูแลต้นไม้เจ้าค่ะแล้วก็จะมีคลื่นเสียงคิสตันโกลนว่าขันามาบปบาดแล้วก็นั่งสมาธิสถานที่นี้อยู่ใกล้ๆกับตัวเมืองเพชรบุรีเลยอยู่อำเภอแก่งกระจานนะคะแก่งกระจานย์ใกล้ๆกับอุทยานแห่งชาติเจ้าค่ะ อะไรว่าจะถามพระอาจารย์เรื่องในขมะบารามีเจ้าคะในเรื่องของคุณของในขมะบาลมีก็ในขมะก็คือการยุติการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยการออกจากกามนั่นเองเพื่อจะเราจะได้เข้าสู่ชั้นพรหมโลกเข้าสู่ความสงบของของจิตใจได้ถ้ายังเสพกามคุณท่าอยู่เนี่ มันจะทําให้ใจนี้ไม่สามารถเข้าเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้แล้วอยากจะเข้าสมาธินี่ต้องต้องละการเสพการถือศีลแปดแล้วก็จะได้มีเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิอย่างเต็มที่ปัญจิตก็จะสงบเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายอะไร แต่ถ้ายังซื้อสินห้าอยู่แล้วก็ยังเสพกางอยู่นี่เดี๋ยวพอจะนั่งสมาธิได้นักเสพห้าที่หิ ว, หวนูน่นหิวนี่ขึ้นมาแล้วอลงลุกไปหาเครื่องดืม่มมาดืม่มแล้วก็หาขนมมารับประทานมันก็จะไปไม่ถึงไหนเดี๋ยวนั่งอีกสิบห้าที่อยากจ ะ, ะเปิดดูยู u b e แล้วอ ย, อยากจะฟังเพลงแล้วมันก็จะทำให้ยากต่อการเข้าสู่ความสงบ ในคนที่ต้องการเข้าสู่ความสขขงบคนอยากจะเข้าฌานนี่ต้องต้องละการหาความสุขทางทางการของคุณห้าเราเรียกว่าเป็นปฏิบัติเนฆามะเข้าใจนะค อ, อะไรแล้วเจ้าค่ะแต่เข้าพยายามเข้าทุกมันพุทธเจ้าค่ะโอเคแล้วดูจ้าสวัสดีค่ะอือา คุณสันนี่แบงค์เข้าเชิญจลันมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะวันจันทร์หน้าถ้าไม่มีเหตุขัดข้องหนูก็จะไปปฏิบัติธรรมบนเขาค่ะพระอาจารย์ย้อนกี่วันนะ่ะเออไปสามวันสองคืนค่ะอืมค่ะจะตั้งใจปฏิบัติ ถ้าบนเข่าบนเข่าครั้งแรกแต่แต่ก่อนไปที่เคยไปปฏิบัติที่วัดยานอยู่ประมาณสองครั้งค่ะพระอาจารย์ี่อยากจะไปอยากจะไปอยู่แบบคนเดียวเงี้ยไม่ไม่อยู่กับใครนะใช่ค่ะพระอาจารย์จะไปตั้งใจฝึกสติแล้วก็เอเจริญสมาธิค่ะอาจารย์อืมดีไปแล้วต้องขยันปฏิบัตินะอย่าอย่าไปนอนอนค่ะพระอาจารย์จะพยายาม อดทนความง่วงค่ ะ, อะนอนให้ไม่มากคือนอนไม่เกินห้าชั่วโมงก็พอค่ะพระอาจารย์ถ้าไปปฏิบัติปกติก็จะพยายามาตื่นประมาณตีสามประมาณเนี้ยค่ ะ, ะที่ที่ที่ทางปฏิบัติทั่วไปเขาก็จะให้ตื่นตีสามใช่ไหมครับประมาณอมนอนสีทุ่มตื่นตีสามแล้วก็ภาวนาเดินยังกมยนถึงเช้าแล้วค่อยไปรับประทานอาหารแล้วทำอะไรต่อไป ค่ะตั้งตั้งใจมากค่ะเพราะว่ากว่าจะขอคุณแม่ให้ขอไปขึ้นเขาได้เพราะแม่เขาบอกว่ากลัวว่าบนเขาอันตรายอย่างรุ้อย่างงี้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยเพิ่งได้เป็นครั้งแรกที่ได้ไปค่ะโอเคเราไม่มีอะไรหรอกคนเข้าไปอยู่กันเยอะๆถ้ามีป่านนี้ก็เขาก็คยไดค่ะส่วนตัวหนูหนูไม่กลัวค่ะอืม <laughs> ขอบคุณค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะสาวดุจ่าคุณตายพรเทเถียวน้อมกลับนมรสการครับพระอาจารย์วันนี้เข้ามาฟังธถามค่ะยังไงเจ้าคุณสาวร่าใจตื่นเต้นไหมหนูออกงั้นแต่ไปควงโจแล้วครัพระอาจารย์ไปกินสามมื้อตามตามที่อาจารย์ว่าถือสี่ห้าไปแล้วก็ แต่ก็กลับมาหนูก็กินมื้อเดียวอยู่แต่ก็มันก็ยังหลุดไปใจมันก็ยังหลุดไปนู่นไปนี่ค่ะพอาจารยอืมค่ะก็สู้ต่อไปเจ้าค่ะพอาจารยชแบ้างชนะบ้างผัดกันรับผัดผัดกันลุกนะตอนนี้เหมือนจะแพ้โ <laughs> น, น้มนุกทุกการเลยก่อนพอาจารย์ทำไมมันถึงออกนอกโคตรจอได้ง่ายมากเลยพอาจาอย์เพระาะแรงมันเยอะแรงมันเยอ ะ, ยอะถ้าปกติเรากำลังน้อย สู้มันยังสู้มันไม่ไหวโยมท้าจะไม่ได้ไปไหนเลยนะไมายามแบบอยู่กับพระอาจารย์ไม่ยามไปวัดไปเ<ต>มื่อไปนี่มันก็อดกันได้ทั้งระดับหนึ่งถ้าไม่มีสติสู้มไม่ได้เราพยายามฝึกสติให้มากเจ้าค่ะถ้าเปแต่อดเถอะถ้าเี็นแต่อดกันอดทนไวน้นี่เดี๋ยวมันหมดแรงว่าหลานไปเลยแต่ถ้ามีสติแล้วสติคุมคุมมันได้อยู่ดีกว่า นั่งสมาธิมีสติก<ช>ับตัวเองตลอดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ๆช่ทำคอยควบคุมความคิดไวมันยากมากๆ<ข>อยอมยอ ม, มยมกลับมามองตัวเองเอทําไมมันถึงหลุดง่ายขนาดนี้ก็ไม่แปลกเลยที่ว่าคนที่แบบไม่เคยปฏิบัติหรืออะไรเนี่ยเขาถึงตะลิดเปิดเปิงขนาดเรายังอยู่ในแบบตั้งจิตตั้งใจแล้วว่าเราตั้งใจเต็มร้อยแล้ว แต่สุดท้ายก็ยังแพ้กิเลสที่เราแบบเจ อ, อนี่ๆหน่อยๆก็เอ้ยกาลังหลุดไปกับมันบางทีบางทีก็เสกแย่เหมือนกันนะคะพระอาจารย์พอสติเพิ่มมันเมือนกับรถที่พอปล่อยเบรคปั๊รถมันก็วิ่งพุ่ดไปเลยืค่ะจะพยายามค่ะพระอาจารย์โอเคไม่เป็นไรนะตา ม, ต, ามต่อไปอย่าท้อเแพ้มากชนะมากถือว่เป็นปกติของของการปฏิบัติ ชคราอาจารย์ขอบขอบคุณมากค่ะสาธุคุณนาเรศเชนุทักาาการหลวงพ่อค่ะเป็นไงตอนนี้ถือสิงอะไรอยู่หรือเปล่าถืออยู่ค่ะ <ขา S 2> สิงแป <ขา S 2> ะตลอดนะสินแปดตลอดละ่ะก็มีมีเว้นค่ะถ้าไม่จำเป็น ที่บ้านนะคะอย่างเรื่องกินข้าวก็มีเรื่องกินข้าวเนี่ยะคะ่ะต้องทำกับข้าวอะไรนี้ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ลูกหยุดก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาคือลูกเขาปิดเทอมแล้วหนูก็ไม่ไ ม, ไม่ต้องกินก็มื้่มื้่มื้อเดียวหรือไม่เต็มที่ก็สองสองมือไม่ ก, ไมกินเที่ยงไม่กินเทียบเหมือนล้วกิ น, นะ ก, นกินก็ไม่ได้ไม่ได้มากแล้วห่างสองข้ก็อยู่ได้ค่ะเด็ก พอมีมีธรรมะในใจแล้วคหลวพอใจมันสงบใจมันดีแล้วก็มันพอที่จะละโดงตลงวางได้บ้างคา่ะหลวพ่อแล้วก็พอมองเข้าไปในใจลึกๆแลค่กกะหลวงพ่ามันมันไม่กล้าที่จะทำแม้แต่สิ่งที่มันมันไม่ดีหรือว่าบาปเล็กๆน้อยๆเงียหนูลองช่างช่างใจดูมันมันไม่มีความคิดที่จะออกมาทำ สิ่งที่มันไม่ดีได้อะไรอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันกลัวกลัวที่จะไปทําไม่ดีอมัน ห, หนูก็เลยน่ะรู้มีฮิเลโอตปาค่ะมันเหมือนมันมีเครื่องตั้นอะไรอย่างเนี้ยแล้วมันก็ทําให้เรามองเห็นว่าเออทำํทำเออทําให้ดีมันทําให้ใจเราไม่สบายด้วยค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วลองลองคิดว่าอย่างอย่างที่เป็นข่าวอย่างนี้นค่ะหลวงพ่อ ที่เหมือนเรื่องหลอกลวงอะไรเงี้ยหนูลองมองลึกๆในใจอ่ะมันมันคิดไม่ได้มันทําไม่ได้อ่ะค่ะหลวงพ่อมันคือมันจะมีความกลัวว่าถ้าเราทําไปเนี่ยมันถึงจะไม่มีคนอื่นเห็นแต่ว่าในใจเราอ่ะมันจะมันก็รู้อ่ะค่ะหลวงพ่อมันก็เลยรู้สึกว่ามองอะไรแล้วก็เออเป็นธรรมดาเดี๋ยวตายแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้เลยเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยอยู่แบบ ก็อยู่อยู่ไปตามหน้าที่อย่างเงี้ยค่ะหพ่อแล้วเราก็กลับมาอยู่กับใจที่มันสงบอย่างเงี้ยมันดีกว่าครับลองพ่อดีมากนัเป็นเป็นผลที่การปฏิบัติรู้ผิดถูกดีชั่วหรือว่าอรู้ว่าอะไรทุกอย่างค่ะแล้วมันก็ไม่ได้อยากอยากได้อะไรที่มันแบบที่ที่เขาบ้ากันของรู้หลานลด รถขันละร้อยล้านนายก้าอสิบล้า น, านใจไม่ได้มีเต้นไปกับเขาเลยมีความรู้สึกว่ามันก็แค่นั้นนะคะหลวงพ่อบ้อบวนหรืเปล่าอาจจะถามบ้านหรือเปลอมากกว่าก็าา <c oughs> คือมองแล้วมันแล้วมันแล้ ว, ลวยังไงมีแล้วยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อแล้วมันตายไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้ะะอ่ะค่ะหลวงพ่อมันก็เลยรู้สึกว่ามองเห็นเห็นอย่างที่เป็นข่าวหนูก็เลยรู้สึก ถ้าไม่มีธรรมะไม่มีเครื่องกั้นนะ่ะหนูว่าหนูยังสงสัยว่าเขาไม่มีกันเลยเหรอหรือมันยังไงอะไม่มีไม่มีฮริโอตตาปาเลยไม่มีความอยา ง, งอายอับาปได้อย่างหน้าตาเฉยขอให้ได้รับผลประโยชน์ที่ต้องการนั้นค่ะหนูเลยย้อนมาที่ตัวเองมองเข้าไปลึกๆว่าเราเรามีความอยากแบบนั้นไหม มีความคิดที่จะทำแบบนั้นไหมมันมันตอบออกมาเลยค่ะหลวงพ่อมันไม่มีเลยอ่ะมันทําไม่ได้ด้วยนะคะมันคิดไม่ไ่้แบบนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันสุกมันสุกยิ่งเราเราปฏิบัติมากๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันเราจะเห็นในใจลึกๆของเรามันมันสงบมันมันเอาอะไรมาแลกไม่ได้อ่ะค่ะดีนรักษาความสงบไว้ สมมัติอันน้ ำ, นำลําค่าก็คือความสงบนิ่บารน์ปัมันสุคัญค่ะหวงพ่อแล้วทีเนี้ยมีนิดนึงค่ะหลงพอพอดีมีเพื่อนเขาก็บอกว่าเหมือนอยากจะโทรมาคุยมาโน้นมานี่หนูก็จะบอกว่าหนูไม่ว่างหนูไม่อยู่หนูจะไปที่วัดอะไรเงี้ยค่ะคือคือไมอ่ไม่ว่างเลยที่จะไปออกไปข้างนอกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะขาดความเมตตาไปไหมคะหลวงพ่ออ๋อไม่หรอกเมตตามันแล้วแต่กนนี้ไม่ใช่ว่าเมตตาแล้วเราพังนี้ก็ไมันก็ไม่ถูกนะเราเราบันเทาแล้วก็ไปเที่ยวกับโยมนีโยมชวนไปเที่ยวอยาจะไปกับเขานี่ไปไม่ได้หรอกเมตตาหรอกนี้มันจะมีเข้าเขตมีเหตุมีผลค่ะหนูคือหนูไม่ได้คือแค่ไปทํางานเสร็จพอมีพู้ พอหยุดอะไรเงี้ยหนูจะไปแล้วค่ะคือที่จะถิ่หนูจะไปที่วัดนะคะหลวงพ่อคือไปฟังเทศไปปฏิบัติแล้วไปทําทานแล้วก็กลับมาก็ทักทำงานคือหนูจะไม่ได้ว่างมีเวลาที่จะไปอะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะหลวงพ่อคือไม่ไม่อยู่อ่ะค่ะคือคือเหมือนไม่มีสังคมไปแล้วค่ะหลวงพ่อแล้วเวลาทํำอะไรหนูก็จะเหมือนแบบเหมือนเหมือนอยู่คนเดียวเงี้ยค่ะหลวงพ่อ S <S แต่มันก็สงบดีค่ะหลวงพอ่อที่ที่ของหนูหนูได้ที่อยู่แล้วค่ะ อ, อดีค่ะอโอเค okay. เอาเท่านี้ก่อนนะค่ะหลวงพอ่อกล่าวขอบคุณมากมากค่ะแม่น้องลิ้นตาแม่น้องลิน้นพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ยินจ้ะจ ค่ะพระอาจารย์ของหนูก็ปฏิบัติเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะหนูมีอ่าสิ่งที่หนูพอดีด้วยที่สภาพร่างกายที่มีปัญหาใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่ายังลุยไปทํางานอยู่ค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยได้สัมผัสเกี่ยวกับกิจกรรมทางโรงพยาบาลที่หนูยังทํางานอยู่อะค่ะพระอาจารย์คือก่อนหน้าที่หนูจะมีปัญหาเกี่ยวกับอ่าร่างกายค่ะพระอาจารย์เกี่ยวกับสมองเนี้ยค่ะหนูก็เคยแบบ ลองเป็นนักกีฬาแบบที่เสิร์ฟวอลเล่บอลอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนมันก็เสิร์ฟพันนะคะพระอาจารย์พอมาร่างกายมีปัญหาตอนแรกหนูว่าหนูรุยทํางานได้ร่างกายเหมือนแข็งแรงอะค่ะพระอาจารย์พอไปเป็นนักกีฬาพระอาจารย์ค่ะเสิร์ฟปุ๊บตัวลอยไปฟาดกับพื้นเลยค่ะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าโอ๊บางเรื่องเหมือนว่าเราจะมีแรงไปทางโลกอะค่ะพระอาจารย์แต่จริงๆแล้ว มันมีแรงสู่ทางทำมากกว่าค่ะพระอาจารย์คือไม่ค่อยไปกับทางโลกเนี้ค่ะพระอาจารย์คือเวลาเขาจัดเสียงดนตรีอย่างเงี้ยค่ะร่างกายหนูแต่ก่อนเคยฟังแล้วร่างกายกระดิกนะคะพระอาจารย์แต่ปัจจุบันกลายเป็นง่วงนอนค่ะต้องปเป่าหูฟังมาฟังธรรมนี่เงี้ยค่ะพระอาจารย์อื mm hmm. แล้วก็แล้วก็ตอนที่แต่พระอาจารย์คะมีเรื่องหนึ่งค่ะพอหนูก็ คิดว่าร่างกายหนูก็ควบคุมไม่ได้แล้วเพราะว่าสภาพร่างกายมีปัญหาแต่ตอนที่เรื่องฟังธรรมเนี่ยค่ะพระอาจารย์ตอนแรกหนูตั้งใจฟังธรรมพระอาจารย์นะคะพอสักพักเหมือนมีสติดีเลยค่ะพระอาจารย์ตั้งใจอย่างดีแต่สักพักมันหลับไปไม่รู้ตัวค่ะพระอาจารย์หนูก็ว่าเอาร่างกายหนูก็คุมไม่ได้ใจหนูก็คุมไม่ได้หนูก็เลยมองว่ามันไม่มีอะไรคุมได้เลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ คือเราพอพอมาลุกอีกทีเอา้าเราไปตอนไหนไม่รู้เลยค่ะพระอาจารย์ทั้งทั้งที่เหมือนกับว่ามีสติตลอดนะคะพระอาจารย์อเนี่ยค่ะหนูก็เลยว่าเอ๊ะมันไม่มีอะไรคุมได้เลยค่ะพระอาจารย์แม้แต่คุมได้บางบางครั้งบางเวลาแต่ไม่สามารถในที่สุดก็คุมมันไม่ได้หรอกมันต้องเป็นไปตามเรื่องของมันใช่เจ้าค่ะเลยปล่อยไปนี้เลยค่ะแต่ว่าส่วนส่วนตัวกลับไป เกี่ยวกับทางโลกไม่ได้เลยค่ะพระอาจาจะฟังธรรมกับช้าใจอะค่ะในปัจจุบันดีแล้วล่ะรถถังทำชนะรถทังปวงนะเจ้าขาพระอาจารย์สวัสดีค่ะคุณหมอน้าทวชเชิญคุณหมอกับน้อมสักการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงสบายดีสบายดีครับสบายดีครับงานลดน้อยลงแล้วก็ยังยังเดี๋ยวหลังจั ต้นพฤศจิกาจะลดแล้วครับตอนนี้ก็ยังมีมียังมีเดี๋ยวเดีพรุ่งนี้ต้องไปช็กอเมริกาครับมาที่ยูเซียลเองก่อนไปไปเลคเชอร์วันเสาร์ครับแล้วก็วันจันทร์ก็บิดครับขับมาอ๋อไปข้างเดียวนะไปครับแต่ว่ามันก็เดินทางวันพรุ่งนี้เราก็ได้ก็ได้กลับถึงก็วันพุธเลยครับเหนื่อยนะต้องสิบกว่าชั่วมงครับใช่ครับครับนี้ก็จะฟังฟังว่าอาจารเรื่องของ ควาเจริญทางโลกทางธรรมนะครับอืมที่ผมดูก็อย่างที่เคยไปปฏิบัติพระอาจารย์ครับที่อยู่บนเขาตอนนั้นที่ไปบวดถวายพระเจ้าอยู่หะอาจารย์ที่กล้าก็จําได้ว่าก็มีความสุขความในความสงบนะฮะการปฏิบัติไปเรื่อยๆก็ก็ดีแล้วตอนหลังมาทํางานเยอะๆมันก็<笑><笑>หายไปหมดกลายเป็นความวุ่นวายความเจริญทางโลกมันก็วุ่นวายมันเป็นการชักกรยี่ยกันระหว่างธรรมกับโลกเนี่ย ครับฮะถ้าโรคแรงทำก็ทำทําอ่อนโลกก็หนีไปครับฮแล้วทําแรงทับก็ถึงออกมาอจากโรคได้ครับอ่าใช่ครับมามามาเทียบตัวแล้วก็รู้สึกว่าเออไอความสงบมันก็ดีความเจริญทางโลกมันก็ปุ้นวายฮะแล้วก็ตั้งใจที่ว่าจะเอาปีว่าจะออกออกลองออกปวดเข้าคับตอนอาจจะได้สี่เดือนใช่ครับคิดว่าต้องเป็นทางที่ถูกแต่ว่า พอมาดูใจตัวเองจริงๆมันก็เอ๊ะมันมันก็เหมือนไม่ได้ตัดได้จริงๆอะฮะเพราะมันก็ยังแบบเสียได้ยโน้ตเสียได้นี่แต่ก็ยังรู้สึกว่าแต่ว่าจะคิดว่าเป็นอธิษฐานบา ร, รมีว่าเราต้องทำอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไม่ยอมเพราะเราก็ยังจะให้ทำหํำอะไรเราก็ต้องไปเอาลองดูไมนะ่แน่ถ้าเกินไฟมันติดทางทำไฟติดมันก็จะไปเลยกันได้ครับอะ่ะแต่เดี๋ยวคิดว่าคงต้องพยายามให้มันทําให้มันดีแค่นั้นต่อเนื่องมันเพราะตอนนี้เรา เหมือนกับพอไปเจริญทางโลกเยอะก็ข่ด ค, ความเจริญทำก็เสือ<ำ>เส่อมทำทำก็เสื่อมทำทำก็เสื่อมใช่ครับนะ mm hmm. อันนี้ไปรับออกไปไปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันจะทำยังไงเพราะผมรู้สึกว่าไอ้ทางที่จะไปมันมน่าจะเป็นทางที่ถูกแต่ผมก็คิดว่าผมก็ยังมีความหลงความมีฟังฟังคุณอาจารย์ผมก็เข้าใจแต่ว่าเราก็ยังมีเหมือนอวิชชาอยู่เต็มมีกิเลสอยู่เต็มตัวนี้มันก็ก็คงต้องสติใช่ไหมครับ เรกแ้ัจะนาตายรักเยื่เนี่ยทางโลกมนเนี่ยมันตายรักทั้งหมดนะครับนะครับเราไปทางโลกมันจะเจริขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ต้องเสริมทุกสิ่งทุ้อย่างต้องเสริม่ไยครับนะใช่ครั บ, รบแต่พอมาดูมันก็เหมือนถึงเวลาจะออกจริงๆร็เพื่อเราก็ออกหาไงเงขาออกไปเพราะว่าแต่มันก็มันก็แบบ ในใจดูลึกๆมันมันไม่ได้มันไม่ได้ทำไปก็ทําไปดูเสียว่าใครจะแพ้ใครชนะอืมครับก็เป็นตอนนี้มันก็ยังเป็นช่องชักขยะ้อยู่ใช่ไหมครับอตอนนี้เราอย่างนี้ไม่ยอมกันเราก็จะชักขยีก็มาสู้ทางธรรมแล้วก็ไปดึกเือนใบนะครับใช่โอต้องสู้ใช่ครับครับนะดีที่ตัดสินใจอย่างนี้ได้ก็ดีครับจะแต่จะไปถึงไหนก็แล้วแต่จะถึงโยมแล้วหรือเปล่าับสุดท้แายความพยายาม ขึ<ไ>้นอยู่กับพระละหา<ม>้หาเนี่ยข<ม>ึ้นอยู่กับสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาครับอะครับอะถ้ามันจเจริญหา้าห้าอย่างนี้แล้วรับประกรนันได้ไปถึงดวงดาวอย่างแน่นอนครับอะครับครับพอเห็นทางแล้ ว, ว่ามันก็อืมชัอย่างที่อาจารย์อาจารย์ว่ามันจไัได้ยเยอะเห็นทางอย่งนงี้มันต้องมันต้องมีกําลังไปด้วยก็ต้องปฏิบัติเหมือครับเพราะตอนนี้เรายังมีกําลังเราแค่มี ศรัทธาแต่เรายังรู้ว่าทางนี้เป็นยังไงแต่ยังไม่ได้จออกเดินทางครับอ่ะครับอะก็ปกติใช่ไหมครับที่ที่มันก็ต้องอย่างนี้ของมันต้องมีจุดเริ่มต้นนะครับพอเราเริ่มบวชเนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพราะเขาบอกว่าภิกษุนี่มาเขาผู้เห็นภายในว่าตาสงสารสี่เดือนคงน่าจะกลับมา ลองดูใช่โอเคลองลองดูโอเคเสียงก็พมาการตังนะบยากตะเกย์นะเอาเข้ามาสู่ทางธําเอเดี๋ยวครับครับผมใช่ใชครับเดี๋ยวคไม่เจอพระอาจารย์ครับชาสังฆราชท่านบทดให้แล้วเดี๋ยวเข้าไปครับ นันไปเดชสุราธานีค <c oughs> ุณครับขับคุรมาตการครับก็ไม่มีอะไรจะพูดเพราะอาจารย์รู้พระอาจารย์รู้หดแล้วก็ก็ช่วงนี้ก็คือเรื่องงานค่อนข้างที่จะตืดชืดลงคือแบบว่าไม่ค่อยอยากทำงานแบบเก่าแล้ว <c oughs> รู้สึกว่ามันลงโลง่ลงว่างๆแต่ว่าใจก็ยังมีความทุกข์อยู่แต่ว่ารู้สึกว่าสามารถแต่ว่า ึงใจให้กลางๆว่าอเออมันเบื่อมันเบื่อแล้วก็เบื่อก็ไม่เป็นไรก็กําลังทร ง, งจิตใจแล้วก็มาขอการบ้านเพิ่มอะไรที่ทำได้ ก, ก็ก็จะทำเมื่อก่อนนี้อยากได้แบบอสองทีหนึ่งไงสงทีหนึ่งตอนนี้รู้สึกว่ามรณะภัยทั้งสี่คืออ่าถ้าถ้าเชื่อคำสอนก็คือมันก็เข้ามาได้สีด้านเนี้ยเราก็ไม่รู้จะออกไปไหนแล้วเมื่อก่อนเคยอยู่บ้านปฏิบัติอยู่ปีหนึ่ง ก็เข้าสมาธิเก่งแต่ว่ามันก็หืดขึ้นคอแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้พ้นทุกแล้วถ้าปฏิบัติใหม่บางทีมันก็ยากประจา์คือแต่ว่าถ้าเริ่มทําแล้วมันก็ต้องเริ่มเริ่มแล้วไปถึงที่สุดแต่มันไม่สามารถที่จะลุกลุกงลุกคุกคานแบบว่าที่จะปฏิบัติแบบแบบนี้ได้เพราะยังไงมันก็ไปไม่ถึงถ้าเราแบบไม่ตั้งใจจริงๆก็ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรมันต้องทุ่มเททุ่มเอาข้าวทิ้งเลยออกศึกไปเลย ไม่หวนกลับแล้วมีตัดชนะหรือตายเท่านั้นคือบวชรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยากแล้วก็รู้สึกสุขภาพไม่ค่อยดีแต่ว่านอจะเป็นเด็กวัดาเป็นได้ไม่รู้วัดไหนลำบาเพราะว่าเมื่อก่อนพอเรามีเครื่องจักรเครื่องเครื่องจักรก็ต้องทำงานอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อก่อนเขาสมาธิเก่งมาก แบบสามชั่วโมงบอกว่านั่งได้รวดเดียวมันเป็นดีได้จะมาคุยแต่ว่าพอทับใหม่แล้วมันอทำไมยากจังเลยปัจจุบันตอนปัจจุบันถ้ามันได้มันน่ดีกันก็เดี๋ยวว่าอะก็ก็นี่ก็ต้องปักธงใหม่พระอาจารย์ก็ต้องปักธงใหม่อ่ะมันจะเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเออพอศึกษามากแล้วรัดทำก็กลืนเข้าไปเต็มเกือบครึ่งตัวแล้วครับที่ที่พระอาจารย์สอน เราไปไหนก็ไม่ได้ที่คนพักคนก็มาถามเอ๊ะเนี่ยวัตถุมงคลไหมย่เงี่ยเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงคนก็ยังมาแซะอยู่เรื่อยเลยขนาดมันสายเดียวกันก็ก็พยายามปฏิบัติพระอาจารย์มีอะไรแนะนํำไหมครับก็ทู่ไม่ถอยแล้วยากอยากตอนเหงาเนี่แหละแบบว่ามันว้าวเวพระอาจารย์เราพุทโธมันเร่ว้าวเวเริมรีบวิ่เข้าหาพุทโธแล้วนะ ก็เดี๋ยวจะพยายามเหมือนหลวงปู่จะเรียนว่าอา่ามีศีลห้าแล้วก็นั่งสมาธิได้วันละยี่สิบนาทีก่อนก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปลองทําดูเพราะว่าพอเรามีสมาธิใจมันจะมีความสุขแทนแล้วก็คือไอ้ที่เราว่างไปเพราะเราไม่ได้หาความสุขเนี้ยเราก็ต้องมีสมาสุขจากสมาธิขึ้นมาทดแทนใช่ไหมครับใช่แต่มีมีมีมีความสุขทดแทนมันก็ไม่นองกลับไปหาความสุขแบบเก่าครับลองดูครับจะลอง กับพยายามนี่นะครับสำเห็จยังนะพระอาจารย์เก่งอะพระอาจารย์ส่วนใหญ่พระอาจารย์ตั้งแต่ศึกษาบทมาพระอาจารย์บอกว่าไม่เคยเข้าใจที่หลวงตาสอนทุกอย่างเนี้ยแบบว่ามันมันทําได้ยากอะแล้วแต่ขอพึ่งพระอาจารย์แล้วกันนะครับโอเคครับจับสบู่อ่าคุณหญิงเชียงใหม่ใช่ไหมคุณหญิงอ่าได้ยินไหมหญิงได้ยินเจ้าค่ะ น้าอาจารย์เจ้าค่ะอาจารย์สวัสดีจากเชียงใหม่เจ้าค่ะใครบ้างเนี่ยยิงกับใครยิงกับคุณพี่ค่ะเป็นน้องแต่ชื่อพี่น้าค่ะอ๋อชื่อพีเป็นพี่น้องกันนะแล้วค่ ะ, คะอืออาจารย์อาจารย์มีเรื่องจะมาบอกค่ะอาจารย์แหละเมืม่อตอนที่เขาน้ำท่วมกันแล้วน้ำมันจะมาถึงบ้านแล้วว่าอาจารย์หนูนึกด้านหนูก็ทำโบนกับอาจารย์แล้วหนูก็แอบคลิปขอเทวดาช่วย นามไม่เข้าบ้านนามไม่เข้าบ้านแล้วนามไม่เข้าบ้านพระอาจารย์พระอาจารย์คิดว่าใช่หรือเปล่าคะเทวดาช่วยได้ไหมเจ้าคะก็ตอนนี้มันช่วยได้ก็ช่วยไปกันแล้วกันเวลามันช่วยไม่ได้อย่าไปอย่าไปว่าเขาแล้วกันใช่มไม่มีอะไรเจ้าคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาพระอาจารย์เจ้า ค, ะา<อ>ะค่ะอวีแกนนี้เจ้าคะ่ะเจอกันเจ้าค่ะ ทางที่ดีส่วนช่วยตัวเองนึกว่าอันตรายที่อาตโนนาถูคข้าวของขึ้นเถอะทำอะไรปิดกั้นน้ำให้มันเข้าบ้านนะร่อนเหรอจ้ะค่ ะ, ะเดี๋ยววันอ้ไม่ใ ช, น, น, ใชนั้นก็ย้ายที่อหรอ ท, ที่ที่มันไม่ท่วมไม่อยู่ไหวอ๋อไม่ตอนนี้มันท่วมทุกที่มันท่วมมันท่ั้งเมืองค่ะแต่ว่าบ้านหนูไม่ท่วงก็ช่วงดีเจ้าค่ะอาจจะว่าช่วงนั้นรับรับรองอา่า คะอคารตุกมาตัวค่ะสองสองคณะก็เลยน่าจะารอดจากตรงนั้นหรือเปล่าหมอโบไม่ทราบตัวค่ะนี่แหละมีทํำหลายอย่างเจ้าค่ะมีวิ่งขับรถไปไหวเหมือนพาท่านใจใจกลางเมืองด้วยเจ้าค่ะว่าเจดีหลบแล้วค่ะติดกันเป็นวัดพันตาก็ไปว่าขอให้น้ําไม่เข้าบ้านเจ้าค่ะคือมันมันต้องหาแบบอะไรก็ได้เจ้าค่ะไม่งั้นน้ําเข้าบ้านแน่ๆเลยเจ้าค่ะ แต่ไม่ได้หาส า, ายเจ้าค่ะถ้า <laughs> ทำแล้วสบายใจก็ทําไป <laughs> เจ้าค่ะเอ่อเจ้าขออนุญาตพาอาจารย์เจ้าค่ะวันเสาร์นี้จะไปพบพ้าอาจารย์ดีใจมากก็เลยมามาหาพ้าอาจารย์เจ้าค่ะแต่ปกติก็คือเปิดดูของช่องพ้าอาจารย์เรื่อยๆเจ้าค่ะโอเคดีค่ะแล้วก็จะพูดเรื่องปฏิบัติท่านโกวังก้านิดนึงเจ้าค่ะอืมเออ หนูเคยหนูมีมีประวัติอ<ม>ุบัติเหตุรถชนแล้วเออ่เหมือนกับว่าหนูมีปัญหากับหลังอ่ะคะ่ะแล้วทีเนี้ยก่อนที่หนูจะอุบัติเหตุรถชนหนูไปปฏิบัติท่านโกงกา้าหนูปฏิบัติผ่านครัแต่พอหนูรถชนแล้วอะคะ่ะมันจะมีการปฏิบัติท่านโกงก้ารจะมีอยู่วันที่สี่ะคะ่ะเขาจะไม่ให้ขยับทีเนี้ยในวันที่สามหนูเริ่มหลอกไม่ขยับแล้วเพราะว่าหนูเหมือนเคยมาปฏิบัติแล้ว ม, มันมีความเจ็บปวดที่ตัวหนูค่ะแต่ว่าหนูจะต้องพิจารณาว่าอันนี้มันเป็นกิเลสที่หนูอยากออกหรือว่ามันเป็นความเจ็บปวดจากร่างกายหนูจริงๆเจ้าค่ะปรากฏว่าหนูตัดสินใจกลับเจ้าค่ะในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ไปพบแพทย์แพทย์ก็บอกว่าดีแล้วที่ตัดสินใจกลับเพราะว่าต้องฉีดยาเข้าสโพธหนูเจ้าค่ะเพราะว่าหนูอาการที่หลังหนูมันเป็นเรื่องจริงเจ้าค่ะ ก็ก็เล่าอันนี้ให้คุณพี่ที่เขากำลังจะไปปฏิบัติว่าบางทีมันจะมีคําว่ากิเลสลวงใช่ไหมเจ้าค่ะกับกับการที่เราเจ็บจริงเจ้าค่ะมันมันน่ามันน่าพิจารณามากเลยเจ้าคือถ้ามันเจ็บจิงมันก็เวลาที่เราไม่นั่งมันก็ต้องเจ็บอยู่ต่อเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแต่ามาตันเจ็บเฉพาะตอนที่เรานั่งก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นความเจ็บชั่วคราวความเจ็บที่เกิดจากการนั่งชั่วคราวเจ้าค่ะ แล้วก็พี่ที่เขากลัวผีเดินผ่านสุสานเจ้าค่ะคือเพื่อนหนูชอบชวนกันไปแล้วก็ไปกินบลูเบอร์รี่หรือลาสเบอร์รี่ที่สุสานเจ้าค่ะไม่มีผีตามเจ้าค่ะแล้วก็อยกจะบอกคุณพี่ที่ลักเซมเบิร์กว่าพี่ปุ้ยลองกินกดูแล้วดีเหมือนกันวิธีนี้วิธีแก้กันนีย ไ, ได้กินก <c oughs> ินแล้วผีหายผีผีหนีไปไเลยเลยใช่ค่ะ ก็ก็กินก็เพื่อหนูเดินเข้าไปเจอลาสตอรี่ก็หยิบกินเลยแล้วทุกคนก็หยิบกินแล้วก็เข้าไปเดินเล่นนั่งเล่นกันอยู่ในโซสานเจ้าตอนจรู้สึกว่าไม่กลัวเจ้าค่ะโอเคด้อแล้ค่ะสวัสดีพี่นะทุกคนค่ะแล้วก็ขอบพาะคุณ ค, ค, คุณหลักเนี่ยค่ะอาจารย์นรมาส ก, การก็ค่ะพบกันเ จ, จ้าค่ะเป็นงว่าอะไรศรีราชา วัศการเจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่ะแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปอยู่วัดตั้งแต่เช้าเจ้าค่ะโอเคเวลาพิเศษอานารย์สกุลเริฟอ น, น, นกลับมาวัศการพระอาจารย์ครับมีมไงมีอะไรไหมก็เอ่อฟังฟังเพื่อนเพื่อนพูดกันแล้วก็เอ่อกับพระอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าเออนี่อคนที่เข้ามาหาพระอาจารย์เนี่ย เออต้องเรียกว่าเป็นบุคคลที่อโชคดีที่เลือกครูอาจารย์ได้ถูกเพราะว่าบางเห็นเห็นหลายๆคนบางทีก็เลือกครูอาจารย์ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ต้องเรียก ah, ว่ามีปัญญาเบื้องต้นผมว่าปัญญาเบื้องต้นมันดีอยม่โฆษณาแบบนี้ไม่ไม่ได้โฆษณาอันนั้นมันเป็นคุณของพุทธธรรมพระสงค์งานบ่ายกลางตัวนี้มันแค่ไม่ได้ค่าโฆษณาเป็นเป็นชิเปเป็นเป็นพรีเซนเตอร์แบบที่เขาก็เป็นกันอยู่ อ๋อไม่ไม่ ไ, ม ไ, ม ไ, ม ไ, มไมนี่ น, นี่อันนี้ก็คือถ้าถ้าปกติมันคุณของพระพระอริยบุคคลก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ดีแล้วครับ mm hmm. มันคุณต่อโลกทําให้เหอโลกโลกมันสงบเย็นลงอย่างไหมมันก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็ <Okay. S 2> อยากจ ะ, ะเรียนถามพระอาจารย์นิด น, นึงว่าเวลาที่เราเข้าไปพบครูบาอาจารย์ท่านนี้เราควรจะวางตัวอย่างไงดีครับพระอาจารย์ อ่านน้ำทาตันทําตัวเป็นเด็กเขาลบเชื่อฟังครับเพราะว่าเอตัวอาจารย์ท่านเน่ยมีปัญญาที่คมมากเพราะว่าเอตัวคิเลสที่อยู่ในใจเราเนี่ยถ้าเราพูดอะไรออกไปหรือเราทำประพฤติปฏิบัติอะไรเนี่ยครอาจารย์ท่านสามารถแยกแยะสอนได้ไอ้ตัวเนี้ยก็ผมไปบางทีผมก็ระมัดระวังตัวเองอยู่แต่ว่าด้วยสติปัญญาของตัวเองเนี่ยมันน้อยเนี่ยมันอาจจะ ในทางที่อาจจะถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้างนะครับก็เหมือนี้ก็เข้าหาผู้ใหญ่เราเป็นเด็กพรับครูบาอาจารย์ก็ทําตัวเป็นเด็กอาให้ท่านสั่งคอยสอนเรามีหน้าที่รับฟังคําสอนของท่านก็ทําตามที่ท่านสอนไปคะับเยาว์เก่งันเดียวกูบาอาจารย์ครับกราบขอพระคุณว่าอาจารย์ที่แนะนําครับขอบคุณโอเคสาธุอ้ำ คุณฉา น, นดาคุณชาแนดาเช่นวันนี้อยู่ที่ไหนปากน้าสมุปราการหลับานวหวันนี้อยู่สุรประการค่ะพาจานดีค่ะาพาจานเยี่ยมครัก็รู้ว่าออรู้เข้าใจเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะผอาจาม แล้วก็มันไม่มีความทุกข์ค่ะพระอาจารย์การฟังธรรมก็คือเราจะได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยฟังมาก่อนส่วนธรรมที่เราเคยฟังแล้วมันก็จะเตือนความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับค่ะก็เลือดเลือดแค่ปฏิบัติให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นแค่นั้นเองค่ะพระอาจารย์อืมค่ะก็มันยังอยู่ทางโลกอยู่ค่ะพระอาจารย์รู้ตัวนนค่ะรู้ตัวค่ะันนี้มันยากหน่อยนะค่ะก็รอเดี๋ยว ถึงเวลาค่ะผอาจารย์ถึงเวลาแต<ว>่เราอย่างนั้นดูว่าเราต้องทําอะไรก็แล้วกั น, น, าานค่ะผู้จารค่ะอแล้วเดี๋ยวนะคะประมาณนั้นค่ะผาาู้จารย์แล้วเริ่มจ ร, จริงๆจะก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นจากมีครูบาอาจารย์เนี้ยค่ะาอาจารไม่ ง, งั้นเนมันไม่ได้ก้าวหน้าม า, มากต้องบอกว่ามากกว่าเก่าเยอะอาะผูจารค่ะแล้วก็ความความความเอ พอพอมีครูบาอาจารย์ที่เราเคารพเราศรัทธามากๆอ่ะศรัทธามาก่อนจริงๆความเชื่อมาก่อนค่ะพระอาจารย์ mm hmm. พอศรัทธามากก็จะมีความเกรงใจอ่ะค่ะพระอาจารย์ mm hmm. พอช่วงที่ยังคาบลูกคาบดอกอะไรเงี้ยค่ะว่าจะข้าได้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. อย่างเช่นอย่างเช่นบางเรื่องอ่ะเราเป็นคนชอบคือเอชอบเต้นชอบอบันเทิงอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ พอช่วงแรกๆอ่ะที่แบบว่าลูกก็ยังชอบฟังเพลงอยู่ชอบไปเต้นกับอะไรกับเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะเวลาบริษัทบริษัทจัดงานเลี้ยงหรืออะไรเงี้ยค่ะทีนี้ช่วงที่แบบว่าเรายังชอบอยู่อ่ะแต่เรานึกถึงพระนึกถึงพระอาจารย์นะคะก็หลายๆครั้งที่นึกถึงพระอาจารย์เราก็ไม่ทําอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่กล้าไม่ออกไปเต้นก็คือคือคือเกรงใจพระอาจารย์แล้วก็อายพระอาจารย์ก็เข้าใจว่าพระอาจารย์ต้องเห็นอะไรเงี้ย ใจเราใจเราเห็นใจเรานะพอแล้วแหละคนเื็นจะเห็นไม่เห็นไม่สําคัญอีกาเราเห็นใจเราก็แล้วกันอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะพระอาจารย์มันก็แบบมันก็รู้สึกว่าเออมันมันมันฝืนค่ะมันฝืนมันฝืนเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้ตัดแต่ว่ามันต้องก็เรียกห้ามใจห้ามใจอะไรย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์พอพอพอพอไปสักสักพักนึงเหมือนอย่างที่พระอาจารย์บอกไปค่ะ ว่าถ้าเราฝืนกิเลสไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะอยู่ได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่มายุ่งกับเราเองอันนี้<ม>จริงค่ะอันนี้ทยอยไปทีละเรื่องทีละเรื่องเลยค่ะพระอาจารย์<ม>ในในเกือบทุกเรื่องอลูกกับจะเป็นด้วยลักษณะเนี้ยค่ะพอาจารย์แล้วแล้วเดิมอ่ะอันนี้ไม่รู้ว่าอันนี้เราน่าไม่รู้เล่าได้ไหมค่ะพอาจารย์ก็เดิมลูกก็ชอบเล่นไพ่ค่ะอาจารย์<ม>แต่แบบ แต่แบบเล่นสนุกสนุกอะไรเงี้ยค่ะพระจารย์ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าติดหรือว่าเล่นเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถ้าคือถ้าเจอเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะมีขาอะไรเงี้ยค่ะพระจาร์ก็คือต้องแบบว่าเอ่อรวมกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะพระจารย์แล้วแล้วแบบเออก็บางทีเล่นได้ค่ะพาจาร์ก็ออกกําไรที่เล่นได้ค่ะมาเคยยังเคยนนกั ตอนที่เราเรียนหนังสือก็ทงานเพื่อนฝูงเฉยๆกันก็เล่นไพ่กันแล้วเอาเงินที่ได้มันเลี้ยงกันไปกินกันนะครัเท่านั้นแหะส่วนนึงสอันนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นกิจกรรมสังสรรค์กันไม่ได้เป็นเรื่องของการพนันนะใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะแล้วราเราเรยังเคยเอาตังที่เล่นได้ใส่ซองแล้วเขียนชื่อทุกคนที่แต่เพื่อนไม่รู้หรอกนะคะ แต่ว่าเรารู้แต่เขียนชื่อทุกคนเลยค่ะเราก็ไปถวายพระอาจารย์ลูกก็เคยมัได้ไม่ไม่เสียหายเท่ไหร่ไม่เสียหายใช่ไหมคะพระอาจารย์ไม่ได้เป็นเงินที่ไปเข้าบยเข้ามาเป็นเงินที่ทุกคนยิยอมลูกยังคิดว่าเอ้ส่วนที่ได้มาและเพื่อนเพื่อนที่เสียมาตรงนั้นก็เขาไม่รู้ได้ลูกก็อยากให้เขาได้บุญด้วยนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะได้ไหมค่ะพระอาจารย์จะบอกเขาเขาอาจจะถ้าข้อนุโมทนาเขาก็ได้ด้วย อ, อ๋อค่ะแล้วหนูหนูก็กลับ ไ, ไปบอก พอถ ว, ยวายกลับไปบอกเหมือนกันยอะไรเงี้ยแล้วสุแล้วเวลาล่าสุดเมื่อไม่นานเท่าไหร่ยอะไรเงี้ยค่ะก็แบบนัดกับเพื่อนๆไปเล่นกันที่รีสอร์ทอะไรเงี้ยค่ะพะอาจารย์แล้วเสร็จแล้วเล่นแล้วเพื่อนก็ชวนไปเล่นที่บ้านต่อที่บ้านเขาอ่าค่ะอีกวันหนึ่งอะค่ะลูกก็บอกว่าไม่ไปไม่ไปถ้าถ้าถ้าไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าอันนี้นเติมนะน้ำเติม น, นะใช่ใค่ะพระอาจารย์ลูกบอกว่าลูกไม่ไปเพราะว่าถ้าไปเลยกว่าเนี้ไม่ได้แต่พระอาจารย์ติเพราะว่าถ้าถ้าตรงเนี้ยแค่รีแลกอะไรเนี้ยถ้า ค่ะจากนี้นะอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ลูกก็จะไม่ไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนหลังลูกก็เริ่มรู้สึกรู้สึกเห็นว่าแบบคือใจเรา่ไม่มีอะไรเราก็คือสนุกอย่างเดียวอะไรเงี<ม>้ยค่ะพระอาจารย์จะได้จะเสียเราก็ไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอ<ม>พอเพื่อนนะ่ะคือเราจะเห็นแต่ละคนอนะเห็นหลายๆอย่างพอเขาเริ่มจะเริ่มเสียบางคนก็คิดวิธีที่จะแบบโกงอะไรเงี้ยค่ะ ที่แบบจะเอาจะให้ได้จะให้เล่นให้ได้กําไร ừ, อะไรอย่างเงี้ยะมันก็เห็น <ừ. S 1> เห็นเห็นกิเลสเห็นเลมเห็นหลายอย่างแล้วหนูก็เลยรู้สึกนี่เราบาตอนเนี้ยลองมาทํากระตุ้นให้คนอื่นเขาเป็นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะหลังหลังถ้าไม่ได้ก็ดีกว่านั่งสมาธิกันดีกว่าชวนนั่งสมาธิกันดีกว่า ครับคะาจารย์แต่ก็เริ่มเ่มชวนไปใส่บาตบ้างอะไรบางส่วนใช่ชวนมาทําทำดีกว่าชวนมาใส่บาตรชวนมารักษาศีลนะค่ะค่ะอาจารย์ก็ค่ะตอนนี้ดีค่ะอาจารย์คอับตอนนี้ก่อนนะได้ค่ะไม่เคยเวลาละกาแฟทุกคาเฟ่จารอะคุณอ้อย PK เจนคุณน้อยเข้ามาข้างล่างรเปล่าเนี่ยอ้าวผ้าผ้าไปเปิดเปิดกล้องพิเศษทายัง กลับนวัสการค่ะเอิม่มเป็นครั้งแรกที่ได้พบอาจารย์นะคะอยู่ที่ไหนอยู่สวีเดนค่ะอ๋อสวีเดนเมืออะไรภาคโครมน ะ, ะไม่ค่ะอยู่ทางภาคใต้อยู่ที่เมืองลูนเมืองลูนเอิม่มมีอะไรไั้มก็มาขอการบ้านบั้งค่ะเอิม่มคือว่าโนเป็นคนที่ น่าจะขี้เกียจเยอะนะคะมันจะเหมือนว่าตื่นเช้าได้แต่ก็ยังคิดว่าจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิหรือฟังธรรมสวดมนต์เงี้ยแต่ก็ไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าชอบฟังธรรมค่ะชอบชอบฟังธรรมแล้วก็เปิดจะเปิดบ่อยทุกวันก็ฟังเวลาอื่นก็ได้ถ้าตอนเช้าตื่นข้มายังไม่พร้อมที่จะฟังก็เอาเวลาอื่นทำก็ได้ฟังฟังเวลาอื่นก็ได้คือโดยปกติโนโนฟังธรรมได้ เกทั้งวันละค่ะทุกวันลึกขึ้นตอนไหนก็ทําตอนนั้นหรืออย่างอย่างเวลาเดินเนี่ยเขาก็เรียกว่าอะไรนะสมถะเหรอคะที่แบบเดิ น, น, นเดินไม่ไม่ไมค่ะเดินก็เดินปกติทํางานหรืออะไรบางที<ม>บางทีลืมไม่มีสติก็กลับมาที่ตัวเองแล้วก็นึกได้บางทีก็เดินหรือเดินเราเราเดินออกกําลังกายเราจะเหมือนกับว่ามันเป็น มันเป็นจะอัตโนมัตินะคะพุทธตวไปหรือว่านับหนึ่งถึงสิบมันก็จะเป็นอัตโนมัติแกงแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายเอ่อขาซ้ายแขะมือซ้ายเท้าขวามันมันเหมือนกับเป็นจังหวดของของร่างกายก็ดีก็ดีก็ดีทำนี้มันมันเหมือนว่ามันรู้สึกตัวไปแต่มันจะเป็นพักๆหรือมันไม่ตลอดเวลาก็พยายามทําให้มันเยอะขึ้นเวลาก็ตตัวเองค่ะแล้วแล้วโดยส่วนมากี่จะเป็นแบบ จะนอนพุโทโธแล้ค่ะจะจะไม่ค่อยนั่งอ่อนอนมันก็หลับเทนะ่านั้นอ่ะมันจะไม่ทำสมาธิถ้ า, าอย่ า, <ะ>าทำสมาธิตรงหน้ามันจะได้ไม่หลับนั่งก็จะพอรู้สึกว่ามันปวดตามร่างกายแต่คี้บ้างแต่เก็บบ้างอะไรพวกนี้ยต้องทนแต่ก็จะได้นั่งไม่นั่งก็นั่งนั่งหมุนก็ยีก็ได้ถ้านั่งพัเพียไม่ได้กนั่งก็ยีแทนกวได้ แล้วถ้าเราถ้าเราถึงจุดที่แบบหนู้ยเคยได้ยินว่าเขาแบบแยกรูปนามอย่างเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกยังไงคะก็มันจะสงบแล้วร่างกายก็จะหายไปจากความรู้สึกเราแม่ใจเย็นสงบ อ, อยู่กับความว่าความรู้สึกว่าร่างกายที่เคยมีอยู่ในในใจเรามันหายไปออันนี้ต้องทําถึงจะรู้อันนี้อย่าไปคาดเลยนี่พูดให้ออฟังเข้าข้าให้ แต่ต้งฝึกสตินั่งสมาธิไปพอจิตรวมมันก็จะยากก อ, อ่ากจากร่างกายชัว่วคราวอ๋อค่ะก็ก็พอจะเข้าใจค่ะอย่างพยายามฝึกฝึกสติไปเรื่อยๆแล้วหาเวลานั่งสมาธินั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งนั่งเก้าอี้ก็ได้เพราะว่าบางทีรู้สึกถ้าถ้าเหมือนกับว่าร่างกาย หายไปแยกรูปนามจิตมันหายไปจากร่างกายเนี่มันเหมือนบางที่มันเหมือนนอนหลับไปเลยหรือเปล่าไม่หรอกถ้ามีสติมันจะรู้ตัวตลอดเวลามันรู้ว่าร่างกายหายไปจากความรู้สึกอ๋อแล้วอย่างที่อย่างเอ่อถ้าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็เปิดเพลงเออไม่ใช่เปิดเพลงเปิดเปิดเอ่อบทสวดมนต์หรือเปิดบทธรรมะฟังั<ร>นี่ยค่ะก็ได้ถ้าเรายังทำํำ ถ้าถ้าเรายังสวดเองไม่ได้ก็เปิดฟังไปก่อนก็ได้แต่ถ้าสวดเองได้ยินดีกว่าออเพราะว่าโดยโดยส่วนบ้างลราก็รู้สึกว่าจะปล่อยบ้างได้เยอะนะคะปล่อยว้างไปไปสักส่วนเยอะแล้วค่ะเหลือแต่ทางครอบครัวที่ที่ยังยังเหมือนลูกยังเล็กอย่างเงี้ยยังปล่อยว้างไม่ได้อแต่เรื่องความตายหรือว่าเรื่อง พบหน้าหนูจะไม่ค่อยคิดแลหรอะก็เลยแบบอืมก็อย่าไปกลัวตายแล้วนไม่ไม่กลัวค่ะหนูห่อศพมาหลายศพแล้วคหนูก็เลยแบบรู้สึกว่าก็ก็เขาก็เขาก็คือศพเขาไม่มีอะไรอันตรายร่างกายมันแค่ดินน้าลงไฟนั่นเองโอเคก็มีอะไรก็ขอบพระคุณมากค่ะโอเคอ่านท่านี้ก่อนนะพอดีเวลามันหมดแะ้ค่ะ อะทุกไปที่คนล้าต่อบคนลามีคําถามมีคําถามอรนี้กราบนมำมศการคุณพระอาจารย์มีทั้งหมดเจ็ดคำถามจากทางเฟซบุ๊กพระอาจารย์และทาง y o u ูทูบพระอาจารย์เจ้าค่ะอ่าว่ามาเลยกราบน้ำมศการพระอาจารย์ครับคนที่ทําผิดศีลก็สามารถทําสมาธิได้ดีทำไมเป็นเช่นนั้นครับไม่รู้เหมือนกันอ่ะมอนมันมันไม่มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นห่ะกคนที่ผิดศีลมันจะทําสมาธิได้ยาก พอจิตใจมันจะวุ่นวายมันไม่ใช่ทำให้การทํำใจให้สงบมันยากก่าคนที่ไม่ไม่ผิดสีอยนันอันนี้อาจจะเป็นคําถามแบบเป็นเชิงการมามาล่อเราตอบหรือเปล่าไม่รู้นะมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่างนี้นคนเราก็ไม่ต้องรักษาสีเนี่ยจะนั่งสมาธิได้โดยที่ไม่ต้องถ้าทําผิดสีแล้วก็ น, นั่งสมาธิดีกว่าคนรักษาสีมันมันไม่มันเป็นไปไม่ได้หรอกฟังนะนะ ันทำบาปจะมานั่งสมาธินี่ยากเพราะใจมันจะคิดแต่ทำบาปอยู่เรื่อยๆคำถามต่อไปปัญญาที่เกิดจากการภาวนาคืออะไรและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรครับมันไม่ได้ปัญญาที่เกิดจากการภาวนาหรอกการภาวนานี้ก็คือการจเจริญปัญญาปัญญาภาวนามีสองระดับระดับสมาธิเรียกว่าสมาถะภาวนาระดับปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนา คำว่าภาวนาคือการการทำให้มันเกิดขึ้นสมนาธิภาวนาแปลว่าทําให้ความสงบเกิดขึ้นวิปัสสนาภาวนาก็คือการทําให้ปัญญาเกิดขึ้นนี่คือคอามหมายของการภาวนานี่เรื่องของปัญญาเนี่ยมันมีอยู่สามระดับด้วยกันสาขั้นขั้นแรกเราเรียกสุตตมายาปัญญาคือทําปัญญาขั้นเรียนรู้ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ศึกษาจากพระสูตรคำสอนของพระเจ้าต่างๆนี้เราเรียกสุดตาปัญญาสุดตะเมยะปัญญาเป็นปัญญาที่เกิดจากการศึกษารเรียนเพราะทําคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วขั้นที่สองเราก็คําสอนที่เราได้ศึกษามาคข้ควรมาพิจารณาให้เกิดความเข้าใจไม่ให้หลงไม่ให้เดิมอันนี้เราก็เรียกว่าจินตามะยะปัญญาทําการบ้านอย่เรื่อย อย่างที่ตอนที่เราเริ่มต้นโปรแกรมนี้ให้เด็กเขาท่องเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเนี่ยให้พิจารณาอยู่อย่างเงี่ ง, งไม่ให้หลงไม่ให้เดินอันนี้เรียกวิญญาขั้นที่สองความรู้ขั้นที่สองความรู้ขั้นที่สามเราเรีว่าภาวนาเมย่าปัญญาอันนี้หมายถึงว่าเราต้องไปภาวนาไปทัตสร้างสมถะภาวนาสร้างสมาธิก่อนเมื่อเราสร้างสมาธิแล้วเราไปสู่วิปัสสนาภาวนา เอาความรู้ที่เราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังได้ค่ายครวรนี้เอามาใช้กำจัดความทุกข์กำจัดกิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจมันต้องเกิดจากการปฏิบัติภาวนาทั้งสองระดับคือสมถะแล้วก็วิปัสสนาภาวนาคำถามต่อไปคนที่มีสติมีสมาธิก็ยังมีอารมณ์ตกใจได้ใช่ไหมครับ ข้ถามคำถามแบบนี่มันเราไม่อยากจะไปตอบพี่ชายเขาหรอกคุณลองคบทบทลองดูตัวคุณเองก็แล้วกันว่าคุณยังตกใจหรือเปล่าคำถามต่อไปการเดินจงกรมสามารถทําให้จิตรวมได้ใช่ไหมครับก็อยู่ที่มีสติแล้วไม่มีสติแล้วสติ ด, ดีก็รวมได้แต่มันไม่รวมเหมือนกับเวลานั่งเอแต่มาจะรวมแบบนั่นกายยังมีอยู่ก็ได้ แต่ลนั่งเนี่ยเวลาลูมันอาจจะนั่งกายหายไปเลยก็ได้คำถามต่อไปโรงพิมพ์ที่รับพิมพ์หนังสือธรรมะจะได้บุญไหมครับถ้าจะให้ได้บุญต้องทําอย่างไรครับไม่ต้องพิมพ์ฟรีไม่ไม่ใช่ค่าพิมพ์คำถามต่อไปจากคุณกระนกวนันกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ โยมมีคำถามเกี่ยวกับข่าวที่เป็นที่สนใจในปัจจุบันว่ามีคนหลอกโกงเงินในรูปแบบต่างๆทําให้คนเดือดร้อนจํานวนมากขอพระอาจารย์ช่วยเตือนสติให้แก่ผู้ที่ไม่รู้หรือขาดสติยับย้้งเจ้าค่ะกราขบขอบพระคุณค่ะก็อย่าเชื่อ ง, ง่ายๆแลยวทานมันเครื่องพิสูจน์นะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์คนถ้าเรายังไม่รู้จักเขาก็อย่าเพิ่งไม่เชื่อเขา ใ ห, ให้ดูไปเรื่อยๆก่อนดูกันจรก่อนเราจะสามารถพิสูจนได้ว่าเขาเป็นคนซื่อสัตว์สุสจริตไม่โกหกหลอกลวงถอพิสูจน์ไม่ได้ก็อยากพ้่งไปเชื่อคำถามสุดท้ายจากคุณวีซีซีผมไปงานวัดมาและผมเล่นตักปลามาได้สองตัวจะเอาไปปล่อยแต่ก็กลัวโดนปลาใหญ่กิน ผมจะเอาไปให้เพื่อนบ้านเลี้ยงเพราะเพื่อนบ้านเลี้ยงปลงังแต่ก็เกรงว่าเขาจะลําบากเกรงใจพองานวัดหมดปลาก็โดนเอาไปปล่อยและเททิ้งตอนนี้ผมกังวลขอให้พระอาจารย์ช่วยเมตตาแนะนําครับไ่ปล่อยเถอะไม่ต้องไปกลัวหรอกนะ้ำเมันกว้าขงขวางจะตายไหมถ้ามันถึงเวลาขาวจะตายมันอยู่ที่ไหนมันก็ตายเหมือนกันแนหะให้มันไปอยู่าตามธรรมชาติของมันแหละมันก็ เนี่ยมันมันปลามันอยู่ในน้ํามันก็บางตัวมันก็รอดบางตัวมันก็ไม่รอดมันเป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมลองดูว่าถูกตัวใหญ่กว่ากินไปตัวที่รอดก็มาเป็นตัวใหญ่แล้วก็ไปกินตัวเล็กต่อมันก็เป็นเรื่องของกลมกลม่อมกงมเ ก, ก, ก, กลียวของสันคําถามหมดแล้วจ้าค่ะโอเคหมดเวลาพอดีสําหรับคืนนี้ขอท่านจงนำว่าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิตรพิารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด